นพรท่านสาธุชนพูทธบบริสทิเพื่อฝ่ายทําทุกๆ ท, ท่านวันนี้นเรามาพบกันใคนครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมตามแนวที่พระจุทธจ้าและ ส, สนณะทรงสอนไว้ใครที่มีความสนใจที่จะถามคาถามก็เข้ามาถามในห้องสุ่ได้ถ้าไม่ถามก็ดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook YouTube เหมือนกันไม่ต้องเข้ามารอคิวก็ได้ถ้าไม่มีคำถามวันนี้เราไปที่ท่านแรกคือคุณสาธกาจากชัยนาทมาฟังธรรมาบอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปภาวนาที่เขาชีโอนค่ะอ๋อไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์จะไปฟังธรรมคาบอาจารย์ โอเคดีสาธุ<ส>าคุณปุญญาณุจกกอธม์เชิญล<ฮ>ูกเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ลูกใช้ธรรมะของพระอาจารย์ในการดําเนินชีวิตแล้วก็แก้ไขปัญหาซึ่งก็เบาบางไปได้มากค่ะพระอาจารย์แต่ว่าบางทีเนี่ยสติลูกยังน้อยพยายามหมั่นเพียรอยู่ค่ะพระอาจารย์สาธ <สา S 1> ุค่ะค <สา S 1> ุณจามัทแคทตี้ ศีลาชากลับมามาสิกาพระอาจารย์ครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับอะเมียบ้านกันบ้านพระอาจารย์ให้สวดบทมงคลสามสิบแปดประการครับวันนี้จะมาส่งกันบ้านในการสวดบทที่หนึ่งครับสว ด, ดมาแล้วว่ามาเลย่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งสองอย่ให้ภาษาบาลีกับภาษาไทยใช่มทั้งสองอย่างทั้งอย่างครับแล้วว่าม อาเสวนาจักพารานังปันติตานังจะเสวนาปูชาจักปูชนียานังเอตัมังคละมุตตะมังการไม่ขบคนผ่านทั้งหลาย<ม>การขบบัณฑิตทั้งหลายและการบูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งสามประการนี้และเป็นมงคลสูงสุด เราใช้ความหมายหรือเปล่าแม่ครคนผ่านทั้งหลายมาเข้าว่ายังไรเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจไหนลองบอกว่าถ้าเข้าใจคนผ่านเป็นยังไงครับคนผ่านเป็นยังไงเป็นคนที่ไม่ดีใช่ครับไม่ดีเลยไม่ดียทงไมกินเหล้าเมายาเร่องการบรรยัเที่ยวบาเที่ยวคลับใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่ทํางานไม่เรียนหนังสือ ชอเที่ยวเตะใช่ไหมใช่ค่ะนะชอบทำบาปฆ่าชอบข้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดต่อนะนี่คือคนผ่านนะเข้าใจไหยเข้าใจค่ะเข้าใจครั บ, รบแล้วคนคนฉลาดมันเด็กก็คยไงก็ตองกันข้ามอ็นคนไม่เที่ยวบาเที่ยวบาร์ไม่ เป็นการปรนดไม่เสพเวลายามาไม่พูดปลดไม่โกหกไม่ข่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ไม่ผิดประเพณีับ<ะ>ให้กบกับคนเหล่านี้นะแล้วบูชาบุคคลที่สมงวรแก่บูชาบูชาใครบ้างพระสงฆ<ะ>์ค่ะพระสองอย่างเดียวคะพ่อแม่คร่ ะ, ะพ่อแม่ก็เป็นพระของเราเนะเป็นพระสงฆ์ของเรา เป็นผ er. ้าละหันต้องบูชาพ่อแม่ก่อนนะบูชาพระสูงในบ้านก่อนแลยบูชาพระสุลับบบูชายังไงรู้ไหมวิธีบูชาบูชายังไงรู้ไหมทุกข์ขึ้นข้า้าัมเปเชอพ่อเจอมาก่อ เวลาจะไปนอกบ้านก็ขออ น, นุจาตก่อนไหวก่อนอะครั่าดูชาเชื่อฟังคาสัง่งคาสอนไม่เถียงพ่อแม่เข้าใจไหมเข้าใจครับถ้าจะดู้ชาต้องไม่เถียงพ่อแม่พ่อแม่ท่านเป็นคนที่มีกวบคนกับเรา ท่านพูดอะไรเราฟังหนเดียวไม่ต้องเถียงเขาเป็นบอสเราเราเป็นลูกจ้างเราเป็นเอ็มพอยร์เเขาเป็นบอสเอ็มพอยรอ์อย่เขาใจไหมเขาว่าเอ็มพอยร์เย่เอ็มพอยรเาแต์เขาแเราต้องเชื่อความนะอย่าเถียง ถ้าไม่ไม่ถูกใจก็เฉยๆไว้ไม่ท้องเถียงถ้าคูดแล้วไม่ถูกใจก็เฉยๆไว้พูดโทพูดโทพูดทอกไม่ใช่ใจไม่ต้องเถียงฟังเฉยๆเป็นลูกมีหน้าที่ฟังไม่มีหน้าที่พูดไม่มีหน้าที่บอกพ่อไม่อะไรนี่คือการบูชานะลองลองเอาไปปฏิบัตินะ เราเดี๋ยวครั้งนเอาเอ า, เอาอีกเอาอีกสามข้อมารายงานใช่หมใช่ค่ะคนเด่นจะได้ยินได้ฟังไว้ด้วยมีไหมอ่าไม่ใช่ท่องแบบนกแก้วนะแต่ไม่รู้ความหมายต้องค่ะต้องหาความหมายถามแม่ก็ได้ถ้าไม่เข้าใจความหมายครับครัเราต้องเข้าใจความหมายถ้าไม่ฉะนั้นก็ท่องไปแล้วก็ ไม่เข้าใจความหมายก็ไม่ได้นําไปสู่การกระทําที่ถูกต้องครับเขาจะไม่ได้มงคลไม่ได้ความสุขความเจริญทางจิตใจฮมงคลแปลว่าความสุขความเจริญทางจิตใจครับครัโอเคนะมีอะไรไหมมีอะไรไมไม่มีไม่มีนะครั บ, รบโอเค ลองลองไล่ไปเรื่อยๆให้ครบ38นะใชค่ะโคกลับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปคุ ณ, ณนันทพัจากอุบลรชาชธานีกลับภ <c oughs> าษาเจ้าค่ะอาจารย์ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะยังพยายามปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะโอเคแบบที่คุณหมอพี่เชษยังขอธรรมะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับ วันนี้มาส่งการบ้างเรื่องการพิจารณาเวทนาครับอาจารย์เมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโยมได้ฝึกตั้งสมาธิหลังจากบริกรรมพุทโธและดูละายใจสักราวสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่สมาธิครับแล้วก็มีแต่ความว่างสักแต่ว่ารู้ไม่มีจิตปรุงแต่งแล้วก็มีความสุขมีควา ม, มอิ่มเอิบใจครับ ก็อยู่ในสมาธิประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับอาจารย์แล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในสมาธิก็เรื่องเวทนาความปวดที่ขาอะไรก็ไม่ได้มาบรบกวนเลยครับสักแต่ว่ารู้แล้วก็หลังจากออกจากสมาธิแล้วก็ได้ฝึกเดินจงกรมประมาณสักสิบ้านาทีครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็มาฝึกนั่งสมาธิเพื่อพิจารณาเวทนานะครับอาจารย์ แต่การนั่งสมาธิในครั้งที่สองเนี่ยจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ไม่ค่อยดีครับบางทีก็เหมือนเจ๊าะเข้าแล้วบางทีก็ไม่เข้าบางทีเข้าช่วงสั้นๆกรับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เห็นความแตกต่างกันมากก็คือเวทนาความปวดที่ขานะครับมันมีมากมากขึ้นเรื่อยๆมากจนรู้สึกแบบทรมานแต่ก็ได้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆจนบางครั้งจิตรวมเข้าสู่สมาธิในช่วงสั้นๆ อาการปวดมันก็ทุเลาลงไปครับพระอาจารย์แต่มันก็ยังไม่หายไปหลังจากนั้นก็จะมีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาอยู่สักสี่สิบนาทีแล้วถึงได้หยุดพิจารณาครับวันนี้จึงได้มากับเบญพาอาจารย์แล้วก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับวเวลาพิจารณาเขาลองพิจารณาว่ามันเป็ น, นายรักพิจารามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แจใจเราชอบให้มันเที่ยงอยู่กับสุขเวทนามนไม่ชอบให้มันเปลี่ยนไปเป็นทุกขเวทนาเ่อมันเป็นทุกขเวทนาใจเราก็ทรมาร์เพราะเราไม่ชอบเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นเราพิจารณาวะ่าะห้ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขก็ออกเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข รเราควรพิจารเพื่อปล่อยวางนันก็อยู่บนนันพาตอนนี้มันไม่พอนางขะเราส่ว น, นชีวิตที่เราต้องเจอตลอนเวลาเป็นปัาทั้งสามนี้ไอสองอันมันไม่เป็นปนัหาสุขก็ไมธา้ไมุ่ไม่ทุกข์ก็ไม่เป็ น, ปนัญาที่เป็นปนัญหาก็ทุกทุวข์กมราที่เราต้องสารจิตให้ยอมล้วยอมอยู่ ไม่ได้นั่นก็ว่าอยู่กับสุดขั้วเหตุนาไม่สุดไม่ที่ก็ไม่ไมมที่กันด้วยการทําใจเฉยๆอย่าไปอะหยากให้มันหายแต่มันยังเล่นมันรู้สึกทรมานก็ต้องใช้ผู้โจรใช้รกรรมิการให้จิตมันในิ่งให้มันเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้เราไม่ได้ทําเพื่อให้มันหายเราไม่ได้เพราะเราเราบอกคับมันไม่ได้ แต่บางทีนั้นกล้า จ, จะหา ย, อยของมันเองอันนี้ก็เรื่องของมันมันไม่หายก็อยไไู่มันให้ได้ต้องอยู่มันให้ได้หยุดถ้าเรามีอยู่เบกขาเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่มีอยเบิกขาเร า, เาก็ต้องสร้างใช้สติใช้คําบริกรรมให้จิตมันเน่งแล้วมันก็เป็นอยู่เบิกขาแล้วก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่าลืมว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การทําให้เวทนาหายไป เพรนี้จะเป็นสนุนไทยจะทําให้ทุกเพราะอยากให้มันหายนะพอมันไม่หายมันก็จะทุกทำให้ในประการที่จะไปจัดการกับทุกขเวทนาเราต้องการจัดการกับความทุกในในริยสัตว์ทุกในใจเราทุกที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปนี่เราอยู่ตัวทุกตัวอยากตัวนี้ได้อยากจอยากให้ทุกขเวทนาหายไปวายมันอยู่มันไม่ได้มันจะเป็นก็เปลงไปมันจะอยู่ก็อยู่ไป เราจะหักอยู่กับมันด้วยการใช้สติบริ ก, กรกรมพุโทโธพุทโธไปเข้ารจไหะใช้น้อมนําไปปฏิบัติชำ ไ, ได้ดีขอบคุณับอาจารย์ถ้าเรารู้จักวิธีอยู่กับมันต่อไปเราจะได้ไม่ต้องกลัวมันเพมันไปเหงาตามตัวเราตามเจ็บมันมากับตามเจ็บไข้ได้ป่วยส่วใหญ่ใช่ไหมเป็นไข้เป็นอะไรมันก็เรื่อง ความเจ็บปวดทางร่างกายปวดมุวยไทั่วสตร่างกายแต่ถ้าเรามีเวขามีปัญญาแล้วก็เฉยๆอยู่กับมันไปไม่เดือดร้อนต่างฝฟายต่างอยู่กันเราเป็นผู้รู้ก็มีหน้นาที่รู้ไปนั่ตายเป็นดินน้ำลมไฟก็มันก็ไม่เดือดร้อนเมตนามันก็แสดงตัวของมัน ตามธรรมชาติของมันอย่างก็ตา่ตางทำหน้าที่ของตนไปยจรู้ก็รู้ไปวป น, นาสแสดงก็ปล่อยไ ป, ปสแสดงไปร่างกายมันสร้างอยู่มั น, ม, นมันตท่อตาอยู่ของมันก็ปล่อยให้มันอยู่ของมันไปสำหรับพวกคุณ อ, อาจารย์ครับแยกกายแยกจิตแยกเวทนากจากันอยา่ามา อยามาลงมังมารวมกันว่าเป็นตัวเราของเราไม่มีตัวตนทั้งสาตัวนี้ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่มีหน้าที่ต่างกันไปน้องนันปฏิบัติเ จ, จ้าพระจันทร์นี่ครับทไปที่ท่านต่อไปคุณสุทัศนีคุณหมอสุทัศนีจากปทุมธานีละมัศการท่านพระอาจาเจ้าค่ะ วันนี้ลูกขอการรายงานการปฏิบัติสั้นๆและมีคําถามสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจค่ะ ว, วันนี้ลูกถือสิงหแปดค่ะและตลอดระยะเวลาหนึ่สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกได้ปฏิบัติทำโดยการจิตติคือการเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้ได้มากที่สุดตามกําลังคือพยายามทาทั้งวันเช่นเมื่อวานก็สามารถปฏิบัติได้เกิน5ชั่วโมงและได้รับความสุขความสงบ ตามเหตุที่ทำพอสมควรคำถามของลูกสืบเนื่องจากการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วเจ้าคะ่ะคาถามคือว่าการเดินจงกรมสามารถทำให้จิตสงบการเดินจงกรมสามารถทำให้จิตสงบในระดับหนึ่งคือเกิดความสงบปิติสุขได้แต่ไม่สามารถทำให้จิตรวมได้ใช่ไหมเจ้าค่ะยกเงินในการฉุกเฉินท่าน เกิดไปอยู่ในที่หนึ่งบาเสียวาดตัวแล้วเกิดมีอะไรมามามากระทบกับใจอย่างรุนแรงนี้บางทีใจก็จะลว่มได้ถ้าไม่มี ก, การอะไรรุนแรงมันก็มนก็จะไม่ลวม่มอ้าอาศัยการนั่งเป็นหลักการเดินนี่เการเดินเพื่อหนึ่งเพื่อเสริมสติ สองสามวิยทยะกำลังของร่างกายเป็นกับเป็นการเดินออกํำลังกายแต่ถ้าจะให้รวมนี้ก็เป็นมานั่งในสมานั่งสมาธิแทนยกเว้นว่าถ้าไปเดินงจงมในป่าแล้วกระช้าเองกับเสืออย่างนี้อาจจะรวมได้พอเห็นเสือภาพจิตมันมันก็ตกใจมันก็ ถ้ามีสติคุมไว้มันก็เข้าสมาธิไปถ้ามันไม่มีสมาไม่มีสติมันก็มันก็เตลิดเปิดเปิดเม่งกระโดดหนีเม่งหนีเสือไปอันนี้ก็อันนีเป็นกรณีฉุกเฉินกรณีพิเศษแต่โดยทั่วไปแล้วจิตจะม่อาจจะรวมจะรวมแบบรู้อยู่กับการเดินรูอยู่กับกรู้อยู่กับนั่งกายแต่ใจปเป็นลมเบะขาเฉื่อยตัวเบา เดินนานเป็นชั่วโมงไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกอะไรเป็นได้บางคนบางคนเดินเดินนานได้เพราะเพราะจิตดวมแล้วจิตสงบแล้วค่ะเดินไปแบบตัวเบาไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักอะไรเรื่ยๆก็ไม่ต้องไปกังวลมันจะได้ผลแบบไหนก็ให้รงวมตามความเ็นจริงค่ะค่ะสมมุติว่าเกิดปีทีสุขเราก็แค่รับ ให้หม่เจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็เจริญสติกต่อไปต่อเจ้าค่ะเกิดผลอะไรมันก็รับรู้ไว้เฉยว่ามาันเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติถ้าเราหยุดเจริญสติไปสนใจกับผลเดี๋ยวมันผลมันก็จะหายไปแล้วก็ ย, ยังไม่มีผลใหม่เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเราทำเจริญสติต่อไปเรื่อยๆผลมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆจะพยายาม ปฏิบัติต่อไปให้มากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์ปฏิบัติวันไหนวันไหนทํางานนะนม่ปฏิบัติทั้งหมดนี้วันนี้เข้าวันที่แปดแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าลูกติดโควิดเจ้าค่ะอ๋อไม่ต้องว่าคนเดียวอยู่อยู่ชั้นบนโดยที่ไม่ได้ลงด้านล่างเลยเจ้าค่ะดีไม่มีใครเข้ามารบกวนเราเนาะเจ้าค่ะเอาเป็นลิกิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคนเรา ต้องมีทุกต้องมีอะไรก่อนมันถึงยาอายึดจะได้มีเอาโอกาสมาสร้างปัญญาสร้างสร้างธรรมะกันถ้าไม่มีวิกฤตเพาะมันมีเรื่องโน้นเรนี้คอยเดินไปอเรื่อยถ้าไม่ไปก็เกงใจเข า, าว่ากลัวเขาจะว่าเราว่าอะไรบ้างแตพอมีวิกฤตอย่างนี้ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเราเนี่ย <c oughs> คิดดูนี่ขนาดจะไม่ตายเขา ย, ยังทิ้งเรานะี แล้เวลาตายนี้เขาจะเยังจะมากอดศพเราหรืวเปล่าจ้าค่ะแล้วก็ในช่วงที่อยู่กับเวทนาก็ไม่ได้ใช้ตั้งแต่สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์เมื่อพุทธที่แล้วก็ไม่ได้ใช้ยาแก้ปวดเลยเจ้าค่ะก็อยู่กับมันได้เจ้าค่ะไม่ต้องกินยาอะไรเลยใช่ไหมที่เป็นนี้หนูกินฟ้าทลายโจรค่ะ แต่ว่าได้ฟาวิทิลาเวียมานะเจ้าคะ่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ทานลงทานแค่ฟ้าทลายโจนคะ่ะแล้วก็มีถ้ามันไอมากก็มียาแก้ไอบ้างเจ้าคะ่ะแต่ยาลดไข้แก้ปวดเนี่ยหลังจากที่ได้คุยกับท่านอาจารย์ลูกก็ไม่แตะมันเลยเจ้าคะ่ะใช้ธรรมอุสุนในกว่าะนะใช้ยาธรรมเจ้าคะ่ะใช้สติใช้ปัญญาพิฏฐนาปล่อยวางเม่ทนา อให้เราให้อยู่กับมันไปคืออยู่กับมันไปจะไดไม่ติดยาด้วยมันกินยากแก้ปวดมันก็จะติดนะปวดะไรนิดปวดะไร ห, หน่อยก็ต้องกินน ะ, <Okay. S 1> ะกินมันก็ได้ ย, ยาไม่ต้องกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเลยนี่เราไม่ต้องกินเลยสบายอยู่ได้เจ้าค่ะมีมีมาเเลสซาวนก็ต้องออกไปแล้วเลยนะ ประมาณเหลืออีกประมาณาถ้าถ้านับตั้งแต่วันที่มีอาการก็วันวันสุขจะครบสิบวันเจ้าค่ะอืมประมาณือนี้สามวันพยายามใช้ช่วงเวลานี้ในการปฏิบัติให้มากที่สุดเจ้าค่ะมีแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเห็นเป็นเห็นประโยชน์ก็ควรที่จะทำต่อถ้าที่เราจะทำได้ เจ้าค่ะตอนนี้ลูกพยายามอย่างสุดกําลังเลยเจ้าค่ะอืมเอาเวลาเอาเวลามาปฏิบัติหรือเอาเวลาไปทําอย่างนัง้นเองใช่ไหมใช่เ<ช>จ้าค่ะสิ่งที่เราทํามันช่วยเราได้ไหตอนนี้ตอนที่เราติดโควิดเนี่ยมีเงินมีทองก็ช่วยไม่ได้เจ้าค่ะมีมีทองช่วยรักษาใจได้เจ้าค่ะอ่าต้องแห่งความสำคัญของธรรมอ่ะลดแห่งธรรมชนะลดทั้งป่วนอย่าไปสนใจถ้าไม่ ถ้ามีเวลาต้องเลอกระวังทาเรื่องทางโลกกัาเรื่องทางธรรมเอามาทำธรรมทงธรรมดีกว่ทางโลกก็เาพอกินพออยู่ก็พอเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสาุสาธุรที่อาจารย์คมไลขอธรรมบารมบคุณคุณอนุปูนกราบลวงป่ระอาจารย์กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ ไว้ดอสบายดีนะคะอะย่างไงก็อย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาไม่ขึ้นไม่ลงสุขภาพดีตลอดค่ะขอให้อายุยืนยาวเลยคะ่ะสุขภาพไม่แน่นอนแต่จิตใจดีตลอดจะพยายามวิ่งตามให้ทันค่ะร่างกายมันต้องเป็นไปวันนีวน้วันดีขึ้นดีมันก็ต้องเป็นค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะมากาบค่ะ แล้ฟังคำค่ะได้สาธุน้สักการณ์สาธุและที่คุณโยมนิ่งคุณธมนทอนซ้ายสองกลับน้มักการณค่ะพระอาจารย์เโยมมีมีรายงานสภาวะธรรมกับพระอาจารย์ค่ะที่โยมปฏิบัติมาก็คือช่วงหลังอะโยมโยมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าโยมทําผิดหรือถูกอะนะคะ ออตอนที่โยมนั่งดูลมยมก็ดูลมปกติก็เหมือนอย่า ง, างทุกครั้งเสร็จแล้วก็พอจากลมจมล ล, ลมเยอะก็ค่อยเบาแล้วก็หายไปแล้วก็จะอยู่กับความความว่างกับความกับความสงบพอเราเสงบสักพักหนึ่งค่ะผ้าจาย์มันก็มีเวทนาเกิดเวทเวทนาคือมันจะเจ็บ เจ็บเขา่าเจ็บขาเจ็บมากเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็ดูความเจ็บไปแล้วพอโยมดูความเจ็บโยมก็นึกถึงคําที่พระอาจารย์บอกบอกว่าเให้แยกให้แยกใจกับให้แยกความความเจ็บใจอยู่ส่วนใจเจ็บอยู่ส่วนเจ็บเพราะเราเราจะไม่สามารถไปไปบังคับได้พระอาจารย์ว่าเราจะเจ็บเราจะปวดเราจะให้มันหายเราก็ต้องให้ให้ถือว่ามันเป็นอนัตตาโยมก็คิดแบบนี้แล้วโยมก็กลับมา ดูดูลมต่อพระอาจารย์ระหว่างที่โยมดูลมต่อค่ะโยมก็แบบมีความสึกว่าโยมลมแบบแบบหายใจเร็วมากเลยค่ะพระอาจารย์หายใจแบบเร็วห อ, หอบแบบนี้ค่ะแบบแบบหอบแล้วก็แรงโยมโยมก็ดูลมไปเรื่อยๆๆว่าโอเคโอเคจะแรบงบจะหอบก็ปล่อยก็ปล่อยตามที่เขาจะจะแบบเป็นเป็นแสดงออกมาค่ะพระอาจารย์ระหว่างที่โยมดูไปปุ๊บเนี่ยโยมมีความสึกว่า มันเหมือนกับถูกไฟชอ็อตอะค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับมือมือเราอะค่ะมันตืดแต่ว่าคือมือมือเราสามารถมันมันคล้ายๆกับว่าถูกไฟช็อตมือมือเรามันเหมือนกับรวมกันแขนรวมกันแล้วตาก็แบบไม่ไม่สามารถลืมขึ้นคือตัวมันมันเหมือนถูกไฟช็อตทั้งตัวแล้วแต่ตอนนั้นคือถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ จำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าก็อย่าสนใจก็ต้องให้กลับมาดูดูลมหรือว่าพูดโธใช่ไหมคะแต่อารมณ์ตอนนั้นคือเราเราไม่สามารถที่จะดูลมหรือว่าพูดโชยได้ค่ะทุกอย่างมันฟึบมาแล้วมันตัวเราแข็งเป็นขินมันเหมือนกับ ถ, ถูกถูกดูดเอาไว้พระอาจารย์แล้วแล้วแโยมก็ดูดูไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆจนจนที่แรงดูดที่เหมือนกับที่ดูดนะคะพระอาจารย์ก็ค่อยๆคลายคลายคล า, า, า, า, ายจนเขานิ่งสนิท พอเขานิง่งพอเขานิ่งสนิทปุ๊บโยมก็มีความสึกว่าโยมก็มีความสบายพอมีความสบายแล้วจิตมันใจมันยิ้มเองค่ะอาจารย์ออพอโยมยิ้มเสร็จโยมก็ลืมตาพอยอมลืมตาเสร็จโ ย, ยมก็เออโอเคเดี๋ยวเราก็พักสักแ ป, ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราขอไปเดิน ลุกขึ้นไปเดินจงกรมะค่ะพระอาจารย์พอเดินล้อพอลุกขึ้นอะ่ะพระอาจารย์โยมไม่มีความเจ็บปวดเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ตัวโยมเบามากแล้วก็เดินต่อเดินจงกรมต่อแต่ว่าอย่างนี้โยมไม่รู้ว่าโยมทําถูกหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์แต่ทำไมทาไมแบบว่าหายใจแรงมากเหมือนคนจะขาดอากาศหายใจแบบมันเร็วเร็วถี่มากแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟึ๊บแล้วก็คือตัวเราเป็นขีดมันก็ถูกไฟดูด ทั้งตัวอะไค่ะมันไม่สามารถขยับได้มันเหมือนการรวมเป็นหนึ่งเดียวงี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะโยมเคยเคยเข้าสภาวะแบบนี้แต่ว่าสภาวะตอนนั้นโยมโยมมีความสึกว่ามันจะมีความสุขคือมีความเย็นแล้วก็รับรู้ถึงลมแล้วก็ใจมันก็รวมแล้วก็คือสุ ข, ส, ขสุขสงบแล้วก็แล้ว ก, แวก็แล้วก็ทุกอย่างดับหมดแล้วก็แล้วก็คือเดินขึ้นมาก็ตัวเบาแต่ครั้งนี้จะเป็นรู้สึกเหมือนกับถูกไฟช็อตนะคะพระอาจารย์แบบมันรวมดูด ไปหมดทั้งตัวเลยอะค่ะถ้าดูตามความเป็นจริงไปใครแล้วก็เป็นอุเบกขาไปน่ายแค่แล้วก็เฉยไปไม่ต้าไปมีปฏิกิริยากับอะไรให้รู้เฉยเฉไปถําไม่เฉยเฉยได้ไม่ไม่ทุกไม่ทรมาณใช่ได้ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วที่ที่มันเร็วๆเหมือนคนแบบขอบอย่างนั้นเกิดจากอะไรอะคะพระอาจารย์ก็มันเป็นธรรมชาติของเัน ของจิตเวลามันเจอวิกฤตมันก็มีปฏิกิริยาลงไปต่างๆร่างกายก็รู้ไปตามไปจริงๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรื่องว่าทําไมนนค่ะพระอาจารย์จะเป็นทั้งรู้ว่าทำไมให้รู้ว่ามันเป็นสภาพอนิจจังของสภาพของลมที่มันเปลีป่ยนไปเี่ยนมาค่ะพระอาจารย์เพราะเกิดเวทนาก็คําสอนของพระอาจารย์ก็ขึ้นมาที่บอกว่าให้แยกกายแยกแยกแยกความเจ็บ แยกออกจากกันเพราะเราเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาได้ว่าเขาจะเจ็บจะปวดจะหยุดทุกอย่างให้มันไปได้ร่างกายแล้วก็บังคับมันไม่ได้มันจะหายใจอย่างนั้นก็ต้องหายใจนะมันแล้วที่มันเหมือนกระดูดแรงเราดูดดูดเป็นพันก็เป็นก็เป็นเรื่องของมันใช่ใช่นิมิตรันอันนั้นคือนิมิตไหมคะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจจะเป็นอะไรมาลุ้นตามความเปจริงไม่ต้องไปหาชื่อมันเจอตัวไม่ต้องไปหาชื่อมัน ค่ะพระจ่าแล้วนี้พอถ้าเราเราเราลืมตาแล้วแล้วเราลุกเดินจมกลมหรือเราควรจะนั่งต่อคะพระอาจารย์ได้ทั้งนั้นนะแล้วแต่เราถ้าอยากจะขึ้สู้ต่อก็นั่งต่อไหมแล้วเราจะเจอเวทนาปวดอีกเรื่อยๆป่ะคะก็ลองดูเถอะว่าจะได้โูนมันต้องเจอแน่ๆถ้านั่งต่อไปแล้วน้อยเจอแล้วแล้วแล้วตัวตัวมันจะใหญ่ขึ้นตาดวงตาเมื่อกี้นั่งแปดชั่วโมงนี้ จากตัวขนาดหนูมาเจอตัวสุดท้ายือตัวขนาดช้างอือค่ะพระอาจารย์ยมปฏิบัติต่อค่ะยมทําทุกวันแล้วยมจะเพลินต่อค่ะอพอาจารย์วันนี้ดีจใจมากๆได้มารายงานพระอาจารย์ถึงสภาวะที่ก้าวหน้าขึ้นค่ะเออเราไม่กลัวแล้วเราผ่านไ้เขโอเคใช่ค่ะจะเพลินจะผ่านทั้งตัวขนาดหนูครั้งต่อไปลองนํา <c oughs> ตัวใหญ่วันนีิดนึงต่อไปได้ค่ะพระอาจารย์ ครั้งนี้โยมถือว่าโยมมีมีสติค่ะตอนก่อนหน้านี้ที่โยมไปปฏิบัติที่ยุ้ยวัคคูต่ะคะ่ะโยมก็เจออารมณ์แบบนี้ค่ะมันเหมือนกับคนที่จะขาดอากาศหายใจแล้วโยมก็จะตกใจวุ่นวายมากแล้วก็คือตื่นตระหนกแล้วระหว่างที่เราตกใจเหมือนเรากําลังจะตายอะคะ่ะมันก็มีเหมือนกับลำแสงพุ่งมาที่ฝามือซ้ายขวาแล้วก็ตัวแข็งเป็นหินแล้วทุกอย่างมันก็ฟึบมันก็เงียบสงบมันก็เราอยู่คนเดียวในถ้ำอะคะ่ะพระอาจารย์ตอนนั้นโยมคือสติโยมอ่อนมากโยมกลัวมากแล้วโยมก็วิ่งตะลอดเหมือนก็เคยเล่าให้้พพรรระะะะาาจจยยย์์ังงแ ล, ว, แลวเสีาา น, นะคะ ผุดขึ้นมาในในในในสมาธิค่ะบอกว่าให้ให้หยุดวิ่งแล้วให้ให้มาดูลงพุโทโธให้มาอยู่กับพุโทโธยมก็อุ้ยเสียงะ้าจาย์เสียงะ้าจ า, า์มายมก็ โยมก็หยุดวิ่งแล้วโยมก็รู้สึกผ้าเสียงผ้าจานโยมก็กลับมามีสติดูลมแล้วทุกอย่างก็กลับมาสู่ปกติค่ะก็ลืมตาได้แล้วเสียงข้างนอกก็เข้ามาปกติค่ะแต่ครั้งนี้ยอาการเหมือนครั้งตอนนู้นแต่ครั้งนี้เรามีสติเราเราสามารถที่จะปล่อยเขาให้เขาสแสดง<ช>แล้วเราก็ดูเขาได้ได้เราวางเฉยเราเป็นคนดูาดูไปใช่ค่ะพระอาจารย์งั้นโ<ช>ยมทำ <ยม S 1> ถูกต้องแต่ว่ลววาลืมพระพุเจ้าบอกอะไรเกิดขึ้นให้ลูมตาฟังเป็นจริงค่ะไม่ต้องไปทําอะไรค่ะ ค่ะว่าอาจารยั้นเขาจะไปถ้าเป็นอย่างนี้เราเราลืมมาแล้วก็นั่งต่อต่อไปอีกค่ะว่าอาจารย์จะ ต, ตัวเบาเลยค่ะอาจารย์เดินตรงกรมสบายมากแล้วเวลาเรามาเจอเหตุการณ์ต่างๆมันจะเฉยได้เจอใครด่านก็เฉยใครพูดวายก็เรื่องของเขามไม่เกี่ยวเราฝึก ผ, ผ่านเวทนาได้เวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเมื่อก่อนเคยอดไม่ได้ปอะต่อไปจะอดเฉยๆได้พ่ดแต่ของเขามันมันก็เวทนาน เร า, าผ่ามเวทนาแล้วเราก็จะมองว่าทุกอย่างต้องเหมือนเวทนานี่ใช่ค่ะพระอาจารย์รบขอบคุณคำสอนของพระอาจารย์มากค่ะแล้วเวลามีปัญหาอะไรอ่ะพระอาจารย์จะแบบขึ้นมาทุกครั้งเลยค่ะขณะเราตกใจในสมาธิตะเลิดอยู่ค่ะเสียงพระอาจารย์ก็ขุดขึ้นมาอันนี้คือพระอาจารย์พูดเองหรือจิตใต้สำนึกของขอ ง, ของลูกค่ะไม่ต้องไป <laughs> สนใจ <laughs> ไม่ต้องสนใจ <laughs> ให้รู้มันเป็นอะไรก็ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์ค่ะจะไปปรุงแต่งว่าเป็นนู่นเป็นนี่ แตเสียงพระอาจารย์จริงๆพระอาจารย์บอกว่า ใ, ให้มาให้พูดโทรไปด้วยให้พูดโทรไปด้วยพระอาจารย์ก็ดูประโยชน์ของมันก็แล้วกันว่ามันมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์ก็มาใช้ไม่มีประโยชน์ชนชชนก็ทิม้มันมีมีค่ะทำให้สติเรากลับมาทําให้เราทําให้เราหายหายประเลิดตกใจค่ะพระอาจารย์คือสติกลับมาหมดเลยใช่แล้วปฏิบัติต้องยึดหลักตรงนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาทําประโยชน์ได้หรือเปล่า ถ้าทำประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ฝ่อยนั้นผ่านไปไม่ต้องเรามาแบบมาไม่ต้องมาคิดว่าเป็นนะนั้นเป็นนี่คือรู้แล้วก็ผ่านไปป่ไปเป็นอนนี้จางไปนะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปค่หน้าตาเราสังมันไม่ได้ค่ะค่ะกับความประคุณตัวอย่างเป็นตายรับหมดค่ะพระอาจารย์น้อมนาคําสอนพระอาจารย์ปฏิบัติค่ะ ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะรักษาสุขภาพนะคะพระอาจารย์ยาสาธุจิตปฏิบัติต่อไปนะอานุภาพธนาค่ะขอบคุค่ะมาถูกทางแล้วค่ะมาจากขอขอบขอบคุณเจ้าค่ะอคุณหมอภานนากลับมาวัฒนการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปขึ้นไปเขาชีโอนะคะพระอาจารย์ก็ จัดเวลาได้จริงๆแล้วมันชนกำงานนะคะพระอาจารย์แต่ว่าจัดเราแับความสําคัญของนี่ก็คือไม่เลื่อนงานก็คือเลื่อนงานอาจารย์ไปเขอที่โอก่อนเอาทางทำก่อนทางโลกพัดทางทำก่อนทำพระอาจารย์ทางโกเราทํามามากแล้วค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าเอ่อเราช่วยคนช่วยทางกายมันก็เท่านั้นเพราะฉนั้นเราต้องช่วยดูเรเองก่อนเราถึงจะกลับไปเชื่อคนทางใจได้เราต้องเอาตัวเองให้ให้ให้พลไปก่อนก็นึกถึงคํานี้พระอาจารย์ก็เลยเนี่แหละหาตั้งใจ พร<ผ>อาจารย์บอก <า S 1> ให้ทำประโยชน์ให้กับตนก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ให้กับมู้นเยพระอาจารย์คะมีคําถามนิดนึงคือว่าก็ดูดูดูใจ ด, ด, ด, ด, ดูกายวิทนาลนี่พอเข้าใจแล้วนะคะพรอาจารย์แต่ดูใจเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันไม่กลับเพื่อมค่ะพระอาจารย์มันไม่มันคือกำลังจะดูใจรักในใจแต่ว่ามันไม่ยังมันยังไม่กลับเพื่อมเพราะว่ามันอาจจะ มันอาจจะแบบว่าเข้าใจคําว่าความหลงอะพระอาจารย์มันเลยทําให้ความอยากหรือว่าอะไรมันไม่มีมันก็เลยไม่มีอารมณ์ในใจอย่างนี้มันคือเราก็มันคือแบบว่ามันอาจจะยังอ่อนไปใช่ไหมคะอาจารย์มันต้องดูกิเลสตัวหนักๆักใช่ไหมคะเดินไปเรื่อยๆดินตามสภาพความเป็นจริงออกมันมันเป็นอย่างนี้ก็ร่วมเป็นอย่างนี้เวลามันเปลี่ยนไปก็รู้ว่ามันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนก็รู้ว่าไม่เปลี่ยนก็แล้วคัะก็ไม่ต้องไปมีอะไรกับมันก็ดูเหมือนกันเราดูทุกอย่าง แล้วกี่ลายละเอียดนี่มันคือมันคือเหมือนกับว่าความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นใจเป็นเราหรือแบบคะใช่ไหมคะที่พระอาจารย์บอกพอที่แล้วอ่ะก็มันไม่มีเรามันไม่มีเราใช่ถ้าถ้ามีคําว่าเราขึ้นมามันก็เป็นคือเหล็กเป็นที่แล้วอ๋อเข้าใจแล้ะอ๋อค่ะพระอาจารย์มันมีแต่สภาวะธรรมมีแต่รู้มีแต่คิดแต่มันไม่มีเรามันไม่มีเรารู้เราคิดค กิเลยมันไปปรงขึ้นมาไปหลอกขึ้นว่ามีเราเรารู้เราคิดหน้ากายเป็นตัวเราของเราสามีภรรยาเป็นของเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นของเรามันมันเป็นความหลงสร้างนั้นคําว่าเราพระเจ้าบอกว่าหน้าตามันเป็นของธรรมชาติเป็นทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติอาจาใจไหย เข้าใจริ่มเข้าใจแล้วแล้วไม่ค่อยโดนหลอกแล้วว่าอาจารย์อันนี้พอเข้าใจแล้วเดี๋ยวพอไปเขาชี้โอ้นี่อาจารย์คะมีอะไรจะให้ทําเพิ่มไหมคะอาจารย์เพราะว่าเอากฎไปด้วยการเอากฎไปด้วยถ้าผลไม่ตรงจะปัดกฎก็เราต้องคนคิดเท่านั้นจะให้เราบอกทุกข้าวยากข้าวนี้ยปฏิบัติเนีมันก็ต้องต้องรู้ต้องรู้แล้วว่าต้องทําอะไรมากั้องทอะไรค่ะเดี๋ยวทําแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวมาเรียนพระอาจารย์อะไรที่เรายังกลัวอยู่เราก็ต้องจัดการแก้ไขใช่ไหมให้มันกลัว แต่ความกลัวนีค่ะพระอาจารย์รู้สึกเลยว่ามันโล่งไปเลยเพราะว่าตั้งแต่เคยที่เดียนพระอาจารย์เนี่ยพอมันเข้าใจตรงเนี้ยมันมันโล่งแล้วก็พยายามดูนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวก็จะไปดูอีกว่ามันมันเหมือนแบบมันมันเบาสบายแล้วมันโล่งก็พยายามดูอยู่พระอาจารย์เพราะจะไม่รีบสรุปแต่ว่าพยายามดูตลอดเลยว่าความความกลัวแล้วก็แล้วก็เรื่องของวิทยานาก็ก็แบบมันก็ปล่อยไปแบบมันพอเข้าใจอะพระอาจารย์แต่ว่าพยายามพยายามดูต่อพระอาจารย์ไม่อยากรีบสรุปนะคะ ดูตัวทุกข์ดูตัวกิเลนทุกข์ก็เปล่ปกก า, ก, า<ด>กิเลสมันพผก่ขึ้นมาหรือเปล่าค่ะได้ค่ะดิฉันไปทำก่อนแล้วมารายงานค่ะพระอาจารย์แทขึ้นอ้อมต่อจากบอวินชวนบุเรนน่ามาสการ์ค่ะไม่มีคำถามค่ะมีกำหนดมีวันกำหนดไปสู้กับความป่วยมาก ยังไม่มีของเดือนนี้กำหนดการยังไม่ออกมาค่ะยังไม่ออกมาค่ะเดี๋ยวออกแล้วจะรายงานนะคะโอเคได้ค่ะอยู่ที่บ้านก็ต้องปฏิบัตินะอย่าทิ้งนะค่ะอาทิตย์นี้ไปอุดรค่ะพระอาจารย์ค่ะไปเยี่ยมบ้านเนี่ค่ะบ้านแฟนค่ะค่ะค่ะที่อยู่สามวันนี่เลย อ่าใช่ค่ะไปพรุ่งนี้ค่ะกับบันาทิตย์ค่ะเอาไปเจออดีตพัชชันในช่วงนี้ค่ะค่ะก็เจริญสติเหมือนที่อาจารย์สอนค่ะการลดระวางในช่วงี้ออกมันตอบอยงนค่ะอาทิตย์ก่อนก็เจอเรื่องไม่คาดคิดแต่ว่าก็ใช้ไตลักษ์เหมือนที่อาจารย์เคยบอกมาว่ามันเป็นอนิจจังค่ะ ค่ะก็เปิดวางได้ค่ะก็ใช้สติระมัดระวังเดินทางก็อย่าดีบร้อนนะค่ะค่ะโอเคค่ขอบคุณคะคุณเดกเชียงรายการรวมวสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสรายงานผลการปฏิบัติในวันพระที่ถือในสันชิกที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็นั่งได้นานขึ้นพระอาจารย์เริ่มนั่งก็เจ็ดมงสี่สิบ มันถึงกระทั่งสเกตโมงยี่สิบครับะอาจารย์ก็อยู่กับเวทนาได้ได้ที่พระอาจารย์เ ว, เวลามันเจ็ดจิตมันก็จิตมันก็ห่องอิติปิโสไปเองเลยครับอาจารย์เขาห้องของเขาเองไปเลยก็ดูดูนไปก็กเวทนาก็อยู่ไปครับอ่า อ, อยู่กับมันได้ถ้าเรามีโมเมงขาถ้าเรามีสติครับผม ก็ถือว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่นั่งได้เกือบสี่ชั่วโมงครับพระอาจารย์อืครับผมก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์แล้วก็ช่วงก็ช่วงเย็นก็ปฏิบัติเพิ่มมานั่งเกือบสองชั่วโมงนะครับะอาจารย์ทุกคื็พยายามจะนั่งให้ให้มากกว่านนะครับะอาจารย์ครับผมได้ครับตอนนี้หัดฝึกสมาธิให้นั่งมากขึ้นครับผมครับผมเอาเปรคไลให้มันแน่นให้มัน อยู่เข้าใจม า, มากๆนั้นต่อไปพิจารณาบัญญาติม <we> ันก็ปล่อยวางได้ครับผมครับผมกับผัวคุณพระอาจารย์นะครับแล้วก็ขอท่าขันพระอาจารย์แข็งแรครับผมคถึงเชิญครับคุณแดนอยู่ดอนนั้นเนี่ยคุณอ้างเขาต้องไปหาคุณแดนด้วยการรักการค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเค ยู่แบบนี้นโมนโมยู่ที่ไหนอยู่เทือกใชไหนโมนิมสการครับอาจารย์ผมอยู่กรุงเทพค่ะโรงเรียนเปิดหรือยังอ่ายังค่ะพอาจารย์โรงเรียนเปิดวันที่สิบห้าครับ อ, อธิษฐานวันจันทร์หน้านะใช่ครับวันจันทร์หน้าค่ะขึ้นชั้นไหนนะขึ้นชั้นไหนปีนี้ขึ้นเยียไนล่ะครับเยียเก้าค่ะเยียเก้ามันมนโมนบ อ, บอังเกดนะ อ่าใช่ครับอาจารย์แลก็บางทีแล้วก็วันนี้ผมมาส่งการบ้านแล้วก็มีคําถามมาถามอาจารย์ครับการบ้านก็คือการกลับไปฝึกปฏิบัติเจริญสติให้ต่อเนื่องครับอาจารย์ก็พยายามครับอาจารย์แม้ว่าจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทําต่อไปครับอาจารย์แต่ว่าปัญหาหนึ่งที่มันนึกขึ้นได้ก็คือ เพราะว่าตอนบวชเนี่ยเรามัวแต่เหมือนแบบดูลมหายใจหรือดูแบบพุทธานุสติอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จนเราลืมบางอย่างไปก็คือเรื่องกระดูกคับพระอาจารย์ mm hmm. และคราวนี้พอกลับมาบ้านก็นึกขึ้นได้ว่าอา้าวพระอาจารย์สั่งกันบ้านไว้ไม่ได้ทำเลย mm hmm. ก็เลยคราวนี้ก็เลยมาลองฝึกดูครับปรากฏว่ามันนึกโครงกระดูกไม่ออกคับพระอาจารย์ mm hmm. ตอนนี้ก็เลยต้องมานั่งเปิดเท็กซบุ๊กดูกระดูกใหม่ครับอาจารย์แล้วก็หลับตานึกถึงภาพ น, นั้นให้มันอยู่ในใจครับอาจารย์ก็พยายามทำครับลืมจริงๆเพราะว่าตอนไปปฏิบัติก็เขาก็ให้ทำตามหลักสูตร ท, ที่ที่ไปครับก็เมันเขาเขาไม่ได้กลับพูดถึงเราก็เลยลืมไปเลยครับอาจารย์แล้วก็เรื่องของ ผมก็พยายามเข้าไปฟังเทศค่ะพระอาจารย์เข้า youtube เข้าอะไรพวกนี้ไปฟังเทศแต่ปัญหามันก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมครับพระอาจารย์ก็คือพอเข้าไปแล้วฟังเทศได้ประมาณเหมือนยี่สบสามสิบนาทีหรือบางทีฟังจนจบแล้วอะค่ะพระอาจารย์เราก็เหมือนเออเราจะปิดไปปฏิบัติต่อแล้วแต่มันก็จะเจอเองตรงคลิปวิดีโอด้านข้างครับที่มันดูน่าสนใจ แล้วก็เหมือนแบบเราก็จะเผลอกดเข้าไปดูอะไรเงรรี้ยค่ะพอาจารย์ก็พยายามอยู่ครับนึกถึงคําสอนพระอาจารย์บางทีก็ไม่กดเข้าไปดูครับหรือติดเครื่องไปเลยครับเออต้อเด็ดเดียวเพราะว่ามันเป็นเป็นยาเสพติดอยู่ว่าติดแล้วก็ไม่มีอะไรนีแต่ครับเพลิดเพลินชื่อขา่าวแต่ไม่ได้สาระ ส, สติก็หายไปไปกับการดูใจก็ล อ, อยไปอย่างนี้ ชื่อมาปฏิบัติต่อได้ป่ะมานั่งสมาธิแทนได้ป่ะเก่แล้วก็หลับตารูพรกองคหายใจเข้าออกแทนต้องเสืองถ้าไม่เฝืองมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ต้องพยายามอยู่ค่ะต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดกานัาปฏิบัติธรรมต้องเด็ดขาดอ้อยอีกแล้วก็ยอนมันทุกเทียขอบพระจ้า ันไม่เป็นไรนะเคนเดียวเดี๋ยว <c oughs> เดียวไปยาวเลยใั่เลยครับอาจารย์อันนี้ตัวผมเลยคระบอเราดูอพอพอเทพจบป๊าปิดเลยอ <c oughs> ปฏิบัติต่อครับอาจารย์ได้ครับเราดูจะทาได้ไหครับอาจารย์เดี๋ยวเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยครับเอ <c oughs> คืนนี้เลยครับโอเค แล้วก็พระอาจารย์ครับมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมว่าผมยังทําไม่ได้ก็คือการเหมือนแบบบริจาคของอะไรองี้ครับเพราะมันเหมือนแบบผมยังยึดติดอยู่ว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนของเราอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนเสียดายครับพอพอเห็นของอันนี้มันก็จะนึกถึงเหมือนแบบว่าการที่เราเคยใช้มันในอดีตนะครับแล้วคือมันก็จะเกิดความรู้สึกแบบเสียดายขึ้นมาไม่อยากจะให้เรามันก็เหมือน คือเราอยากทําทานครับอาจารย์แต่ว่ามันเสียดายก็เลยสุดท้ายก็ก็บางอันก็ไม่ได้ให้อย่างเงี้ยครับพระอาจารย์เราก็ต้องคิดคิดถึงคิดถึงคนถ้าเราเป็นคนที่รับของอย่างเราเนียเราจะต้องเสกไงอ่าเขาไม่มีเขาไม่มีของอันนี้เราให้เขาไปแล้วเขาได้รับประโยชน์เขาได้เอาไปใช้มีประโยชน์กับตัวขเขา แต่อยู่กับเรามันไม่มีประโยชน์อะไรเราเพียงแต่เสียดายของมันเราก็ไม่ได้ใช้มันใหคิดไปคิดนุ่กับคิดว่าถ้าเราเกิดเราเป็นผู้รับบ้างจะเป็นยังไเวลาเราไม่มีอะไรเลยแล้วมีคนเข้าให้ของเรามาใช้เราจะรู้สึกังไงรู้สึกดีใจในชะ่้หมเรไม่อยาให้คนอื่ดีใจไม่อยากจะเป็นซนะันตะครอสแบบ <c oughs> มันก็ต้องอรอคริสต์มาสครับอาจารย์โอย่เลยต้องซานตาคลอสถ้าต้องซานตาคลอสทุกวันมีให้ครัอบอาจารย์จนกไม่มไรยกจะให้แล้วถึงยังไม่ต้องเป็นซานตาคลอสใครเอายังมีของให้ต้องให้ไปให้หมดนี่เป็นข้อสอบัง ไ, ได้กระทานครับอาจารย์ได้ครับรลองไปสำรวจดงของนอะไรที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้เก็บกากกับ้านล้วไปสังเกตดูว่าคนไหน เขาไม่มีก็ให้เขาไปคือเวลาให้ก็ต้องทาร์เก็ตต้องหาทาร์เก็ตเช่นบางอยากจะให้ใครก็ให้ไปบางทีให้คนที่เขาไม่ต้องการมันก็ไม่ได้ประโยชน์หรือคนที่เข้าขาด<ม>เข้าต้องการก็ให้เขาไปแล้ว้อมเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็มีความสุขก็ดีใจอันนี้แหละมันจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเก็บของเอ า, วาอไว้เราไปแล้วยาไม่อยากจะเก็บของเอาไวา้เลยพอเก็บไว้เราไม่ได้มีความสุขเลยไม่แต่ความหวง มีแต่คามเสียไดไายเราตัดสินใจได้เอาไปให้เขาแล้วเขาได้ประโยชน์เขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาทอไปเราจะไม่อยากะจะสะสมไม่อยากจะเก็บอะไรไว้เพราะว่าพระอาจารย์ครับคือผมเป็นคนที่เหมือนแบบชอบแบบสะสมของครับแล้วก็ชอบดูรายการที่เขาแบบ เป็นนักสะสมที่สะสมของเก่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนสัยมาการสะสมไม่ดีเป็นการสะสมเป็นกิเลสนะครับแล้วทําให้เราต้องมาดูแลรักษามันแค่ไหนต้องต้องคอยกังวลต้องโผลต้องโผม่ทาให้ใจเราไม่ไม่ว่างไม่เย็นไม่สบายพาให้เป็นวนแล้วใจว่างใจเย็นใจสบายไม่มีอะไรต้องโผม่ไม่มีอะไรต้องกังวล อาจารย์ลองทําดูเลยได้ครับอาจารย์เดี๋ยวเริ่มหาเลยครับเออหาเพื่อนถ้ามีขออะไรที่เราซ้ําซ้อนมีมากเกินจำเป็นก็อยากเก็บเอาไว้แต่อะไรที่จําเป็นก็ต้องเก็บก็เก็บมันไม่ไม่ว่ากันแต่ย่าไปคิดว่าไอ้นี่ก็จําเป็นนี่นั่นกับจำเป็นแต่ไม่ได้ใช้เลยถ้ามันจําเป็นต้องทำถ้ามันจําเป็นต้องเอามาใช้ถึงเรียกว่าจําเป็น ได้ครัพระอาจารย์จะกลับไปปฏิบัติครับกับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะอคุณตายปณิตาคุณตายจากพัทยาเป็นยังไงร้องคำพิธารพระอาจารย์ค่ะนั่งฟังคำแล้วก็ทำสมาธิอยู่ครับพระอาจารย์ขาฉาบขาบ้างเลยนั่งไม่ขยับเลยไม่ไม่ขยับเลยเลยไม่ไม่ได้ขยับนะคะเข้ามาแล้วก็ฟังสัก อันหนึ่งแล้วก็นั่งเข้าไปอะคะ่ะก็ดีนะเพลินเพลินดีเหมือนกันทั้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็เจ็บมากเมื่อกี้ก็ยังฝังว่าเอ๊ะจะถึงคิวแล้วตอนไหนจะทนไหวไหมจะเพราะว่ามันชาชาไม่ิตทำไไม่ใช้คำบริกรรมใช้พูดโธพูดโธรไปก็เนี่ยค่ะจะถามอาจารย์ว่าเราจะทํำยังไงก็คือหูก็ฟังแล้วก็ถ้าถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินก็ต้องหยุดฟังแล้วก็ใช้พูดโธรเอามากแก้ เลยละค่ะก็คือเพราะว่าสติก็เริ่มไม่อยู่แล้วฟังก็จะไม่รู้เรื่องเพราะว่าสติสติจ <ๆ S 2> ะหมดแล้วต้องเรียนใช้พุทโธแล้วใช้สวดอิ ป, ปิคุโสไปช่วยเดึงสติทำ ม, มาอ๋อค่ะโชคดีน้องโนโมจบแล้วเสร็จคิว ห, <laughs> หนูได้เนี่ยตอนนี้ยังขาดสมาธิอยู่เลยคะ่ะเพราะฉันยังยังย่อข่าออกจากกันไม่ได้เลยค่ะขาต่อไปถ้ายังไม่ถึงคิวก็สวดพุทโธไปสวดอิปิคุโสไปไม่ต้องฟัง แน้วเราก็ไม่ได้เราก็จะไม่ได้ยินของพระอาจารย์เสียคะฟังก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอยู่แล้วตอนนั่นมันอยากจะมั น, นกังวลยกความเจ็บนี่เดียวไปฟังแต่ถ้ามันฟังจริงแบบจดจ่อจริงจริมันจะไม่รู้จักมันจะไม่สนใจกับอ า, าการเจ็บเลยออค่ะเหมือนเวลาเราดูหนังเนี่ยบางทีปวดฉี่ยังยังทนได้ดูหนังต่อได้เลยใช่ไหมค่ะ ค่ะถ้าสัวชาวถ้าฟังทำอยู่ก็ให้เปลี่ยนคทำบริการเป็นพุทโธเลยนะคะห ร, ห, รหรือไม่งั้นต้องฟังฟังทำแบบสนใจจริงๆไม่ไม่สนใจกับอาการเจ็บปวดเลยมันขึ้นมามันไม่ไหวนะคะไม่ไหววก็จะใช้พุทโธพุทโธหยุดฟังชั่วคราวเปลี่ยนมาเป็นพุทโธพุทโธค่ะอาจารย์คะ่ะก็พยายามทําทุกคืนค่ะวันไหนขี้เกยียจก็ก็ต้องกัดฟั น, นละนะุกคึ้นแล้วต้องนั่งก่อนนอนอะไร ฝืนไปฝืนทําไปเรื่อยๆต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเลยได้มากบ้างน้อยบ้างค่ะอาจารย์ทำไปพยายามดียวค่ะอย่าหยุดอย่าเริ่มพยายามทําให้มันเป็นตารางเป็นเป็นนิสัยแต่มันยากนะคะอาจารย์เพราะว่ายังไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยยังไม่ตกลุมตกบ่อเลยค่ะอ๋อยังไม่ได้ขนาดนั่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าก็เก่งแล้วใช่ไหมค่ะ ค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะบางคนนั่งฟังทำไม่ได้นั่งค้า้านาทีก็ไปแล้วเริม <c oughs> แสดงเราก็มีสติในระดับหนึ่ะที่สามารถนั่งฟังทำได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ ะ, ะคุณคันชินเชิญ อ, อยู่ที่ไหนคุณคันชิตจำไม่ได้ ใต้หวันกรับ่าอาจารย์ใต้หวันเน่ครับอ่าวันนี้ เ, นเข้า <ไง S 2> ม า, าร่วมฟังธรรมอันนี้เขาซ้ำลอบเปไนใหญ่ถึงใต้เยห้หครับเขามาจอดรถทางรถอะไรกันโอเคยกนดีาธาไปเรบ่องท่านต่อไปนะคือตอนเทีนี่ไหน่อนเทศ ไปไปไปดได้เลยสวัสดีครับกราบนรรมสการครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่อยู่อุธยาครับมีอะไรไหมมีวันนี้มีสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับมามีคำถามมาถามพระอาจารย์ครับก็คือปฏิบัตินั่งสมาธิถึงเหลือแค่ตัวรู้ครับทุกอย่างดับรอบหมดเลยครับลมหายใจหายมีแค่ตัวรู้ตัวเดียว แล้แ<ต>แ<น>วแด้มันรุด<น>ไปอย่างนั้นไปให้มันอยู่ด้านนั่นก็คือผมจะถามว่าเราควรรักษาระดับนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับทำให้มันชํานาญให้มันเข้าตัวคการที่นั่งให้มันเข้าได้ถึงถึงจุดนี้ได้ออืทําให้มันชํานาญเถิดไปเรื่อยๆถ้ามันมีอยู่เบรคขาเยอะๆเวลาออกมาจากสมาธิเวลาได้ยินเสนียงหนาเฉยได้ เวาเห็นอนะที่ไม่ถูกใจไม่ใชยได้อุเบกขามีมาบ้างไม่มาบ้างครับไม่ทุกครั้งครับพระาอาจารย์ก็ยังน้อยไงต้องนั่ง ส, สมาธิใหม่ๆนัๆ่งสมาธิมากๆแล้วเราก็จะมีติดอยู่ในใจมากขึ้นมากขึ้นมเรื่อยๆนะทำกันยังไงครับผกราบขอบพรบคุณพระอาจารย์ครั บ, บนะทุกแม่ชีแม่เมลไม่ชีแม่เมลยู่ แถวตะเคียนเตียเต้ยเลยว่ะกับน้ำมาสการพาราจานค่ะค่ะแถาตะเคียนเตี้ยค่ะพารจากแถวนาวังค่ะบ <Okay. S 2> างคนทำกระลกเย็ดนาวังไม่มีคําถามไม่มีคําถามค่ะมาเล่นมาเล่นแบบใหนไหมแบบดีเดียวป่ะอยู่ครับหลวงพ่ออยู่ครับได้ยินไหมครับได้ยินก็ อ, อยู่ในรถครับวันนี้ออกมาข้าง น, นอกก็ การนมันการหลวงพ่อเขาอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าก็วันอาทิตย์นี้ก็ตั้งใจเข้าครับแตมีคําถามคือเออหางซุกิโตโหมินิทุโขโฮมิอเวโรโหมิส่วนตรงนี้จะทําไงให้มันเต็มบริบูรณ์นะครับหลวงพ่อก็ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปแล้วมันก็สุมันก็มันก็ยังมีความสุขตลอดเวลาอ๋อใช้การปฏิบัติธรรมมคื อ, ค, อคือการมีเมตตาตัวเองคือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับถูกต้อง เมตตาตอนก่อนแล้วเข้าไปเมตตาคนนึงถ้าเราไม่มีความชมขเรจะไปแ บ, บป่งันควาสุขให้กับคนอื่ได้ยังไงครับก็ก็บางทีรู้สึกเอ๊ะบางทีเราแบบอารมณ์ก็กพยายามควบคุมแบบเวลาเจอโวมเศร้าหมองโกรธเศร้าอ่อนเพลียอย่างนี้หลวงพ่อก็ให้พุทโธพุทโธไป <c oughs> ผ, มผมสังเกตรอารมณ์โกรธกับอารมณ์เศร้ามันต่างกันอย่างหนึ่งคือโกรธแล้วมันแบบอยากปะทะอยาก พยายออกไปแต่อารมณ์เศร้าปั๊บมันหงอยอยากนอนติดหมอนอะไรอย่างเงี้ย น, นะครับหลวงพอ่ออารมณ์เศร้านี่นนคืออารมณ์เศร้านี่มันมันผสมด้วยอะไรมันคือราคะหรือตรงส่วนไหนครับหลวงพอ่อไม่ต้องไปสนใจมนะันเพรามันไม่ดีก็แล้วกันหยดีให้พุดโธหยุดไปเลยไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปเปจนใจนานโอเคมันเป็นคอละขั่วกันก่ธอนรมอารมณ์โกรธก็อยากจะชนเนาอารมณ์เศร้าก็อด ถอยกัวครับก็มันมจิตไม่แข็งแกรงมาแข็มาใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการเห็นแบบคนที่ชอบทําบุญแต่แล้วผลบุญแบบนี้เช่นทาําทารทําสีพรวนาแล้วเขาเอาผลบุญแบบการเจริญชีวิตมาตอบสนองกิเลสในทางโลกอย่างนี้คือการผิดทางใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าทําตามกิเลสก็ผิดทางาทำํำตามกิเลสก็ผิดทางก็ เ, เหมือนแบบ แบบศึกษาทำมาแล้วยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุข ก, ก็ยิ่งไปสแสวงหาทางโลกอกีกผมก็งงๆแต่ก็นึงเรของคนเลื่องคนอื่นกันเรื่องของตัวเองก็ต้องเข้า<ม>ใจแล้วครับก็เด<อ>ี๋ยวแบบเขาจะตั้งใ จ, จเจริญสติอะไรให้มากขึ้นครับเออจะได้จะได้ไม่แกว่งไปแกว่งมาขอบขอบพระคุณครับหลวงพ่อกคนี้ครับขอบคุณคุณลิศคะงานกลับไปบ้านแล้วเลย พี่ว่าสามคืนสองคืนสามคืนพรอาจารครับพระอาจารย์กลับมาแล้วครับก็อวันวันแรกที่ไปครับพระอาจารย์เป็นวันศุกร์ไปถึงช่วงเที่ยงแล้วพอตอนช่วงเย็นก็ลงไปช่วยหลวงพี่ตัดตัดต้นไม้ในทางระบายน้ําเก็บขยะกวาดอะไรเงี้ยครับแล้วพอกลับไปภาะนาแล้วมันปวดหลังนะ ปวดแขนปวดตัวอาจจะใช้กำลังเยอะแล้วก็ตอนนั่งก็เหมือนเวชนามาตรงด้านหลังเหมือนมีคนเอามีดมาแทงนะครับเจ็บเจ็บมากคืนแรกก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมีเวทนามาเยอะแล้วก็มีเรื่องอาหารด้วยครับเพราะว่าคืนแรกนี่ไม่ได้ทนันตั้งแต่สือถื อ, ถ, อถือสินแปมาเลยตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายก็ไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วมัน น้ำลายมันออกมาตลอดช่วงเย็นๆนะครับเหมือนแบบมันเคยก็เลยคืนแรกก็ไม่ค่อยดีครับอาจารย์ต้องดึกๆพอหลับไปแล้วประมาณตีตีสองลุกขึ้นมานั่งก็เออเริ่มสงบนะครับอือตีสองก็เริ่มสงบขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ตอนนี้เ น, น, น, นื้ที่มันต้องปับตัวนะครับต้องปรับตัวใช่ครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านก็จะไปิ่งเริ่มพยายามลดมื้อเย็นแล้วก็จะทานให้น้อยลงหรือว่าบางทีจะไม่ทานเลยนะครับออไม่จำเป็นต้องกินมากครับก็รู้สึกว่าพอไม่ได้ทานแล้วมันเบามันดีภาวนาดีครับแล้วก็มีวันที่สองที่สามที่เดินลงเขาครับพระอาจารย์ก็คราวนี้อยู่อยู่แค่เจ็ดพอเดินลงมาตอนลงบันไดก็จะใช้ไฟฉายนิดนึงแต่พอเดินลงจากเขาเนี่ยก็จะปิดไฟฉาย ไม่ไม่เปิดเลยจนลงมาถึงวัดเลยครับ <Okay. S 1> เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปปฏิบัติคราวนั้นไปช่วยหลวงพี่กว่าถนนทางลงแล้วมันเจอตะขาบตัวใหญ่มากหลวงพี่ตกใจหันมามองหน้าเราแต่อยู่ระยะไกลครับจะเห็นแบบตัวเอ็นฟุตเลยครับแล้วขายาวมากมันมันก็ ม, น ม, นมีครั้งนี้ไปแล้วมันเหมือนมันมีภาพแว็บขึ้นมา มนเหมือนมันจะกลัวๆข้างในแต่เราก็ยังใจสู้แบบไม่เปิดไฟแล้วก็เดินลงไปลุยไปเลยครับ อ, อาศัยแสงท้องฟ้าแล้วก็คิดว่าเออไม่เป็นไรถ้ามันเหยียบมันก็เหยียบก็ชั่งมันอย่างเงี้ยแต่ใจลึกๆมันยังรู้สึกมีกลัวอยู่ในหน่อยมันยังไม่หมดครับพอาจารย์ครับก็อันนี้อันหนึง่งนีกอนนี้เลย ก็อันสุดท้ายวันสุดท้ายก็ได้ลงไปฟังพระอาจารย์เทศนะครับ mm hmm. ก็วันที่สองที่สามนี่นั่งเราสงบขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆดีรู้สึกดีมากเลยครับจนตอนลงไปฟังเทศพระอาจารย์ก็เหมือนเหมือนแบบเราพอจะสงบแล้วก็ได้มาฟังเรื่องของร่างกายธาตุสี่อ่เป็นธรรมชาติพวกนี้ก็เลยรู้สึกอเออดีครับ พระอาจารย์มันพอดีเลยครับมันรู้สึกเลยเข้าใจเดีวาอยู่บ้านนะเดวลับมามาเหมือนได้มามาชั่นแบบเนี้ยครับจะหาเวลาไปบ่อยๆครับพระอาจารย์ก็สุดท้ายอยากจะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยครับที่ให้ชี้ทางให้เพราะว่าจริงๆผมก็นั่งย้อนนึกกลับไป จริงๆก็ชอบนั่งสมาธิตั้งแต่ตอนเจ็ดแปดขวบครับเทะ้นนั้นคุณแม่พาไปสาลเจ้าเขาเข้าทรงอะไรกันแต่พอตกเย็นเราเราได้ไปพักอยู่ที่สาลเจ้าด้วยก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็ชอบแต่ไม่รู้ทางว่าจะไปไจนมาพบพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์สอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับแล้วรู้สึกมันเข้าถึงได้จริงครับหลังจากปฏิบัติกข็ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยครับ โอเคอ่ายินดียินดีทินทีดได้รับใช้โอเคคุณผ่านทารเขาอ่าคนเก่ดบัณฑิตมันการไม่มีเวลาคุยกันมันไม่ใช่เวลาคุยคุยตอนนี้ยังไมคุยเลยนที่เลยตอนนี้ก็ขอเขาขอมาด้วยครับว่าวันจันทร์ไม่ทราบว่าเอ่อพี่ที่สาระอ่า วันนั้นจะจะจะถามพ่อาจาันครับที่พ่อจาย์เคยที่ในช่วงภาคภาษาอังกฤษครับแล้วที่พ่อจาย์เคยตอบน้องเอ่อน้องเนี่ยจัดจิดตนะครับอืมอ่าเรื่องวิจิติครับเรื่องวิสเบิลมนครับเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความใ ห, ให้ให้ฟังด้วยก็จริตมันไม่มีรูปล่างเลมันก็ไม่เหมือนมนุษย์ร่างมนอีย์จิตกับร่างการเป็นฟ้าแฝง จิตเป็นเป็นเป็นมนุษย์น่องเหมนที่เกาะติดอยู่กับร่างกายเนื่องจากไม่มีมันไม่มีรูปร่างหน้าตามัมนก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวมันแทนเหมือที่อาจารย์บอกว่าเป็นธาตุรู้ใช่ไหมครับอ่าเป็นธาตุรู้เนี้วเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยตัวจิตเนี่ยเป็ธาตุรู้รมันมาเกาะติดกับธาตุสีดนน้ำลมไคือร่างกาย แล้วก็ใช้ร่างกายสั่งให้ร่างกายเนี้บางอย่ยตอนนี้ร่างกายพูดเนี่ยแต่ตัวร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวสั่งให้ร่างกายพูตัวสั่งก็คือตัวท่าตุนี้สั่งผ่านทางความคิดนสองตัวนี้เป็นคนละครกันไ ง, ไง่ายๆใจเป็นนายกายเป็นบา่าวธาตุนุ่มเป็นนายธาตุเลน้านำลมไฟเป็นบา่าว รับคำสั่งจากจากจาท่านรู้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาพอาท่าสี่แตกมันก็มันก็แยกกันไปในคนลาทิศกระล้าทางหน่อมท่ า, กกาท่ารู้ก็ไปไปชาท่าสี่ใหมอีกอีกรอบหนึ่งใครเรื่อนก้อยดนตรีไหมสมัยเด็กๆมีไหมครับ มีเล่นเก้าอี้ดนตรีให้นํ่เก้าอีก้กันแล้วพอดนตีเริ่มเริ่มเล่นเราก็เดินล่อเปลี่ยนเี่ยนเก้าอี้ใช่ไอพอดนตรีหยุดปับ๊บเราก็เอาเก้าอี้ที่ใกล้ที่สุดมด้นอันนี้ก็เหมือนกันผู้รู้ก็เหมือนเหมือนเป็นผู้เป็นเล่นเก้าอ้ดนตรี พอร่างกายตายไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปแล้วมันไปหาต้ออนตัวใหม่นั่งพอร่างกายที่ตายไปมันก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อก่อนจะได้ร่างกายใหม่มันก็สุขทุกไปกับบุญกับบาปที่มันทำอยู่เหมือนเหมือ น, นช่วงเดินทางจากร่างกายนี้ไปร่างกายหนึ่จงจิตใจมันก็จะมีสภาพสุขมึนตามบุญตามบาปไป หายใจไหมหายใจครับใจมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปหน้ามันมีมันมันไม่มันไม่เห็นตัวมันเองนั่นแหละไป็นมาว่าร่างกายที่มันติดอยู่อยู่างนี้เป็นตัวมันเอมันก็ไปยืดติงนับหัวง่วงแล้วก็ทุกไปกับมันเวลาร่างกายมีอะไรแต่ถ้ารู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายอะไรกับร่างกายมันก็จะได้หายห่วงหายทุกข์ได้ จี่ต้องแยกใจด้วยการนั่งสามาธินั่งสมาธิจิตดวงใจกับร่างกายแล้วมือนก็แยกทางกันชั่วคราวรและตอนนั้นก็จะรู้ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายที่เราลุกทุกกับร่างกายเพราะว่าอุปทานขันห้าถูกไหมครับอาจารย์บางหลงเนี่ยบางหลงไม่คิดว่าเปตัวเราออ พอดีว่าได้อ่านจากหนังสือพุทธรรมมาข้อหนึ่งครับเหมือนที่กำลังลองศึกษาก็คือตัวเวทนามันจะเป็นขันหนึ่งในขันท่านท่าถูกถูกไหมอาจารย์ก็คือเวทนามันก็จะเกิดเหมือนพระรุธเจ้าที่เดินทางก็ยังยู่ทุกข์หายน้ำถูกไหมครับแต่ว่าจิตท่านจะไม่กังวลทุกข์ในอริยสัจอาจารย์ยัง้าจครับ แลื่อาต้องต้องทําให้ตัวรู้เป็นตัวรู้เฉยๆอย่ยไปอี่ยเป็นเนเดือดอนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเป็นเราเป็นของเราเพราะถ้าถ้าไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ค่อยเดือดร้อนใช่ไหมลูกคนเดือดร้อนเดือดร้อนนะพอเป็นลูกตัวเองพอพอไม่ว่าพอไปว่าเป็นลูกตัวอะไรก็เดือดร้อนได้มามันก็ไม่ใช่ลูกของเรามันก็เป็นลูกของธาตุสี่ มันรูของร่างกายร่างกายมันก็ไม่ใช่เราจะมองยากครับพระอาจ <c oughs> ารย์ก็ต้องสอนไปเรื่อยอสอนไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแล้วก็ฝึกสมาธิไย ม, มันน้อง ม, มันมันนองเห็นจิตว่ามันไม่ได้เป็นร่างกายด้วยนะแต่ก็เหมือนโชคดีครับที่ได้รู้จักทำ ม, มาจากพระอาจารย์ครับรู้สึกเหมือนเปลือกมันออกไปเยอะครับก็เลยจะเอาสิ่งที่ได้เรียนหลวงพระอาจารย์ไปสอนลูกอีกทีนึงครับ แต่ด้ไม่ต้องไปหลงทางเยอะเหมือนตัวเองในอดีตครับพระอาจานขอถามหน่อยครับพอดีวันนั้นที่ไปทําตักบาดเมื่อวันกัอนครับเห็นเด็กเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เองต่อเก้าอี้ครับผมเี่ยอยากทราบว่าเอน้องเขาสวดอะไรหรือเปล่าครับสวดจะได้มาสอนลูกบ้างครับเด็กคนนี้เขาอาจารย์แมเขาพามาแสาบาตทั้งใ่ในทองทุกวัน ก็ข้อดาก็ข้อคอยมาก็พามาในบานแลาเขาก็ผุกพันยาเราล้วก็สอนเขาตอนอนี้ตอนตอนตอนนี้ก็สายเขาสวดบทแผนเมตา ส, สัตยตาสอนให้เขาสวดสี่ห้าคำแปลด้วยแล้วก็สอนให้เขาบงคนละสูวรข้อแรก ถามข้อแรก น, นี่นะสอนหลายอย่พอดีเขาเรียนอินเตอร์ภาษาไทยมันก็โดนแรให้เขาสอนสอนภาษาไทายเขาทำกไก่เขาไก่ <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> น้องคข้าครัวเขาน่ารักมากน้องเข้ามาใส่บาททุกวันแล้วก็มุหลายปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ลูกเขายังไม่เกิด ตอนนี้เขากีีดขวบแล้วครับนอ้นองน่าจะเจ็ดคนแล้วเดี๋ยววันวันที่สิบ้านี้ก็ครบเจนะ็ดคนแโอ้โหโชคดีทำทาบุญตั้งแต่อยู่ในท้องเลยครับครับอขอคำถามสุดท้ายพระใจายครับอรดีว่ามีเมื่อเร็วๆนี้มีอ่าอ่อาราชการที่สิตท่านถวายผ้ า, น, าน่าจะเป็นผ้าอน้ำฝนมาให้หลวงปู่เชอรี่ที่วัดป่าดําดตาตดครับออผอาจาร์ทันท่านใช่ไหยครับ ท่านท่านก็อยู่ในทัานตอานที่อยู่บ้านตาอยู่ในท่านก็คือเป็นพักฝั่งที่มาบวชที่บ้านตาเลยใช่ไหมครับออบวชที่วัดปอวัแล้วก็ไปอยู่บ้านตาที่วัดป่าบ้านตาไม่มีการบวชต้องไปบวชที่อื่นมาอเหมือนมันมันพระจารเลยใช่ไหมครับที่บวชที่วัดปอวัแล้วก็ทอดไปที่นู่นครับได้ฟังธรรมของท่านแล้วบอกท่านก็เด็ดเท่เลยสะดกมากท่านไกลกันเรท่านไกลกันเราสิบพันศา อันนี้เรา47ท่านก็57ท่านนี่เขาพรรษาที่58ท่านเป็นชาวอเมริกันแคนาดาลุกขึ้นแม่ท่านเป็นเศรษฐีตั้งใจคิดเสือกกลับไปแม่ชวนให้กลับไปเอาสมบัติตรงหลายครั้งแล้วก็สองจิตสองใจคิดจะเสะื็จอยู่หายหนไอนทีุ่สตัดสินใจไม่เอาดีกป่ามีอยู่กับลงตาต้องมีความว่าใคกลับไปหาสมบัติแค่ไหนไม่ไป อยู่ในกรงทองเหมือนพระอาจารย์ใช่ไหมครับท่านก็อยู่แบบท่านก็ทรมาร์ตัวเ อ, อยู่เลยท่านไม่ไม่ฉันข้าวอดข้าวใช่ไหมไม่ลดน้ำหนักไม่ อ, แบบอดอแบบใช่ไหมใช่ครับนใช่อ่านก็เหมือนท่านก็ยังอดอยู่คแรบบับแต่แ ต, แต่แต่ก็ท่านพร้อมแล้วก็แต่ก็ดูแข็งแรงอยู่ครับพระอาจารย์พอดีวันนี้มีใครไม่ทราบไปโพสต์รูปเรากับภาพฝรั่งรูปหนึ่งแล้วเขาไปคิดว่าเป็นท่าน ท่านอาจารย์เชอรี่ไม่ใช่นะเนั้นไม่ใช่เป็นท่านเชอรี่ใช่ครับธา ม, มาบนเขาก็วงเงโพธิ์พูดแจ้งให้ทราบไปเถเขาจะได้ยินจะได้แก้ไขได้อันนี้ช่านชื่อจอร์นเป็นชาวแคนาดารู้สึกท่านเสกไปแล้วท่านเสกไปหลายนะทีท่านเคยไปอยู่กับหองตู่ลามาก่อนอหลังจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงตาพระโแล้วเ ร, เราก็เจอท่านที่นั้น วันพอดีมีโอกาสได้ถ่ายรูปวันนั้นท่านไม่ทราบใครมาถ่าย่เืองไทยท่านชื่อท่านจอร์ไม่ใช่ท่านเชฉเ น, นี่พอท่านจอร์นใช่ไหมครับทีนี้ไม่ไม่ทราบคนที่ก็เอารูปไปลงเขาคิดว่าเป็นท่านเฉย อ, อาจารย์เฉยนี่เขาใส่ชื่อก็อาจารย์เฉยนี่พี่เจโตท่านก็ก็ก็ ชื่อสุดท้ายของแต่เราคล้ายๆกันชื่อวพี่เจโตแล้วชื่อว่าพี่ชาโตชั้นเจเราชาก อ, อกผมจะได้ช่วยไปแก้ข่าวครับอาจารย์มี้อกาสก็จะพูดไว้ได้ดไปแก้ ไ, ไ, ไ, ไขให้ถูกเนี้ยคนจะเข้าใจผิดได้ได้แล้วก็ที่อาจารย์บอก คือว่าคนคนจะมีคนฟังอะไรคนคงจะคงข้คามกด้วยวผมยังไม่เห็นรูปด้นเลยครับเดี๋ยวถ้าเห็นในวันนี้เปิดเฟซดูเข้ามาไม่รูปรูปนีอยู่ผมทำใหบนเขาเป็นมีคนโพสนะไรเ่อเดี๋ยวทีมงานกรจช่วยติดตามบอกให้โอครับใช่ครับก็จะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่อาจารย์บอกให้ปฏิบัติให้ลดจำมะพกก็จะปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์ ลดความอยากความอยาดเป็นตัวที่สร้างภพสร้างชาความอยากน้อยลงภพชาติก็น้อยหลงครับแล้วก็ส่วนเรื่อง <ยก S 2> งา น, นจิตอาสาก็จะทําอยู่อาศาจ ท, ท, ทำไป ท, ทำไปเป็นเทวะเป็นการทําบุญนะครับอย่างวันนี้ก็ไปนวดขาให้ใหลวงพ่อลงกดมาขาก็ท่านก็แข็งมากครับท่านเคยอุบัติเหตุแล้วก็เวลาบินาบาททิรย์เยอะท่านจะขาบวมครับ ในทางไปครับก็ขอชักแข็งแข็งแรงนะครับของอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์สายที่จออาจารย์ครับมาอยู่ขอแนแก่นะกลับนรรสการพระอาจารย์โต้ค่ะวันนี้อยู่สารคามาค่ะอาจารย์ค่ะมีสอนถึงเกือบทุ่มหนึ่งค่ะพระอาจารย์อตอนนี้นนเลย แต่กล่าวไม่เหมือนแม่เหมือนเดิมเคิดว่าเปิดที่เป็นห้องห้องโถงค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารุมเมดหนูไม่มีลุมเมดค่ะเพราะว่าห้องติดกัห้องคนที่เขาเสียชีวิตน่าจะไม่มีคนมาอยู่ดีโชคดีไปค่ะก็เลยมีเป็นห้องพระไปเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ห้องโถงเป็นห้องพระเพราะอีกห้องนึงก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่สิทธิ์ของเราค่ะเผื่อมีคนมาขออยู่ค่ะ พระอาจารย์คะอยากจะเรียนถามเรื่องของความฝันนิดนึงค่ะพระอาจารย์ว่าคนที่ปฏิบัติเยอะๆเขาจะฝันลดลงไหมคะพระอาจารย์ถ้าสมาธิเยอะก็จะฝันน้อยเพราะจิตเจิตสงบเลยก็จะไม่ฝันค่ะที่ถามพระอาจารย์เพราะว่าช่วงหลังๆทําไมเราเราฝันฝันเยอะฝันทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์แต่เป็นฝันดีมที่ไม่สงบที่ไม่สงบค่ะปฏิบัติแต่ ปฏิบัติตัจิตไม่ดวงจิตไม่แน่นอ๋อค่ะทีนี้สองวันก่อนหนูตื่นมาตีสามค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แล้วก็วก็หลับไปใหม่ประมาณตีห้าแล้วก็ฝันว่ามีผีเด็กมาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เขามาเล่นด้วยสักหน่อยพอเขาจะไปเขาสั่งค่ะพระอาจารย์บอกว่าอย่าลืมสวดมนต์ด้วยนะแล้วก็อ เราก็คิดในใจว่า อ, าอาโอเคในเราก็ตื่นมาค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเอ้เช้าวนี้ไม่สวดมนต์ประกันเดี๋ยวคืนนี้สวดมนต์เพราะปกติหนูไม่ค่อยสวมดมนต์ค่ะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็พอพอกลางคืนสวดมนต์แล้วก็นอนไม่ฝันเลยค่ะพระอาจารย์วันที่สองก็ไม่ฝันก็เลยแบบเอ้ยแปลกดีดการสรวดมนต์น่าจะช่วยช่วยเพราะการสวดมนต์ทำให้จิตสงบฝันอืมค่ะก็เลยบอก มีไปการสวดมนต์มีมีประโยชน์มากอย่างนี้นี่เองแบบว่าตื่นมาแล้วก็ก็ก็ดีค่ะอาจารย์แต่ก่อนแล้วก็ฝันฝันฝันแต่ว่าฝันดีก็เลยไม่ค่อยกังวลใจเลยเท่าไหร่แต่พอมาแบบนี้เอ๊ะไม่ฝันก็ดีก็ดีเนาะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เสน่หมากค่ะถ้าไม่ฝันก็จะนอนแบบเสน่หค่ะก็เลยคิดว่าต้องสวดมนต์ทุกวันก็เลยแบบเหมือนมีใครมาเตือนเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลออดีค่ะ อื่นๆก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ว่างานอาจจะเยอะจิดไม่ค่อยรวมแต่พยายามนั่งสมาธิทุกวันวันนี้วันนี้มีโครงการที่เขาให้แบบอาจารย์ทางนักจิตวิทยาเข้ามาอบรมสติบําบัดด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้าไปแจมหน่อยหนึ่งจริงๆเขาบอกไม่ให้เราเข้า<笑><笑>เราเขาบอกว่าเราแอดวานแล้วอย่ามาเราจะบอกว่าสอชั้นเข้าหน่อยเข้าหน่อยเป็นเพื่อนกันค่ะพระอาจารย์เขาก็มีให้ติกว่าอ คุณมีความคิดทางลบอะไรบ้างมีมากน้อยแค่ไหนพอเราอ่านปุ๊บไม่มีเลยก็เลยไม่มีเลยทําไงล้วก็ติก็ไม่มีแต่พออาจารย์ท่านอื่นเขาก็บอกมีทุกข้ออะไรเงี้ยล้วก็เออถ้าในสมัยก่อนเราน่าจะมีค่ะภระอาจารแต่ว่าปัจจุบันไม่มีเลยเราไม่ได้คิดลบกับตัวเองไม่ได้คิดลบกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีมีแต่เราไม่รู้เราอย่งทเนาะก็ยังไม่ออกมาใช่ไหมคะพระอาจารย์คิดการคิดอะไรเนี่แต่ว่าคิดลบท่านนั้นอะ อยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากอะไรนี้ก็คิดลบทั้งนั้นอ่ะอ่าอาจจะเป็นคําถามเขาไม่ถึงค่ะพระอาจารย์ของเขาไม่มีใช่ต้องไม่มีคําถามเก่ยกิเลสก็ไม่รู้จักกิเลสเป็นยังไงค่ะตัวกิเลสตัวร่างกากก่าอนที่สุดเราก็แต่จริงๆเรายังหลงอยู่เยอะเลยค่ะพระอาจารย์อยากจะได้ขั้นอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนี่ก็เป็นกิเลสคิดลบนะ แต่ทางโลกก็ทั้งโลกเพราะว่าเป็นการเชื่นบตัวเจริญเจ้าหน้าค่ะแต่ทางธรรมนี่เหมือนคำว่ามันเป็นการขัดแย้งักธรรมอืมค่ะเพราะว่าถ้าทางโลกเราก็ไม่มีแต่ถ้าทางธรรมเราก็มีเยอ ะ, อะ <laughs> ถใช่สิทางธรรมอาจจะทุกขอ้อค่ะพระอาจารย์ <laughs> เดีย๋ยก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่คะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ใช้ปัญญาสอนตัวเองบ้างเวลาที่มีอะไรเข้ามากระทบแล้วก็ อุเบกขากับเมตตาให้มากขึ้นอะไรย่างนี้ค่ะอาจารย์ดีดีมากโอเคไม่มีแล้วนะอารค่ะสาธุค่ะคุณลีตาคุณีจากสยชาชนบริจำเลมการพระอาจารย์ค่ะไม่มีคาถามค่ะอาจารย์ที่ะชาี่ชาี่การเป็นเมืองญี่ปุ่นเวลใช่เมืองเกาหลีญี่ปุ่นค่อาจารย์ค่ะ ญี่ปุ่นค่ะนะคะคุณญี่ปุ่นได้ไหมคุณญี่ปุ่นได้ไหมหนูหนได้นิดเดียวนิดเดียวค่ะค่ะเพราะบริษัทก็อยู่อยู่กับทางญี่ปุ่นก็ค่ะเมื่อก่อนเป็นเป็นเครือปูนซีเมนไทยกจาอมิตซูบิชิอิเล็กทริกแต่ตอนนี้ปูนเขาขายหุ้นไปทั้งหมดก็เป็นฮิสุโอหมดเลยค่ะค่ะไม่มีอะไรแต่ปูนไม่ได้ ไม่มีเจ้าค่ ะ, คะ <Okay. S 1> จะแดงความเคารพเสมอคะอ่ะสาธุค่ะคุณหมอณัฐวุฒิเชิญณัฐวุฒิมีอะไรไหมคืนนอ๋อกับนักการพระอาจารย์ครับอ๋อเข้ามาฟังธรรมครับผมก็ยังอยู่ในขั้นสติกับสมาธิครับ <c oughs> จริงแฟังธรรมหลงตาครับแล้วกแ็แต่คิดว่าเปนแอดวานซ์ไปเราอย่างไม่ติดขั้นแต่ถามเผื่อให้อาจารย์ได้ให้เป็นความรู้ไว้กระดิครับ พอเอ็นเอ็นหลวงตาพูดหลวงตาพูดถึงเรื่องของความสำคัญอริยสัจนะครับในการทำใจให้บริสุทธิ์นะครับก<ม>็เลยคิดว่าก็คงคงต้องปฏิบัติใช่ไหมครับให้ให้ให้ให้ใหอยู่ในอุเบกขามากที่สุดให้ใจสงบมากที่สุดแล้วก็<ม>แล้วก็พอออกมามันก็จะได้เอาตรงนั้นมาคุยมาเคลียร์หาพวกกิเลสตัวที่มันที่มันละเอียดอะไรที่เราไม่ไม่ไมไมถึงแล้วมันก็จะติกจะทำให้บริสุทธิ์ได้ใช่หมครับแต่ผมยังยัง แค่ศึกษาไว้เป็นแนวทางเพื่อ อ, อนาคตจะได้ได้มีความรู้ประจับไว้ครับคือก่อนจะไปใช้ตัวะอะไรได้ามันต้องผ่านตัวตัวอย่ากงก่อนครับอะตัวที่มันออกมาโชโ ช, ช, ช, ชหน้าตลอดเวลาครับอะความอยากในหน้าง้านสารเส้นนี่ก็เป็น ก, นกิเลสส่วนใหญ่ครับความอยากในร่าากายกถือว่าเป็นส่วนการครับอะความใหา่ในจิตมันถือจะเป็นส่วนละเอียด ครับอ่างั้เราทําทางภายนอกให้ได้ก่อนทางแรกยกจรวดเสริจครับอ่แล้วก็มาทางร่างกายครับอ่ทางร่างกายทางเวทนาเนี่ยครับอ่าแล้วค่อยไปทางตัวละเอียดทางครับใจที่ครับอ่ก็คือเราก็ต้องแบบเป็นมรคให้มันให้มันต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านปัญญาตีก่อนถึงจะไปเรียนโทได้ ครับฮะอยากทอแล้วเงียบเงียบนี่เองนะครับอ่ะมันยังไม่ได้ถ่านตีทอแล้วไปเรียนนี่ครับผมผมยังอยู่ในใช่อยู่ในขั้นสติไม่เกิดประโยชน์อะไรครับผมอ่ะทําไม่ได้ว่ามันมองไม่เห็นมองไม่ทันมันมันตึ้งอยู่ในกิจอืมครับอ่ะเพราะเราเราพยายามมีสติมีสมาธิ ก็ทําให้พวกเอ้มีศีลก็ทําให้พวกเอ้สิ่งต่างๆมันแคบลงมาใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ปัญหามันน้อยลงแล้วก็ใจครับก็ความอยากมันลดลงการจะไปทําผิดศีลมันก็น้อยลงเพราะว่าคนอยากที่ทําผิดศีลก็ความอยากอยากได้แล้วมากๆบางทีมันทนไม่ไหวก็เลยต้องครับอันะถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ไปทําผิดอะไร ค่ะอะไรในราบยศเนี้ยถ้าอยากได้เงินเยอะๆเนี่ยเดวก็ยอนะเนเดี๋ยวมีคนมายื่นผลประโยชน์ให้คอรรับชันอะไรนี่ก็ไปนะครับอ่าอย่มอว่าสัญญยาสัยาบริษัทนี้มาเสนอขายยาให้จะญีคนาประโยชน์ให้กับหมอคนสั่งนีครับอ่าเนี่ก็คอร์รัปชันนะครับ ก็จะทํำลาให้ไปสู่ความผิดนังนั้นตัวตัวหลักก็จะเป็นเรื่องของความอยากที่เราแต่ว่าจะชนะมันได้จะต้องมีมีใจที่ที่สงบมีได้สงบใจมีความอิ่งพอมีความสุขมีความอิ่งกัความสงบ <Okay. S 2> มันก็ไม่หิวหราบเยอะเร็แล้ ว, รวสร็จครับอ่ะมันก็จะทําให้เราเข้าไปสู่ความละเอียดที่มัน่แล้วไม่สนใจไม่สนใจกับลาบเยอะใครรว ย, ยก็รอยไปใครใหญ่เป็นตําแหน่งสูงเงินหกพันก็เป็นไปครับแล้วก็ไม่ เราเฉยได้ไม่ังครับนับ่นการปฏิบัติพอเราไมีสติมีสมาธิมันก็คือทาให้เรามีความสุขจากจากกันเข้าไปอยู่ในในในสมาธิออีแล้วก็มีความอิ่มความพอครับอะมันก็มนกไม่ไม่หวกระลาบยศสารสร่สุ ข, สขาตาางหวะ่งกาครับอะไม่อยากไปเที่ยวที่หนึ่งไม่อยากไปกินไปดื่มเมือกินก็กินแบบง่ายๆกินแค่เมือเดียวกินแค่เมือดียวกิน่มื่กินแคมเ ครั บ, รบไม่น่าไปกินวายกินนู่นกินวิเชลินสามดาวห้าดาวอะไรครับไมันมันกินด้วยความอยากไปสูบจากความข้างในที่ไปสูบนอกข้างในแต่มันก็จะต้องผ่านได้เหมือนกับอถ้าท่านอที่ปฏิบัติท่านก็ยังมีความเจ็บมีอะไรอยู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าก็ต้องผ่านาผ่านมันนานมั น, น, มนยิ่งทาให้ใจยิง่งมากขึ้นอืม Julia, yeah. s <S มันก็ขึาจิตแตว่าใจพอสงบมันก็เฉยเฉยมันก็มันจะเฉยครับอ่าแ้นก็คือบางทีก็เลยเห็นไปพระที่ท่านปฏิบัติกันเยอะๆเลยนั่งกันเป็นทั้งวันทั้งคืนกันเออการทานเวทนาทุกเวทนาครับอ่าอืมครับใชครับก็เราไ่สงนั้นก็ได้ครับผมก็ได้ยิงเชอหน่อยแยังอยู่ปฐมอยู่พยายามเป็นแนวทางไว้ครับ ตอนนี้เรายังแบบเป็นมือสลับเล่นอยู่ไม่ได้เป็นมือาชีพครับผมเพราะลังจสตของเรายัางไม่ไม่ไม่เท่ากับพวกที่เป็นมืออาชีพอพวกมือาชีพนี่เขาเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคื น, คนเรานี่เจริญไม่ค่อยได้อะไรเพราะเราเนี่ยต้องได้แบบแบบสติมบบไม่ใช่เต็มร้อยไม่ได้หีุดความคิดยังต้องคิดยังต้องใช้ความคิดในการที่เราทํา ไปใช้สติกลับทางครัไปใช้ยึดกับเรื่องภายนอกไม่ได้ว่าเข า, าเคิดยงรับเาจะต้องสติแบบไปต้องมยุดคิดเรื่องถึกทางครับแต่การทาไปเถอะไม่ไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ก็บางทไปไปีรู้มากเกิไปมันก็เหมนมันก็บางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์รู้แล้วเราต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนคการรู้รที่เราครับ สติตามแล้วก็พยายามสร้างสมาธิเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นจดุดที่ผมยังต้องอให้เรเตให้ดูให้สงบก่อนแล้วก็มาว่างว่างทงปัญญาต่อไปครับครับผมนะบโอเคนะครับผมขอบคุณครับคุณขนอกวันจอยู่ที่ไหนคุณถนอกวันจำไม่ได้กลับนรรมศาส์การพาจาง์จ้ะค่ะ ลูกขอโอกาสสอบถามเกี่ยวกับวิธีทําบุญและกวดน้าค่ะจําเป็นว่าทําบุญต้องกักกบดอาหารและกวดน้ําล ด, ดลงดินไหมคะหากเราใช้วิธีทําบุญอย่างอื่นเช่นโอนเงินร่วมสร้างสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์ใจดีสวดมนต์าทาสมาธิแล้วก็กวดน้ํำในใจหรือว่ากวดน้ําบทอิมินาใหญ่อะค่ะบุญนั้นจะถึงผู้ที่เราอุทิศให้ไหมคะก็ เป็นกังวลว่าหากเราไม่ค่อยได้ตักบาตรไม่ได้กดน้ําลดลงดินผู้ที่ร่วงลับไปแล้วจะไม่ได้รับอาหารอดอยากหิวโหยสิ่งนี้เป็นจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกไม่ต้องใช้น้าเวลาที่บุญใช้กระแสะจิตใช้ความคิดของเราเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วก็เราเลือกในทราขอขอที่บุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั่นบุคคลนี้ที่ร่วงลับไปแล้วก็ถึงแล้วใช่ถูกค่ะอีกประการ แล้วก็ทำบุญก็ไม่ต้องสบ่บาญอย่างเดียวทำบุญบ ร, รมมิจาคเงินบริจาคอะไรให้โรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้ค่ะขอเตนถามอีกประการค่ะเราสามารถแก้ไขนิสัยผัดวันประกันพุ่งได้อย่างไรบ้างคะกรณีที่เราคิดจะอ่านหนังสือธรรมะจะสวดมนต์ทำสมาธิแต่เราผัดไปก่อนถูกจึงดูดด้วยสิ่งอื่นค่ ะ, ะต่อไปเวลาคิดอะไรก็ิ่มทเลย ถ้าอยากคิดถ้าคิดแล้วไม่ทําอย่าคิดหลอกตัวเองไปเรื่อยๆทำคิดปั๊บต้องทาทันทีวันนี้้ทำคิดกูกูจะจังมีทําทันทีนั่นก็มาหลอกกูอยู่เรื่ยค่ะต่อไปผูน้นี้คิดอย่างนี้ทําคิดปั๊บทำหยิบขึ้นมาทําเลยแล้วมันก็ไม่ทำทันทีมันก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆไม่ว่าติดธุระ ไปเรื่ยๆถามันคิดจะทําพบทําเลยถ้าเป็นของดีทําเลยอย่าไปรอรอเลยบอกว่ า, อ, าอ่านเยอะอ่ะชั่วโมงหน้นา จ, จะตายก็ได้ให้คิดนี้ทำก็ได้ ค, คิดถึงความตายบ้างก็ไดมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราเอแต่พัดมันประการโทษอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะไ ด, ได้ได้ทําสักทีไม่อ่านสักทีสาธุเจ้าค่ะลูกเป็นมือใหม่ค่ะ ก็่ค่อยเดิมทำนะฮะต้องมาครับต้องมาคิดเพรต้องทําเลยค่ะถูกค่ะกลับขอบพรคุณพระอาจารย์ค่ะโอเคนะอยู่ที่ไหนนะั่งที่ที่ไม่ได้บอกขออภัยค่ะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพโอเเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะไม่เคยเข้ามาหลายวนะันแล้วไม่เห็นอ๋อขอว่าหนูไม่ได้ยินนะคะเคยเข้ามาเคยเข้ามาในห้องนี้บ้่งไหม เคยครั้งนี้น่าจะครั้งที่สี่แล้วค่ะโ okay. อเคนะครันี้นะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะสาธุาา <Okay. S 2> ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะที่คุณซันนี่ตอคุณซันนี่กรุงเทพมัณฑะคออยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอ okay. เคเดินไปที่ฟังวา่าอะไรซีราชากราบนมัมสกรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์ หนูมาเรียนจ้างพระอาจารย์ไหมคะคือปกติเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะจะนั่งแบบได้เต็มที่คือ45นาทีอะค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนท่านั่งติดตดกันได้เต็มที่ก็คือเปลี่ยนท่าทุก45นาที3ชั่วโมงต่อ ว, วันอะไรเงี้ยค่ะมีเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเหมือนกับลองนั่งตอนเช้าดูแล้วลองไม่เปลี่ยนท่าค่ะหนูหนูนั่งได้ยาวขึ้นประมาณ ชั่วโมงกับสี่สิบห้านาทีอะค่ะมันเหมือนมีความตั้งใจพอพอมีความตั้งใจแล้วก็ทําได้แล้วตอนเช้ามันเหมือนกับเฟสใหม่ๆอะค่ะมันก็เลยทําได้ก็เลยคิดว่าพอพอมาเปรียบเทียบตอนนั่งตอนกลางคืนนะคะเวลาเราทํางานแล้วเราก็จะสงบพอตอนเช้าปุ๊บตื่นมาเช้าๆแล้วมันอากาศดีๆมันก็ทําให้เรานั่งในยาวขึ้นก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะถ้าวันไหนว่างๆก็น่าจะเพิ่มเพิ่มเป็นตอนเช้าก็ได้เลยเด๊ยงนะท่ ก็มันได้มาเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะมีจะจะมีช่วงหนึ่งที่มันเหมือนกับหนูไม่มั่นใจว่าเป็นที่อาการด้วยด้วยร่างกายหรือเปล่ากับแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่มันเหมือนจะหายใจไม่ออกค่ะเราก็พยายามจะแบบเหมือนสู ต, สตรสูตรอากาศให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่แต่แต่มันก็ยังเหมือนอติดขัดๆแต่ขอยามภาวนาพุทโธนะคะเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราสติเริ่มน้อยอะคะ่ะ พอพอใช้ภาวนาพุโทโธแล้วมันก็กลับมาดีขึ้นแล้วก็สงบขึ้น <Okay. S 2> อืมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคไม่มีค <ละ S 2> ่<ล> ะ, ะ, ะโอเ ค, เอคอไดเคปด<ม>ีกันหมอน้ทินดาอาจารหมอท่นหมอปราบะสการทกขับ่ะพระอาจารย์ก็ยม จากคำแนะนำของพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ช่วงนิยมก็เก็บตกช่วงเวลาระหว่างวันเพื่อที่จะนั่งสมาธิให้มากที่สุดเจ้าค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออระหว่างช่วงที่ได้นั่งกับกับไม่ได้นั่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสมบูดดีขึ้นเหมือนกับเราสามารถประคองใจในระหว่างวันได้ดีขึ้นเจ้าค่ะ <S <S แล้วก็อย่างที่สังเกตได้เลยก็คือเรื่องโทรศัพท์เจ้าค่ะคืะคอเอออย่างเดิมเดิมเนี่ยคืออย่างถ้ามีโทรศัพท์ก็จะรู้ว่ามันร้อน ในตัวกลางอกอะไรอย่างเงี้ยสะค่ะแล้วก็ยังมีการปรุงอะไรต่อไปก็ยังแบบร้อนอยู่สักช่วงหนึ่งใหญ่ๆเลยเจ้าค่ะแต่ว่าหลังๆนี่ก็เพอรู้ขึ้นมาพุ่งขึ้นมานิดนึง ก, ก็จะคิดแล้วว่าเออเหมือนกับเป็นความอยากของเราที่อยากให้เขาทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้กับเราแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยแล้วก็สบายใจขึ้นเลยเจ้าค่ะ mm hmm. หรือว่าอย่างหลังๆนี่ก็คือบางทีก็คือไม่ไมพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรารู้สึกว่าเห็นว่ามันเหมือนไร้แก่นสารแบบไม่อยากเสียเวลากับกับอารมณ์อกุศลจิตอะไรแบบนี้เลยอ่ะเจ้าค่ะเจ้ค่ะดีมากดีมากแต่ว่าก็ก็ยังคิดว่าคงจะต้องเจอแบบทดสอบอะไรที่หนักมากก็ดูไปเรื่อยมันก็<ร>เป็นเป็นการทดสอบปัญญาของเราไปถ้าผ่านเราก็ก็ดีถ้าไม่ผ่านเราก็จะได้เอามาทําเป็นการบ้านแก้แก้ไขตอบไป ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวบางทีเรายังไม่ได้บรรลุมันก็ต้องมีภาคมันก็ต้องมีพลาดมากเป็นธรรมดาแต่ก็เอาการผิดพลาดนี่มาเป็นบทเรียนสอนเราต่อไปนะนอนเราเพลิอแล้วรับไว้ที่ราไว้ที่เหล็กนาทางเราไม่ได้ป่อยให้ธรรมะนำทางถาธรรมะก็ต้องอย่างนั้ก็ได้ั้าที่หลกก็ต้องต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ความีเกล็ดนำทางบ้างอย่างว่าทําให้เราโกรธได้อืมจ้าค่ะพระจังก็เออคือรู้สึกว่าจริงๆในในชีวิตอาจจะช่วงนี้อาจจะเจอแบบทดสอบน้อยเจค่ะอันนี้โยมเข้าใจถูกไหมเจ้ค่ะว่าคือถ้าเราปฏิบัติในสมาธิเราก็คือเหมือนเจอแบบทดสอบในสมาธิไปทีละขั้นทีละขั้นอะไรแบบนี้เจ้ค่ะหรือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มแบบทดสอบเราได้ยังไงไหมเจะคะ บททดสอบส่วนใหญ่มันจะมาทางเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่เราอยู่ได้หตุการต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบททดสอบว่าใจเรารักษาความนิ่งได้แบบไม่ไปมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้หรือเป่า ส, สอค่ะช่ว ะคแล้วก็อยากจะสอบถามพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าคือถ้าเราสมมติเราเริ่มนั่งแล้วเรารู้สึกโล่งๆว่างๆเนี่ยเราสามารถจดจอกับความว่างแล้วแบบเอาพุทโธกํากับไปเลยอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ได้ถ้าถ้าถ้าถ้าดูแชร์เมันว่างเลยที่ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ให้ใช้สติหนึ่งวันไปก็ได้ถ้ามันว่างนะถ้ามันไม่คิดอะไรถ้ามันคิดอะไรก็ต้องใช้พุทโธหนึ่งวันก็ได้ เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติประมาณนี้เจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ยังช่วงที่ที่สงบมันก็ยังไม่ได้นานนกเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังต้องดึงก็ทําต่อนี่ยพอพ อ, อ, อไม่สงบก็พูดโทรมะเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เอคือพอดีเหมือนอ่านเจอที่หลวงตาท่านบอกว่าคือถ้าแบบความคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจจะใช้แบบปัญญาอบรมสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความ ตรงนี้ิดหนึ่งแค่ะคืองทีเราฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไรเรื่องลูกนี่วิตกกังวลกับเรื่องลูก ม, มุ่นนะกรลูกไม่สบายแล้ววิตกกังวลว่าจะหายหร่ไม่หายอ่าเลไม่มีเลยหยุดความคิดไม่ได้เราพิจารณาลูกเราเป็นอนิจจังหรือไม่อนิจจังใช่ไหม ล, ลูกเราก็ต้องกิดจ่าเจ็บตาเป็นธรรมดาใช่ไหม ยอมทิงอย่างนี้อนตาตตเราไปยับยั้งมันได้หรืป่าถ้าเขจะถ้าเขจะเจ็บเขาจะตายนี่เราเนี้ยเราเรายับยั้งได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะก็ต้องยอมรับบางทีไม่ได้เขาอาจจะไม่หายก็ได้เขาอาจจะตายก็ได้หรืออาจจะหายก็ได้ไม่รู้แต่เราก็ทําทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วกัน<ด>พอเราทิ้งได้แล้วพอเราปวงได้แล้ว จิตก็หายฟยุ้งหยุดกลับมาจิตก็สงบปล่อยวางปล่อยวางเรื่องหน้าจิตก็จะสงบคือเหมือนกับว่าเราต้องหาต้นตอว่าในความคิดฟุ้งตรงนั้นเราคืออะไรแล้วก็ใช่ต้องฟุ้งกับเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องเพื่อนเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องพิจารณาเป็นใจรักเป็นต้องขอบคุณอาจารย์ แล้วก็คือคือขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงก็ค่ะว่าคือเรื่องเรื่องอาการ312เจ้าค่ะอาจารย์คืออย่างโยมคือคื อ, อ, อมีโอกาสในการของผ่าผ่าตั ด, ตดชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยเจ้าค่ะที่ผิวหนังค่อนข้างเยอะโยมอาจจะเ อ, อใช้แบบเสัญญาตรงนั้นเป็นแบบเรื่องของเนื้อที่ที่เห็นอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมามาพิจารณาอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์แล้วถ้าเรื่องการพิจารณาการ312นี้เพื่อให้เรา เห็นภาพความเป็นจริงของร่างกายไม่ใช่แต่เฉพาะส่วนที่เราเห็นด้่นเองส่วนที่เราเห็นมันเพลินเพลิกันส่วนภายนอกเราไม่เห็นส่วนภายในการมองร่างกายอะไรมองแบบไม่สมดูรมองไปไปในแง่คำความสวยงามเสียมากกว่ามองในแง่ที่ไม่สมนัยงามเราต้องการจะมองให้เห็นทั้งสองแง่สมงมุม เห็นทั้งส่วนที่สวยงามแะส่วนที่ไม่สวยงามก็พยายามจะนํางานที่ที่ที่ได้กลุกคลีอยู่มามาเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจนิดนึงเจา้าค่ะก็คือเห็นทั้งความด้านความงามแล้วก็ทางในด้านที่เหมือนพาออกมาแล้วเจอเป็นเนื้อ<ม>เป็นเลือด เ, เ, เป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ า, าจา ก, กแต่ว่ามันตกก้องเลือกกว่านั้นมองไปถึงกระดูกแดมอให้มันเห็นข้องกระดูกแดงเจา้าค่ะค่ะแต่กระบอกสีสามองไปถึงเท่านี่ กละดูกทังเป็นทัง้ตงตัวเร่มมองไปเอาไว้ว่าใหญ่เช่นปอดมุ้งจ่ายตับลำไส้นี่ อ, อันนี้มาถึงจะได้เห็นภาพที่ก็เรียนรูมาแลถึงกายวิภาคก็เห็นเมืนกันเลยอยากจะถามพระอาจารย์ก็วขาวว่าแบบเราจะอนุโลมปติลอดูแค่ดูแค่ผิวนี่ผิวนังนี่อ่อนมันดูแมันมันยังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถึงนะมันยังไม่เห็นชัน ก็คือให้ไล่อนุลมปฏิโลมอะไรไปอย่างนี้จะชสรุปทั้งสามสิบสองอาการได้ยี่งดีหนึ่งถึงสามสบอาการได้เห็นเลยเห็นชัดเจนให้เรียงไปแบบนี้เลยตามที่เขาผมขอเล็บฟันหนังใต้หนังมมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีมีเยื่อะในกระดูกมีม้ามีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมีท้องผดลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า นีคือส่วนที่เป็นของแข็งน้ำน้ำตักน้ําเหลือดน้ําเหลืองน้ําเหนือไมพิจารณาไปก็คือเจ้าค่ะตอนตอนที่เราออกจากสมาธิใช่ไหมใช่ใช่ตอนจำตอนสมาธิไม่พิจารณาตอนทำสมาธิตามการให้จิตนิ่งให้จิตพักผ่อนเจ้าค่ะค่ะแล้วก็เั้าค่ะแล้วก็เหมือนกับพยายามจับภาพนี้เวลาที่อยู่กับคนที่เรารักคนใกล้ชิดตัวเรา ทาั้งคนใกล้ชิดเราทัองตัวเราเองมองกระจกหน้าเราก็มองให้เห็นขเขาตลกศีรษะของเราว่ามันอยู่ใต้ผิวหนังไม่ใช่กต่ตกสีรษะเราเนี่ยต้องก็ทําทําทํําทาใจของเราให้เป็นเหมือนกับมีเอ็กซเรย์ปัญญานี่มันเป็นเอ็กซเรย์มันสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได เหนเอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้เปลือกหนังได้ไม่ต้องไปเข้าเครื่องสแกนถ้ามีปัญญาแล้วไปเห็นหมดนะเห็นแต่เห็นอาการเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันมันเสียตรงไหนหรือไม่เสียตรงไหนและไม่เกีย่ยวเห็นแต่เห็นว่าร่างกายภายใต้เปลือกหนังมีอะไรบ้างถ้าพิจารณาการสังเกตสองเรื่องก็จะเป็นเหมือนกับตา ม, มีตาใดเป็นเอ็กซ์เรย์มองทะลุเข้าไปได้ ครับพระอาจารย์ยพยอไปเวลาเห็นใครก็จะเห็นเหมือนลองสแกนทีเดียวพึ่เลยอาการจะเปสองปั๊บหนึ่งโผล่ขึ้นมาทันทีอคืออาจจะเห็นทีเดียวทีเดียวในเป็นเ <ใน S 2> อ็กซเรย์ในมโงภาพของเราในมังงอกภาพในความรู้สึกในควคิดของเราไอเหนร่างกายก็เห็นน้ำน้ำจกกักรวาลก็มันแค่าการสาังเองเฉพาะเอง เห็นาราเาพยยามหล่อแล้วก็อาการแค่ 3.2 นะจ้าค่ะภาษาเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นขั้นในการละสักกายทิฏฐิไหเจ้าคะหรือว่ามันเป็นเรื่องของราคะราคามากกว่าสักากายทิฏฐิถ้าให้มันเป็นคราบตายอ๋ยอเจ้าค่ะนในร่างกายในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายอันนี้ก็จะละเป็กยายทิฏฐิจะไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายถ้าละสักกายทิฏฐิได้เพรารู้ว่ามันต้องมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไปกลัว ม, มันทำไมกลัวถูกไปเปล่าเปล่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ไม่ต้องไปกลัวอยอมรับการกินยอมรับร่างกายต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นอของใครก็ตามก็คือหมัน่นพิจรารณาทำไมใชเราชอบลืมเราลืมตายกันเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเราลืมแก่กันหรือถ้าเรื่องความอยากเราต้องรีบไปแก้ไขไปดับแปลงไปทําสำ战略กลับ กินคอร์ติงคอรลตเจนกินอะไรมุ่งไปหมดเนี่ยเพื่อการความแก่ใช่ไหมเาขอแล้จ้าแล้วมันการได้่ะ <c oughs> ก็ก็ไม่ค่อยได้สราก็<ต>ยมัมันยืดเวลาไปหน่อยนั่นเองจจะยืดเวลาไปหน่อย <c oughs> แก่ช้าหน่อยแต่ในฉบับต้องเจ็บต้องตาย มันต้องมีเคลื่อนอยู่บ่อยๆไดยให้เร็มันจะได้ไม่ทุคบร่างกายในหน้มันเป็นอะไรขึ้นมาก็ค่ะนี่สักยะทิฏฐิมันไม่ใช่ตัวเราเราเป็นใจผู้รู้พู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืงร่างกายเป็นบ่าเหมือนเราเป็นไายมืนร่างกายเป็นคนผู้เราใช้เราแต่มันเป็นของไม่เทียมมันจะต้องแก่เจ็บตายไปในวันใดวันหนึ่ง จข่าวอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณจ้ข่าวันนี้ข อ, ขอบคุณอาจารย์อ่าท่าี่ท่านตอไปคุณวีสองศูนย์สี่สามเชคุณวีสองศนสี่สามไม่ล น, นะตามอาจารย์ครับผมพระวินัยฐานลามาโลจากไทยพมครับมีอะไรไหมมีในมุมกดก็ับยงเยอะครับยีในกดกับยองเยอ ะ, อะย ถปัญหาพระอาจารย์สองปัญหาครับ <c oughs> เมื่อวันที่สิสี่มิถุนายนก่อนเข้าพัรษายังอยู่อํานาจอยู่ครับเป็นพระอนาจเข้าไปที่สถาบันพลังจิตตาลพยาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ถอดนั่งนั่งเขาอีเขาก็สวัสดีมาในวัสดก า, ารจะพกกายก็เงยหน้าขึ้นหัวก็เห็นใบหน้าเขาเหมือนคนป่วยติดเตียงเป็นเป็นซีดมะนังติดกระดูกนะครับเขาเกิดอารสณลุดสังเวชขึ้นมาเขายังไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าโอ้ทานในใจโอ้โอ หลอกแล้วมะหน้าซีดหน้าเซียวแล้วมันเขาป่วยอะไรที่จริงเขาก็ไม่ได้ป่วยนะเห็นแบบหนึ่งเกิดอาการฉลุดสังเวทครับก็ดีถ้าเห็นแล้วมาทําให้เราสลุดสังเวทเห็สภาพความเป็นจริงของร่างกายได้ครับแล้วก็เกิดไอพวกการมาลาค้าก็งดไปดับไปชั่วคราวอต้องทําให้มันดับถาวนตรงกลางที่มันขึ้นมาใกล้นั้นให้นึกถึงภาพนี้ขึ้นแล้วก็พอพอจําได้ดางๆครับ อเพราะเราประจําบ่อยๆท่านได้ยังถ้าไม่จําเดี๋ยวเดี่ยมันจะจางหายไป<ว>ก<ำ>็ผู้หญิงคนนึงก็เห็นเห็นรหสระสมุยซองครั้างแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสองธันวาก็เห็นเส้นผมงอกก็ในจิตมันดังตึ๊กขึ้นมาที่อาจารย์เสียงนั้นคือเสียงอะไรครับมันดังตึ๊กเหมือนเหมือนเรารถหยียบคานแล้วเข้าเกียร์เข้าเกียร์ไม่เข้าเกียร์หยียบคานไม่สุดมันดังตึ๊กในจิตนะครับเห็นเห็นผมงอกรว่าวันที่สองธันวาปีหกสี่ ก็ดีมันสะดุดมันมันมันมันมันมันก็นมาเป็นการกระตุ้นจิตของเราให้มองความจริงอครับทาให้สวยในงานของร่างกายครับก็อมองเข้ามาเจ็ดแปดปีครับเพิ่งมาเห็นปีที่ก้าเพิ่งมาเห็นผมหงอกก่อนเขาย้อมผมตลอดอืมอายุห้าสิบกว่านะเดยยังไม่สายเกินไป พยายามมองทุกคนพอพยายามมองทุกคนเป็นอย่างนี้หมดครับมีอะไรไหมข้อสองคถามที่สองครับเมื่อวันเสาที่หกเมื่อที่ไปกินีิมนครับที่ที่เกษตรสมบูรณ์ครับตำบ้านบัวที่ในตำบลที่จำบันสายครับเปิดฟารํมมันก็รู้สึกว่าจิตมันรวมดีครับไม่ไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ไม่โกรธไม่เกลียดใครมันมันนิ่งกินเผอเบิกบานใจครับ ถูกต้องเยอะเพราะสายมันเป็นอยู่นั้นไปเรื่อยเขาเป็นเดือนละครั้งเป็นอยู่เดือนละครั้งเป็นมิถุนายนเป็นตอนไปอบรมทำปรธรรมาทั่วที่วัดปากน้ำก็เป็นครั้งหนึ่งเืล่นขึ้นมาก็เป็นอีเหนือเบิกบานใจพยายามทำให้มัเป็นทำให้มันเป็นทุกวันเป็นช่วงนี้เป็นเดือนเป็นเดือนละครั้งครับรวมจิตรวมเป็นอีเหนือเบิกบานใจเป็นเดือนละครั้งพยายามเลยทุถ้ามันมากกว่านี้ไม่ได้ไม่รู้ครับมันมันเกิดขึ้นเดือนละครั้งโอเค โำหนดไม่ได้ครับผมปีนี้มาจามาศาที่ใช้ยภูมิเกษตรสมบูรณ์มาจะอดูดกันสามคนอ่ะสองผ่าสองลูกครับเจ้ากับเจ้าว่าแล้วก็ไม่ชีหนึ่งหนกพี่นนท์ยิ้วนี่นี่สบายวัดวัดวัดสงบไหมที่วัดอะไรครับที่วัดสังบไหมสงบดีครับเพนได้ยินเสียงกรกเสียงเขียดตอนกลางคืน เมื S <S <า>่อครั้งก็นั่งนั่งตอนบ่ายก็จิตรวมดีครับนั่จะยินเสียงลมเสียงอะไรเนี่ครับปฏิบัติต่อไปนะครับผมออกวาระว่าจะกลับไปอำนาเนจเจริญครับพระอาจารมันสายใช่สาธุครับผมนักการคระอาจารย์คุณดาวินคุณดาวินสายอุตสาห์ท่านอยู่ที่ไหนจากกรุงเทพรพระอาจารย์ เอมีอะไรไหมครับก็พอผมมีไปเจอคนคนหนึ่งครับอาจารย์แล้วอยู่ในนี้มันเกิดปฏิฆะขึ้นมาครับก็เลยมันนั่งสมาธิเขานั่งสมาธิมันก็คลายไปอะครับพอคลายไปแล้วพอไปคุยกับเขาอีกก็เขาเกิดขึ้นมาอีกครับเกิด ข, ขึ้นมาอีกก็พยายามมาหาสาเหตุก็หาไม่เจอครับอาจารมันมันผุดขึ้นมาเองก็ มานั่งสมาธินี่ก็คลายอยีทีที่ว่าเป็นปฏิฆาที่หมายถึงอะไรมีความไม่พอใจในตัวพอาใช่ไหมมันมันมันผุดขึ้นมาในเหมือนในข้างในจิตอะครับวนะ่ามันเป็นคล้ายๆล้กับความความโกรธขึ้นมาครับอาจารย์อาจจะมีอะไรก็เข้ามาในบางก่อนก็ได้พอเจอเขาทีลาก็จะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมาทีเราก็ต้องใช้ ใช้ดับเมตตาให้ความเมตตาให้ให้อภัยเขาครับคือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเรานะครับอาจารย์ก็คงใ ก, กันดีเมตตา ก, กันดีแต่ว่าหยิบมันขึ้นมาแล้วทีนี้คือเราไม่ชอบเขาเมื่อยงไ ร, ร, รก็อย่างคุณทมใช่ก็ถือว่าคุณใช้สติได้สมาธิหยิบมันไปก่อน แล้วก็ถ้าจะใช้ปัญญาก็พิจารณาอ้อเป็นธาตุไปก็ไดนะ้เนนไไหมือนน้ํำตกไฟไปครับก็คล้ายๆกับถ้าเราไปเจอผู้หญิงบางคนแล้วมันเกิดการลาค้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็จะเกิดขึ้นมาเองเหมือนกันใช่อันนั้นเราก็ต้องใช้อสุภามามาแก้ครับแล้วเวลาเกิดขึ้นมาใหม่ๆนี้มันจะต้านสมาธิครับอาจารย์มันจะเข้าสมาธิยากยากขึข้นมาก เราจึตงต้องฝึกสมาธิให้ชํนานาญเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเราจะได้เข้าได้โดยใช้ปัญญาใช้ปัญญาฝึกใช้ปัญญาพิจารณาเป็นตั้เป็นตายหนักไปนึกพิจารณาเป็นอสุภไไนะใส่กันละแล้วแต่กงตาดีถ้าอย่างอสุภะเนี่ยมันชัดเจนครับอาจารย์แต่ว่าถ้าอย่างเมตตาเนี่ยมันจะใช้ใช้ปัญญาอย่างไรครับอาจารย์เมตตาก็คือว่า เราทุกคนก็อาจจะมีอะไรกันมาในอดีตอาจจะมีชา่ากันมากไม่ชาบกันมากก็ให้อภยัยกันไปครับเราเป็นจะลัทิ้งรับความโกรธความเกลียดก็ได้ครั บ, รบตอนนี้ผมก็ผมถือโอกาสวันแม่เนึ่ยผมยุติการสนทนากับเขาครับแล้วก็ติดมือถือแล้วก็พยายามลองลองพิจารณาดูว่า ตัวอติคาตัวนี้มันจะคลายออกไปได้สนิทไหมครับอาจารย์บางทีก็น้องก็น้องก็นึกไม่ออกเหมันจะใช้วิธีไหนพูดตามจริงแล้วก็พูดส่งไปใช้เมต่ตามโดยหลักถ้าเรากโกรธกันแล้วก็ใช้เมตตามให้อภยัยเขาไปถ้าเขาทาอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งานก็ให้อภยัยเขาไปอย่าไปถือสาก็ถ้า แต่เห็ น, นเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่พอใจเขาบอกว่ามันเป็นชี้ของเขาก็เป็นนี้เขาปล่อยเขาเป็นปลยายทางไดของเขาครั้งนี้มันจิตมันรัดแบบรุนแรงเลยครับอาจารย์มันมันรู้สึกแบบแรงแรงมากๆากครับอาจารย์เกียด ม, มากเกลียดมากว่ามจะทำอะไงครับแต่ทางนี้เขาก็ดีกับเราหมดนะครับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเรา แต่ก็ก็เข้าสมาธิมันก็คลายคลายทุกครั้งนะครับอาจารย์ตอนนี้ ม, มันก็ต้องต้องค่อยๆเข้าบ่อยๆนะครับอืหรือว่าอยู่ในนโลกนี้มันก็ต้องมีทั้งคนที่เราแล้วคนที่ไม่ชอบเราก็ต้องัดอยู่กับเขาให้ได้ทําใจใเฉยๆไปครับเนอเราลองทําใจใเฉยๆไปไม่ต้องไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพียงแต่ให้มีสติ พุโทโธพุโทโธไปเวลาที่เราเผชิญหน้าเขาก็พุโทโธพุทโธไปหายใจแล้วก็ปล่อยวางเขามองเขาเข้าไปเขาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างที่เราไปก็กลุมบังคับเขาไม่ได้ครับไปห้ามเขาไม่ให้มาเขาไม่ได้เราต้องเจอแล้วคราเจอแล้วจะให้เขาไปเขาไม่ได้ก็ต้องปล่ก็ต้องปล่อยปล่อยให้เขามาปล่อยให้เขาไปเราก็เฉยเฉยไปครับอาจารย์ ก็เหมือนเป็นโจทย์โจทย์ใหม่ครับนี่ไม่ใคยเจอเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเคยเจออย่างนี้ครับอาจารย์มันมาแบบมาแบบหาเหตุผลไม่เจอครับก็อาจจะเป็นเป็นเป็นของที่เรามันฟังลึ่อยู่ในใจเราเนี่ยของที่เราไม่ชอบมาเจอแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาตามอย่างนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ ตรายอมรับว่าเขาเป็นสภาว่าธรรมที่เราไปควบคุมบังคับเ ข, เขาไม่ได้เขามาก็ต้องอยู่กับเขาไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะเห็นคล้ายๆกับพายุพายุอแล้วก็ค่อยๆเบาลงไปอย่างนี้ครับอาจารย์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็ใช้สมาธิไปก่อนแล้วกันถ้าไม่รู้จะทำถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สมาธิไปก่อนครับ เป็นการนนพิจารณาพิจารณาก็เป็นเป็นธาตุสี่นิน่งนั่งลงไปแล้วการสามสิบสอก็แล้วถามว่าเราเราไม่พอใจตรงไหนเราไม่พอใจผมนะผมเขาเราก็มีผมเหมือนกันทําไมผมเขาเอาผมเราทําไมเราเราอยู่กับผมเราได้ทำไมเป็นปลารเกลียดผมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเปรียบเทียบกันไปครับผมก็ลดผัสสะลงหน่อยครับก็กออกห่านิดนึงแล้วก็ค่อยๆม า, มมาพิจารณาก็ได้ เราพิจารณาอยู่เปเรียบเทียบตัวเขากับตัวเราเขามีผมเราก็มีผมเขามีขนเราก็มีขนเขามีเล็บเราก็มีเล็เนเราเราไม่ลังเกตดผมเราขนเราเล็บเรเราเราป็นังเกตผมขนเลืเขาได้ไหมมันก็เหมือนกันไม่ใช่ไหมในไม่า น, นานจะต้องใช้วิธีนี้เหมือนเดิยังยอมรั บ, บ ก, กันได้เข้ากัเหมือก็เราเขก็เหมือนกันเรอตงนี เราก็มีอาการ32เราก็มีอาการ32ถ้าเราไม่เกียดเราก็ต้องไม่เกียดเขาต้องูตามตัดๆใช่ไใช่ครับต้องใช่อย่างนั้นมันเหมือนมันเป็นธรรมารมมันเป็นนิวรนนิวรนขึ้นมาแล้วปะขา์มันอาจจะมันของเ่องนี้ใหใจนะมันอาจจะเรื่องเทุกครั้งที่เห็น คนลักษณะนี้นียมันจะเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาทันทีอ๋อครับอาจจะอดีตชาติอาจจะใคยมีอะไรกันมาแบบรุนแรงครับแล้วมันฝังอยู่ในใจพอ เ, เจอเขาปั๊บมันก็จะเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาทันทีแต่เราจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเขาก็ใช้ได้ใช้เฉยไปเ ล, ลืมหลบไปถ้าระงับอารมณ์ไม่ได้ก็หลบไปเข้าสมาธิไป ก็ลองใช้วิธีที่เราบอกมือเราพิจารณาการสาราที่สองเปรียบเทียบเขากับเราครับอาจารย์นะลองดูนะได้ครั บ, บคุณครับอ่าถึงคุณหมอวีระพันธ์ชนอยู่ อ, ยอันนี้อยู่พิจนาโลกใช่ไหมรรครับกับราชการครับอาจารย์อยู่ปิจนาโลกนะครับอาจารย์ครับเดินทางบ่อยไหมอ๋อ ไม่หน่อยมากครับอาจารย์ครนะับผมแต่ช่วงนี้พอดี ก, ก็ก็มีเหตุให้ไปยู่ครับ <c oughs> วันแม่นีน่ก็ต้องกลับกลับไปถามแม่กลับไามแม่ก็มีเหตุเข<ม>้าไปาความสำคัญสำพัธญเข้าไปคี่นี้ดีกวาที่ที่แล้วนะครับอาจารย์รู้สึกรู้สึกนิ่งรู้สึกสงบขึ้นครับนี่ก็ก็รู้ว่ามันก็ไม่แน่นอนนะการปฏิบัติของเรามันยัง ขึ้นบางทีก็ขนอยู่กับเหตุารณ์ด้วยการณอบตัวมันก็เป็นส่วนแล้วขึนอยู่กับการจัดระเบียบของเราด้วยครับครับรู้สึกว่าเออจุดนี้ดีดีกว่าที่ที่แล้วครับผมหาเหตุเจอครับอาจารย์มากว่าทำไมที่ที่แล้วถึงถึงรู้สึกดาวดา ว, ดาวลงครับอาจารย์คือคือเหตุมันก็คือว่าตั้งแต่สองสนาก่อนที่อาจารย์เมตตาบอกว่าให้ไอ้เบสซุ ป, ปชา์ปบนเขาครับ <laughs> แล้วผมก็รู้สึก ใจมันอยากไปครับอาจารย์ครับใจมันมีความอยากไปปฏิบัติมากเลยแต่ที่นี้เหตุลอกตัวเนี่ยมันทําที่ไปไม่ได้ครับมันก็เลรู้สึกเออมันก็เลรู้สึกของขวางกันอยู่ครับมันเป็นความอยากของผมเองความอยากทำให้ใจดำหยุดเล็งได้อยา ก, อ, ยากอะไรก็ไม่ได้กังใจอยากต้องห็งได้ใช่เลยครับแล้วผ ม, ผมพอพอคุยพระ้าจารณ์อาทิตย์ที่แ ล, แล้วก็รู้สึกกลับมาพิจารณาเพราะว่าที่แท้มันเป็นความมันเป็นความอยากไปของเราครับอาจารย์ทีนี้ก็ได้คิดใหม่ว่า ไม่เป็นไรเราก็ภาวนาของเราไปก่อนแล้วก็ทําเพศเท่าที่เราเผชิญเผชิญทุกขหน้านะครับหยุดกวามอยากไว้ช่วคราวก่อนถ้าไปไม่ได้ก็ต้องหยุดกวามอย่างนั้นไว้ก่อนครับแค่นั้อก็รู้สึกดีเลยครับอาจารย์ใช่เหมือนกันนั่งสมาธิบางทีอยากมันสงบมันยิ่งไม่สงบยิ่งทำใชก็เลยไปจากเพศเจออ โดยใหญ่ก็ยังอยู่ที่ความอยากของเรานเนี่ยเป็ตนต้นเหตุทำบุญไทยทาให้ใจเราวุ่นวายใจเราทุกข์ใจเราไม่สบายเองเราจะมีปัญญาฝุดค้นเจอง่ายด้านนี้ก็ถัดจากมาค้นเจอเอาประมาณวันสุกครับพอมันสุกร์นรู้แล้วทีนี้ก็ <laughs> เ, เลยรู้สึกสบายเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออ อยู่ตรงไหนก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้มันเป็นปัจจุบันไปแล้วก็เราก็เราก็ยอมรับทุกอย่างใ <c oughs> ่ครับครับภาวนาทุกวันกับอาัจครับโอเคนี่ไม่มีแรงนะโอเคนีบไปที่ททานตอบไปคุณสุภาธนาจากบอวินเชอร์รมินเลยมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเออมีอะไรไหมเมือมอม่อสิปดาหที่แล้ว ก็มีมีว่าเ อ, อพระอาจารย์ถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอบว่าถามว่าตั้งแต่ปฏิบัติมามีความก้าหน้าบ้างไหมทีนี้ตอนนั้นที่ตอบพระอาจารย์ก็คือว่าสติมีสติแต่ว่ามันยังมันยังไม่ทานเหตุการณ์แล้ววันนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์เมื่อตอนเมื่อตอนเทศตอนบ่ายสองพระอาจารย์บอกว่าการฟังธรรมก็คือการเจริญปัญญาอันนี้มันก็เลยได้ได้เข้าใจว่าเอ่อมันก็มีการเจริญปัญญาอยู่ บ่อยๆเนื่ยงๆจากการฟังธรรมเพราะว่าก็พิจารณาธรรมพระอาจารย์อยู่อยู่เนื่องๆเจ้าค่ะอาจารย์แต่วันนี้ก็ได้คําตอบจากที่คุณหมอณัฐวุฒกับคุณหมออีกท่านหนึ่งถามพระอาจารย์ในเรื่องของการเกิดความไม่พอใจแล้วก็มีอะไรมาแก้ในในเรื่องของความอยากที่จะให้มันหายตรงนี้ก็ท ร, ทราบทราบว่าเรื่องอความอยากละเอียดความอยากขั้นกลางนี้ก็เข้าใจมากขึ้นเจ้าขาอาจารย์ก็ปฏิบัติต่ตอ ว่าจะต้องมีความอิม่มความพอความพอด้วยอุเบกขาใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือมี ส, สมที่ให้มากขึ้นจ้ ก, กับอันนี้ก็เร่งเพียนตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความอิม่มความพอเนี่ยเราจะไปหยุดอยากว่าไม่ไม่ให้เกิดความไม่พอใจไม่ได้ไเลยค่ะใช่อันนี้โดนโทษสอนตลอดอยู่คะ่ะตอนนี้ก็ต้องก็ต้องเจากก้าค่ะมาหยุดอยากหยุดอยากให้มากด้วยด้วยสมาธิเจ้าค่ะอาจารย์ ดีตอนนี้เรารู้เป้าหมายของการปฏิบัตินะคะเจ้า่ะก น, นั่นั่งอยู่ค่ะตอนนี้นั่งอยู่เรื่อยๆเ้าคะพระอาจารย์ีโอเคไม่มีอะไรน่าเจ้ค่ะขาทุกจค่ะน้อมกลับพระอาจารย์เจ้ค่ ะ, ะเชิญคนณ NK เอเคอยู่ที่ไหนญี่ปุ่นค่ะพระใชวนน่วันนี้อยู่ข้ากอีเคาเมง ไม่อยู่ห้องเพราะว่าเป็นทั้งโควิดแล้วก็อินฟลูเอนซ่าไทป์บเลยค่ะมาทีเดียวสองเลยค่ะแต่ตัวอยู่คนเดียวนะค่ะที่บ้านเป็นทั้งบ้านเป็นโควิดทั้งบ้านแต่มีหนูคนเดียวที่เป็นอินฟลูเอนซ่าไทป์บด้วยค่ะก็เลยทั้งอยู่คนเดียวใช่ค่ะวันนี้วันที่ห้าแล้วแต่ว่ายังไข้ขึ้นสามสิบแปดเอ๊ะวันที่เจ็ดแล้วค่ยังขึ้นสามสิบแปดดีทั้งวันเลยค่ะอาการลดแางานดีขึ้นไหม อาการเหมือนเดิมค่ะพระาอาจารย์ค่ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นโรงพยาบาลเขาเขาน่าจะดาวล่มแล้วล่ะค่ะเขาไม่รับเคสใดๆทางซินแล้วยาต้านก็ไม่มีพักษาต้วยค่ะทำไมคนไข้ก็เยอะเยอะมากตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกแล้วค่ะวันนึงสองแสนห้าหมืนกว่าคนแลน้ากลัวเหมื อ, อนกันนะ น่ากลัวมากเลยค่ะคือหนูไปหาคุณหมอ ต, ตั้งแต่เมื่อเจ็ดวันก่อนเขาก็ไม่ลบาบค่ะก็คือแบบทั้งที่บอกว่ามีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เลยช่วยตรวจให้หน่อยได้ไหมจะได้รับออยาต้านไปกินเขาก็บอกโอ่า ย, ยังไม่เป็นอยังไม่เป็นจนมันพีคแล้วไปตรวจแล้วปร า, ปากฏว่าเป็นจริงๆค่ะไม่รู้ว่ากระจายไปเท่าไหรล่ละก็งั้นไม่มียากินได้ยาต้านไวรัสของเอ ไทยบีมาค่ะของของของอินฟลูเอนซ่าไทยบีม า, า, มาแต่ว่า<ม>ของโควิดไม่มียาต้านค่ะ<ม>ค่ะตอนนี้ก็อย่างใครขึ้นอยู่ก็เลยมีคําถามถามผอาจานค่ะพอดีนอนคิดได้ว่าในช่วงอย่างเงี้ยอย่างช่วงที่เราร่างกายอ่อนแอหรือว่าสติเราไม่สมบูรณ์จิตเราค่อนข้างตกเคยมีคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราฝึกสมาธิช่วงนี้มันอาจจะทําให้เรา ถ้าสมมติว่าเราไปพบกับภาพที่น่ากลัวหรือว่ามีอะไรมากระทบทําให้เราตกใจเนี่ยอาจจะทําให้เราเพี้ยนหรือว่าสติแตกอะไรไปก็ได้อันนี้จริงไหมคะมันก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยสติมันไม่น่ามันมน่าจะมีปัญหาแล้วก็รักษาพอเท่าประค อ, องจิตเราด้วยสติต่อไปแล้วก็พปเจอเราเป็นแค่เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแค่นี้ อย่าเอามาสักอย่าเอามาแบบคือต้องต้องจักปล่อยพอยเห็นอะไปครบแล้วมันต้องใช้สติคุณเองใช้สติใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นสภาวะธรรมเป็นอนนีจจังไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับเราห้ามมันไม่ได้บงังคับมันไม่ได้มันจะมาก็มามันไปแล้วก็ป่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ได้อามาคิดแทนใ ห, ให้ให้ทุกปกัจจุบันอะไรผ่านไปแล้วก็กวผ่านไปเลย อะไมันก็ไม่มันก็ไม่เสียสติไอ้ที่เสียสติเอามาคิดคิดปรุงแต่งแล้วเป็นบ้าไปกับความคิดของเราเองะหรอคําว่าสติแตกนี่มันเอ่าไม่มีสติมันก็เลยควาย ใ, ใจคิดแบบไม่มีขอบีเคทถ้ามีสติมันก็จะควบคุมความคิดไอ้คิดว่ามันเป็นตายรับไอ้คิดว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปพอเราทานไปแล้วก็จบ มันก็ไปยุ่งกับมันก็คือถ้าสมมุติว่าเรานั่งนั่งอยู่หรือแล้วเราเกิดนี่มิหรือว่าเห็นภาพอะไรนะที่มันน่า ก, กลัวเราก็ควรนั่งอยู่อย่างนั้นต่อไปแล้วก็อยู่เฉยๆก็มาที่พุโทโธอย่าไปสนใจเอาภาพที่เราเห็นก็<ฆ>มาก็มาหาสติก็มาอยู่มาพุโทโธพุทธแล้วในภาพมันก็หายไปเองค่ะ ก็คือสามารถนั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมได้ได้ได้ถ้าเราเรู้นจากวิธีปฏิบัติจากพวกภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะไปเามาปรงแต่งว่าเป็นนู่นเป็นนี่ที่มันเป็นบ้างพราเราไปคิดเองที่มันเป็นนู่นเป็นนี่ล้วไปกลัวเป็นอะไรประกอบว่าอาจจะมีความวกลัวอะไรต่างๆมาประสมด้วยมันก็ทให้การเป็นคนบ้าเลยอ๋อค่ะ ยานั้นมีปัญญาเราก็รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงร่างกายเราก็ต้องวันนึงก็ต้องตายจะเจอแล้วไม่เจอแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาโอเคอย่างนี้ถ้ามันก็ไม่กลัวมันก็เฉยนะค่ะนะค่ะต้องพิจารณาปัญญาทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แต่ร่างกายเรามันก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันแก่นเนี่ยกัดแก่เจ็บตายนีเรื่องของ ไม่ว่าจะเจออะไรแล้วไม่เจอมันก็ต้องอย่าเจ็บใจเหมือนกันอ่าอันทีเห็นอะไรปุ๊บเราก็ถ้าเห็นอะไรปุ๊บเราก็อย่าไปสนใจกลับมาที่พุทโธพุทโธแบบมันก็หายแล้ะมันจบผ่านมันก็ผ่านนะคือไม่มีอะไรทําทําอะไรเราได้ถ้าใส่ว่าใจเราเองถ้ามีสติเรามีความแน่นวงเฉยแเ่มันก็ทําอะไรเราไม่ได้ อะที่ทาเราก็คือเาเองนะเป็นิดเองคิดหล อ, อกตัวเราเองเป็นนุ่งเป็นนี่เป็นตุกเป็นตะเนยนะค่ะขอพรพรนะ<ข>อาจารย์นหน่อยค่ะอให้หายเร็วนะหายจากข้างยาตัวเร็วๆค่ะ<จ>โอเคคณจะพิสิทธ์จะมีไรก็พิสศษ กลาวนมัสการาพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อำนาจเลยมีอำนาจอยู่อยู่อยู่ที่สกลนอครพระอาจารย์สกลนครครับมีอะไรไหมมีครับพระอาจารย์ก็อฝึกภาวนาก็เห็นจิตมันส่งออกนอกพรอาจารย์ติดมันยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็เลยดึงมาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธออตั้งแต่ฝึกไปแรกมันมันส่งออกไปไกลตัวนั้นเป็นทุกข์มาก คนที่ส่งจิตออกไกลๆนี่ยจะทุกมากก็ดึงเข้ามาอีกก็ยังก็ยังไม่เข้ามาแนบกับคำบริกรรมพุโทโธภาวนาไปเรื่อยๆคือสติเราดีขึ้นปัญญามันเห็นจิตที่มันอยู่ข้างนอกอยู่ก็เลยดึงเข้ามาอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธแต่ยังยังไม่แนบมากครับพญานก็ทําบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆครับน่าจิตมันกําลังน่าจะสะสมกําลังอยู่ครับพญานใช่สติมันเพราะว่ามันสติมันยังยังไม่พอแล้วปัญญามันยังไม่เกิดพอที่จะให้มัน ลงมาแนบกับคําบริการพุทโธครับเราพยายามพูดโธให้มากขึ้นให้บ่อยก็<ห>ก็ยังทําไม่จริงไม่จังนะครับพเจริญ ต, ต้องบอกว่าไม่ได้ทําจริงจังถ้าทําจริงจังมันน่าจะน่าจะผ่านอยู่ใช่ครับอันนี้มันยังทําไม่เต็มที่ครับพเจริญถูกต้องครับทำให้มากขึ้นนะก็เออ เออ่ยังไม่ได้ตั้งสั จ, จจะวจาอะไรขึ้นมาอธิษฐานจิตในเรื่องพวกนี้เอาไว้ครับอาจารย์เพราะว่าเท่าที่เคยทํานี่การเออ่ตั้งสั จ, จจะวจาของพระอาจารย์มันเป็นตัวช่วยในการยกระดับ จ, จิตขึ้นอย่า ง, างเร็วอยู่ครับ่ออาจารยไ์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาก็แล้อยู่ที่ว่าเราทําตามที่เราตั้งได้หรือเปล่าถ้วทําไม่ได้ก็ตั้งไม่เสียเวลาครับก็อาจจะต้องอยากจะตั้งในส่วนที่ตัวเองทําได้นั่นแหละครับ<ช>เพราะว่า มันพวกนี้มันเหมือนกับว่าเวลาที่เราทํางานสําเร็จเราก็เกิดความภูมิใจสมาธินี่มันตัวนี้มันก็จะสนับสนุนสมาธิขึ้นไปอีกอันนี้อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับพ่อใหญ่ถูกต้องครับเพราะว่าที่อาจารย์สอนในเรื่องของในช่วงเข้าพรรษานี่เรื่องเรื่องสัจจวัจจานี่มันมีความสําคัญมากในการปฏิบัติเท่าที่ผมเข้าใจนะมีความสําคัญเพราะว่ามันมันเป็นตัวสนับสนุนจิตให้ให้สูงขึ้นมันคล้ายๆกับว่ามันช่วยกันทํางานนั่นแหละมันมันเป็นตัวกังข้าให้เราทา รเราดีสั จ, จาะแล้วก็ลนเล่เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไอ้นี่พ่อจันแนะนําได้เยี่ยมมากเพราะว่าได้หลายคนก็จะทําอะไรแล้วก็ลนเล่อย่างเงี้ยพอตั้งสัจจะาจาเราจะขี้เกียจเราก็ต้องเตือนตัวเองเออตั้งเราจะต้องทําตามที่เราตั้งไว้อย่างเงี้ยครับมันก็จะก็จะลุกขึ้นไปทําของมันเองเพราะว่าเราเตือนตัวเองมันจะทำอะไรได้สำเร็จครับจอ ก, ก็ก็จะ โอเคแก้ไขการประมาณนี้ครับ yeah, ขอบคุณครับพยายามาสร้างสติขึ้นมาบ้าว่ากเดี๋ยวจิตก็จะเข้าข้างหนได้ครับขอบคุณอาจารย์ครับโ okay. อเคคุณสลินทอนตอนนี้กลับแล้วจบกอเมริกายัางอยู่ไทยอยู่ยังไทยยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่ค่ะกันวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้นยังทำตอนนี้ต้องทํางานตอนคืนนะฮะ ใช่ค่ะาโยมโยมยัมย ง, งงงกับเวลาอยู่ค่ะก็ทำงานจนถึงทเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เช้าก็มาทำงานต่อกลายเป็นทำตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์ mm. แล้วก็ช่วงนี้ก็ปฏิบัติน้อยลงค่ะพระอาจารย์มัวแต่หาของทานนานกลับมาเมืองไทยที่ละตื่นเต้นกับอาหารเยอะยาไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ ยมก็ยมก็เลยขออนุญาตลดการปฏิบัติหาอาหารทานก่อนค่ะว่าจะขออนุญาตเกลียนะกลับไปเราจะไปปฏิบัติอีกใหม่ก็ยมบอกว่าบอกลูกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามากราบพระจานทร์ก่อนลูกบอกว่าเอแม่กราบพระจานทร์บ่อยกว่าเจอเพื่อนอีกนะ ค่ะแต่ก็ยงว่าเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะจะได้เป็นกําลังใจของเขาจ้ะแล้วคุณจีบยังอยู่อ่ะมันกิ๊อยู่อยู่ค่ัพระอาจารย์ยงคุยกับเขายังไปเจอเขาเมื่อที่ที่แล้วยังไปยังไปวัดอรุณด้วยกันเลยค่ะนังไม่กี่วันเขาเขากับมาไม่ใ่เขากลับมาักวันเสาร์ประมาณนี้ปะค่ะก็ยังไม่ได้ยังอาทินี้ยังไม่ได้เจอกันนะคะแต่ก็คงทานอาหารเยอะเหมือนกันค่ะ ก็เดี๋ยวกลับไปล้วค่อยไปปฏิบัติใหม่นะคะตอนนี้ก็ช่วงก่อนุญากงดไปกเร่อนจะกลับเมื่อไหร่ะหนูยอมยอมกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะย7ิเจ็ดนะโอเคค่ะแล้ววเวลาน้อยริมตัดตรงกิเลได้เต็มที่กันเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่คับอาจารย์ค่ะสาธุงค่าอาจารย์กาบตระกลการโอเคไปที่คุณจอยต่อจอย ว่างไงอยู่พัทยาขายของอยู่ทุกวันอยู่เหมือนเดิมนะขายค่ะเพิ่กลับมาขายตอนแรกไม่ได้ขายลูกไม่สบายอ่าติดโควิด้วกันนะไม่ติดค่ามันเหมือนกับไปโรงเรียนแล้วเพื่อนเขาติดแล้วแต่ว่ามันไม่ติดเพราะมันเป็นไปแล้วแล้วถีดวัคซีนแล้วไม่ติดโอเคมีอะไรไหมเนีงก็มีมีแต่ก็ ก็ใช้ปัญญาสอนนะคะปัญญาสอนใจสาวตัวเราปล่อยวางป่อวใช่ค่ะทําะไนไม่ได้หมืนี้ไครเอาพูดที่ไม่ถูกใจก็แบบมันเป็นมาเป็นเพราะเราเราอยากที่สิ่งที่ดีๆจากเขาแต่เขาพูดไม่ดีเราก็เราต้องเป็นสาวที่ตัวเราก็พยายามแบบแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นแก้เขาไม่ได้แก้เราแก้ได้ค่ะมันแต่ละวันมันก็มีแบบเข้ามาแต่ว่าก็ใช้แบบ ได้สอนตัวเองว่าแบบมันจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่ก็ต้องแบบพยายามค่ะพยายามคิดถึงความตายมากเลยพี่เงินเดี๋ยวก็ตายจากกันละใช่ะแต่เดี๋ยววันวันสุกคนจะเยอะไหมหาบันพัด้วยบรรแม่ด้วยก็แยกะก็เชื่อของช่างของกันแหละเราจะทําอะไรเราก็ทํำไปไม่ต้องไปกังวกับเรื่องของกันไปใส่มากันอไปใส่ก็ไปใส่ก็ไม่ใส่วันนึงก็จะใส่ไม่ใส่กันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวค่ะก็ ตั้งแต่ว่าเรื่องของถังพระจะไปใส่บาท<อ>โอเคนะ<อ>ไปเจอกับหพ่ อ, อ, อโอเคคุณมาเลยต่ อ, อ ม, มาเลย ก, ก, าการการน้ังศการหลวงพ่อค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตอนนี้วุฒิกาดค่ะหลวงพ่ อ, อโอเคมีอะไรไหม หนจูจะถามเ อ, อ่ออาการของตอนที่มันจะเข้าสมาธิอะค่ะหลวงพ่อแต่ละครั้งเนี่ยมันมันมันจะมีอาการที่ไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนกันทุกครั้งใช่ไ่มคะใช่ไม่แน่นอน บางทีก็เข้าแบบทวดพลาดบางทีก็เข้าแบบทียร<ช>ทียรเก้าเทียรก้ากแบบทียรขั้นทียรขั้ น, น, นอย่างอย่างเช่นบางทีอาจจะกระตุกหรือว่าตกลุมหรือว่า อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบแบบแบบนี้ทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่จําเป็นไม่เหมือนกันทุกครั้งค่ะแล้วแล้วเอออย่างผู้ที่ถึงแล้วอะค่ะถึงเป็นพระเสดา ห, หรือว่าเป็นส ก, กิลอย่างเงี้ยค่ะคือเขา เขาจะต่างกันเนี่ยตรงตรงที่รัศสัรโยชใช่ปะคะที่ว่าสามข้อกับห้าข้อใช่ไหมผมที่ที่ที่ของสองระดับที่ได้อย่างเงี้ยมันจะต่างกันไหมคะไม่ได้ระดับโซดาสกิดดัทางเนี่ยใ ช, ใช่ค่ะก็ความทุกข์ความทุกข์จะน้อยลงไปด้วยตลอดขั้นเราขึ้นไปความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันจะน้อยลงไปห น, หนูหมายถึงความสงบที่ที่ ที่ที่นั่งนั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกันไหมคะอ๋อไม่ต่างความสมบึบของสมาธินี่เท่ากันค่ะค่ะจะม่ต่างที่ต่า ง, งที่ปัญญาต่าปัญญาที่จะดับความทุกข์ที่เกิดเกิดจากสมโยนดสมโยอดยังมีอยู่เยอะมันก็ความทุกข์ก็ยังมีมีอยู่เยอะถ้าย่ น, ยน้อยความทุกข์ก็จะน้อยลงไปนิดนึงค่ะแล้วแล้วคารวะนี่มี มีโอกาสไปถึงเอพระนาคาไหมคะหลวงปู่ไปได้ถึงพระละหันหนึ่งแล้วสมมติถ้าบร น, นไดสวดาแล้วมันเดียวมันก็ถึงพรหละหันี่ทุกคนค่ะว่าถ้าถ้าไปถึงถ้าไปถึงเอ อ, อนาคาแล้วคะ่ะมันมันจะเสื่อมกลับมาเป็นคนธรรมดาได้ไหมไม่ไม่ไม่เสื่อมทุกขั้นพอขึ้นไปแล้วไม่มีลองมีแต่ขึ้นไป ก่อนจะทะลุเพดานค่ะข้อข้อสุดท้ายค่ะหลวงพ่อแล้วอถ้าถ้าสมมติว่าเรามีความตั้งใจที่จะฝึกแล้วก็จะปฏิบัติให้มันให้ใ ห, ให้ให้เราทําให้ถูกอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วมันมันจะเป็นมันจะถือว่าเป็นเป็นเครื่องกั้นเป็นกิเลสเป็นความอยากที่ทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายไหมคะหลวงพ่อ ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะวันนี้หนูมีคําถามสามข้ อ, อค่ะหลวงพ่อ ก, ก็ต้องก็ต้องมีความปรารถนาที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นฉันทะเฉันทะความ<ต>ดีค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเรามีแต่ความปรารถนาแต่ถ้าเราไม่ลงมือมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกต้องถ้าปรารถนาเฉยๆ มันก็ไม่ได้เลยพี่ที่หลวงพ่อบอกว่าต้องทําเหตุด้วยใช่ไหมคะถูกต้องมันอยากจะกินข้าวอย่างเงี้ยมันกินข้าวอย่างกินจับข้าวก็ต้องไปหุงข้าวไปทํำข้าวค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดมีคนคอยมาบอกแล้วว่าเออไม่ต้องไปทําขนาดนั้นหรอกยังไงก็ไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเขาไม่จด้เป็นอาจารย์เราเขาไม่ได้เป็นอาจารย์เราไปฟังเขาทำไมรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์เร เราฟังอาจารย์รยค่ะคือบางทีก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาจะบอกว่าเราเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะของก็เรือ่องของเขาก็าจะรู้สึกไงก็เปเรื่องของเขาคือเขาพยายามมาบอกไม่ให้เราทําอย่างเงี้ยคแล้วเราเราเวลาแล้วแล้วแล้วแล้วตัวเราเราจะทําให้ทําอยู่ที่เขาบอกเราหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้ฟังเขาหนูหนูก็ ก็ย่งตะเกียบตะกายเข้าไปอีกะค่ะหลวงพอ่อนั่นสิเขาฟังก็รับเขาพูดอะไรก็รับฟังไว้ไม่ต้องไปเถียงเขาเดี๋ยวกานเป็นเรื่องเป็นราวเพืน่อค่ะหลวงพอ่อบอกขอบคุณนะดีค่ะขอบคุณนะส่วนเรานนจะทำเราจะทำอไรไม่ทําเป็นเรื่องของเราค่ะวันเนี้ยเขาก็มาพูดดีค่ะว่าโอ้ยตายไปอ่ะก็ไม่ถึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่ อ, อคือพยายามมาพูดพูด พูดให้เราฟังตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้ไปเถียงหรืออะไรนะคะหลวงพ่อแต่หนูก็คือหนูก็ตรงกันข้ามกับเขาอ่ะหลวงพ่อแต่เพียงแต่ว่าเขาชอบมาพูดเหมือนเหมือนมาเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจของเราว่าจิตใจเรารับเขาได้แบบค่ะหลวงพ่อมีการรับทุกขเวทนาได้แบบอันนี้ก็เหมือนทุกขเวทนาอย่างหนูหนูก็พยายามเมื่อเมื่อวันนี้เข้ามาช้าหนูก็ กว่าจะนั่งสักแป๊บเดียวมันก็เลยนั่งยาวไปถึงสามทุ่มสามทุ่มในน้อยไม่เป็นไรเราเป็นไรอาเยอะเค่ะหพ่อก็หัดหันรับกับทุกสภาพอาจารย์ไหมมันก็จะพูดไงก็เขาจะชมแล้วก็จะขัดกับเราก็ปล่อยเขาพูดไปปากเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามห้ามใจเราได้หนูสังเกตว่าไปเข้ามา เหมือนจะคอยถ่วงเราจะคอยหลังเราอะไรอย่างเงี้ยคืคอว่าเป็นเป็นมาเราทดสอบเราเรก็เหมือนว่าเรายังหนักแน่นกับทำที่พระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติดีกว่าค่ะหลวงพ่ อ, พอหนูนหนูหนูตั้งใจเต็มที่เลยค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้หนูมีเท่านี้ค่ะรายงานาหลวงพ่อค่ะถ้าสิ่งไหนที่เขาพูดดีแล้ว เ, เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาใช้ถ้าสิ่งไหนที่เขาพูดว่ามันไม่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ขยโยนทิ้งไปนั้นเองไม่ต้องไปเอามา คิดแทนว่าวางแบนให้หนักหับาหนักหัค่ะหลวงพ่อค่ะนะค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะหลวงพ่อกับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอที่คนแเบตอเบแอเบ่ไหนป่าพานจันค่ะอยู่ใช่ไหนคนแอรนเบอัทยาค่ะอัทยานะหลวงพ่อมีอะไรมีอะไรหอาจารย์บ่อยอืม เพิงเข้ามานะคะก็ฟังพระอาจารย์ประจําอยู่ครับก mm ็ hmm. คือจะเข้ามาถามในเรื่องของของของไม้เหมือนเดิมนะคบพระอาจารย์คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเขามันอ่ามากวนอารมณ์เราแล้วก็กิเลสเราเยอะมากที่พระอาจารย์บอกว่าต้องไม่ตายเยอะๆก็คือเราก็คือไม่ตายเยอะแต่เข้าใจนะครับว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือเห่าหอนทีนี้มีอยู่ว่าถ้า หนูเคยเอาไอ้นี่ยมาลัดปากเขาไว้อ่ะมันจะเป็นอะไรไหมคะอยากจะไปซื้อมาลัดปากไว้เพราะว่ามันรบกวนข้างๆบ้านด้วยนะคะได้ไม่เป็นไรค่ะมันก็ต้องต้องต้องสั่งสอนมันบ้างน่อยเอามาถ้ามันห่าว่็เอามาเก็บถ้ามันไม่ห่าก็ปล่อยมันเอาออกต่อไปว่าได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้ามันห่ามันไก็จะจะถูกลงโทษแบบนี้เอาไปมันก็จะไม่กล้าห่าวะีก อ๋อนะคะเพราะว่าเราก็ปฏิบัติเขาอ่ะเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าที่เที่หรืออะไรอย่างเงีหมือนเดิเวลากินแขงเวลากินก็น่อยเพราเก็งไม่ใช่ให้เขาไม่ให้เขาเกิงอ่ะเหมือนเขาเรียกเขาอยู่ตลอดเวลาให้เราอ่ะลงไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็จะล้อยังไงก็จนแบบวิธีทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลัวว่าข้างบ้านเขาอ่ะจะลำคานาไปอย่าไปตามใจเขา่าตามใจเขามาหรือเขาก็เสียนิสัยอ๋อค่ะ ก็ก็มีคนบอกว่าเนี่ยตามใจเขาใช่ไหมเขารู้ว่าเราอะโอเครักเขาแล้วก็เออดูแลเขาแต่บางทีตัวเองก็มีอารมณ์นะคะเพราะว่าเ อ, อ่อต้องไปคอยพิกอยู่ตลอดเวลานะคะพระอาจารย์เพราะว่าเขาเรื่องเแขกกดทับแล้วเราก็เข้าใจแล้วเห็นแก่ก็ไปซื้ อ, อยานะคะมาให้ทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์อีกอยางเป็นว่าน้าหนักเพิ่มมากขึ้นตัวเองก็จะไม่ไหววันนี้ก็ไปนวดมาแล้วก็ไปข้อแก้วก็เลยว่าโอ้โห คือคืออน้ำหนักเข้าเพิ่มเราก็พิกไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะไหวแล้วที่นี้ก็กลายเป็นว่าอ่คนแก่อยู่ที่บ้านก็คือเริ่มลาคาญอันนี้ก็คือเข้าใจอ่ะคะ่ะก็ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยมัตามมูลตามกรรมไปก็แล้วกันถ้อทําไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปตามมูตามกรรมามอก๋อนะคะอืเพราะว่ารู้สึกว่าจะจะรบกวนคนอื่นทั้งคนในบ้านอะด้วยอะคะ่ะก็ เ, เปล่อบ มามามาใส่ปากไว้มันจะได้ไม่ไปเหา่าไม่ต้องเหา่าใช่ไหมคะแต่เวลาให้กินให้ฉี่อะไรเงี้ยเราก็กเวลามันไม่เหา่าก็เราเปิดออาจจะใส่เปนสักชั่วโมงเดียวแล้วก็แล้วก็เอาออกพอมันเหา่า ก, ก็ใส่เข้าไ<อ>าปต่อไปมันจะเรียนรู้ไงว่าเวลาเวลาเห่ามันก็จะถูกถูกถูกมัดไว้ถ้าเวลไม่เหา่ามันก็ไม่ถูกมัด อันนี้ก็เป็นในเรื่องของที่ที่เราจะต้องมาฝึกในเรื่องของอารมณ์เราด้วยใช่ไหมค ะ, ะอาจารย์เราก็ต้องไปกดเขาแล้วก็เฉยๆไม่ตามเหมือนอย่างสงสารเขาแต่ที่เราต้องต้องต้องมาเข้เขาต้องสอนเขาเราก็ต้องทำไปอ๋อค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นในเรื่องของอ่ะทั้งคนในบ้านส่วนวนมากจะเป็นในในเรื่องของการที่เข้ามากระทบในเรื่องของ ของใจของจิตของเราด้วยเพราะว่าเออยู่กับหมาแล้วก็ตอนนี้ก็แม่ก็ไม่สบายแล้วก็คือดูแลคนแก่คือถามว่าใจตัวเองตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะนิ่งขึ้นเยอะมากๆเลยตั้งแต่ได้ฟังผ้าจารย์มาแล้วก็ได้ฟังคําถามหลายๆคําถามที่ผ่านมานะคะก็เข้ามาฟังอยู่ตลอดบางทีอยากจะถามก็แค่เข้ามาถ้าไม่ถามก็คือฟังทางเฟซบุ๊ก่ะคะผ้าจารย์<ม>ก็รู้สึกว่าจะทําให้ตัวเอง เข้าใจแล้วก็นิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของการนั่งสมาธิอะหนูยังนั่งไม่ได้เยอะแต่ว่าสวดมนต์เนี่ยจะได้เยอะมากกว่านะคะพระอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นการฝึกสฝึกสมาธิอย่างหนึ่งไหมคะใช่ใช่เป็นการฝึกมังกรก่อนถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ค่ะบางทีก็ต่อสู้กันเลยบางทีเนี่ยก็ต้องแบบใจโหมฟุบไปทีหนึ่งก็ป่ากก็อยู่กับที่แล้ก็เลยรู้ว่าโอ้โหนี่กิเลสหรออะไรอย่างเนี้ เออพะต้องพยายามดึงเข้ามาอย่างนี้พระอาจารย์ถูกต้องไหมคะถูกต้องพยายามหยุดหยุดใจเราอย่าให้มันคิดเนื่องนั่นกนเราเอค่ะเวลาที่เราทำงานหรืออะไรอย่างนี้คือพยายามเออเหมือนเหมือนใจเราคิดใช่ไหมคะความคิดเนี่ยมันมันห้าไม่ได้ใจเนี่ยเราไปละเราคิดเกี่ยวบตรงโน้นตรงนี้เออเรื่องในครอบครัวอะไรบ้าง แล้วก็ให้ยามดึงเข้ามาอัดถูบ้านแปลว่าพูดโทรพูดโทรไปอันนี้อันนี้ก็ถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องอ๋อใช้พูดโธรหยุดความคิดนึ่งนึ่งเก็บแกลับมาอยู่ที่งานที่เราทําอยู่อืมอืมหาพระอาจารย์แล้วก็คนะ่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะครนะับโอกาสน้าค่อยเข้ามาใหม่นะค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคอ่านที่คุณหมอที่ติการหมอเป็นยังไง ดีกันไหมไปไหมก่อ น, อ, นอยุดกลุ่มใช่ล ะ, ะ ไ, ม ไ, ไม่ได้มาถวายการปฏิรายงานว่าทำอะไรไปหลาย หลายเเวลาที่ผ่านมาค่ะอ า, าจารย์ค่ะก็คืออย่างได้แต่ได้คุยกับคุณแม่ชิมิงค่ะอ า, าจารย์ว่างานะเยอะมากค่ะอ า, าจารย์ค่ะแต่ว่าในเรื่องของมรณานุสติรู้สึกตัวเองพัฒนาขึ้นมากเพราะมีบางวันที่เคยได้เข้าไปฟังหลวงปู่เหลี่ยนะคะท่านบอกว่าแม้กระทั่งแบบเหมือนกับอย่างสัตว์ร้ายเช่นงูอย่างเงะะี้ยว้าจะมากัดเราแน่นอนเราต้องระวังตัวแต่ถ้าเกิดถ้วเราถูกงู ก, กัดเราก็ต้องทําใจว่าเออมันถึงข้าวอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ต้อง อภัยเขาแล้วก็ต้องยอมตายอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็แบบประกบผอฟังอันนี้เสร็จเนี่ยปกติถ้าจะเห็นโยมไปใส่บาตรทุกวันเสาร์เช้าอะค่ะโยมจะทํางานหนักวันศุกร์แล้วโยมมันจะได้มีโอกาสเอสันชิกอะคะ่ะก็คือทําครัวจนถึงตีสามครึ่งแล้วก็ออกเลยเพราะฉะนั้นโยมก็จะไม่ได้นอนคืนนี้โยมก็จะคิดว่าเวลาที่โยมไม่ได้นั่งสมาธิก็จริงค่ะถ้าจะขารแต่ใจมันจะอยู่กับการทําอาหารบางทีก็ปวดหลังแต่มันก็เหมือนกับคือโยมก็คิดว่า ถ้าเป็นคนอื่นจะคิดว่าโยมาทรมานตัวเองคะ่ะท่านอาจารย์แต่โยคิดว่ามันเป็นการฝึกเพราะโยจะชอบแบบฝึกแบบอยู่กับกายอะคะ่ะถ้าอาจารย์บาทีมันจะนิ่งกว่าการนั่งสมาธิอะคะ่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเ อ, อบางทีสมมติไขขาดหรืออะไรขาดนะคะถ้าอาจารย์โยก็จะเดินออกไปมืดๆเลยะคะ่ะไปเซเว่นแล้วบางทีจิตมันก็จะหลอกนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะโดนรถเฉียวอาจจะตายกลางทางแล้วยมก็เห็นเลยะคะ่ะว่าจิตมันนิ่งว่าไม่เป็นไร คนเราถ้ามันไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายถ้ามันตายมันก็คือตายอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าจิตตรงเนี้ยมันวางค่ะท่านอาจารย์หรือว่าบางทีเวลาขับรถไปเนี่ยหลังๆเนี่ยฝนเริ่มตกค่ะท่านอาจารย์บางทีจิตมันก็เร็วอะค่ะคิดว่าวันนี้เรารถกลับดีกว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะตายแต่จิตที่มันดีกว่ามันก็บอกไม่เป็นไรตายก็ตายก็คือสร้างเหตุก็จบก็คือถ้าตั้งใจแล้วก็จะไม่ถ่อเองอยค่ะแล้วยอมก็รู้สึกว่า ทุกครั้งที่ได้ไปใส่บาทรแจารย์นะคะมันเหมือนกับบางทีจิตมันนิ่งค่ะแท้จ้านขาสมว่าเราโอ้ยบางทีทําอาหารทั้งคืนเหนื่อยมากแท้จ้านขาเราคิดว่าเราทําปลานี่แต่พอไปถึงบางทีเห็นพอพระท่านรับปุ๊บปัดใส่ถังอย่างเงี้ยค่ะแท้จ้านบางวันจิตมันนิ่งมากคือมันทำแล้วทิ้งนะคะแทาจ้านแต่บางวันจิตมันก็ไม่นิ่งมันก็เหมือนกับมันได้ฝึกทุกครั้งนะคะแอาจา้านขาแล้วก็พอหลังๆแอาจารย์ก็จะเตือนเรื่องธรรมะโอษฐ อย่างครั้งล่าสุดเหมือนท่านอาจารย์รู้ว่าโยมแบบไม่ได้ทนเวทนาอะไรนะคะเพราะว่าคือช่วงหลายที่ที่ผ่านมาโยมเพิ่งมาติดโควิดแล้วก็ไขสลังโยมอักเสบปวดจนโยมเดินไม่ได้คะ่ะท่านอาจารย์ค่ะมันมีกระดูกชัดเส้นแล้วก็มันผ่าตัดไม่ได้อะคะ่ะทีนี้เวลาเดินไม่ได้เนี่ยมันจะปวดมากคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะบางบางทีโยมก็รู้สึกว่าโยมเคยอดทนคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะบางทีปวดท้องแบบปวดจนสลบ ก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วก็ตื่นมาโยมก็คิดว่าอักชังนี้โยมสอบผ่านไปถ้าอาจารย์บอกธรรมโอสถแต่บางทีเนี่ยมันปวดมากบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจมั น, ม, นมันเหมือนกับมันไม่มันไม่ดีพอครั้งนี้ก็คือไม่ไหวขอไปรับยาแก้ปวดแต่โยมก็คิดว่าเวลาที่โยมไปรับยาแก้ปวดเหมือนถ้าอาจารย์บอกว่าไม่มีผลเสียแต่โยมก็จะเถียงในใจลึกๆว่าแต่โยมมีสติค่ะท่าอาจารย์เนี่ยเป็นต้นมันโยมก็คิดว่า อย่าอย่าทรมานมากเลยคือมันเหมือนกิเลสนะคะถ้านาขามันจะเหมือนกับบางทีมันจะมาล่อหลอกแล้วทุกครั้งบางทีเราจะสอบผ่านแล้วบางทีเราก็จะสอบไม่ผ่านแต่โยมก็จะพยายามอย่างครั้งเนี้ยอย่างโยมครั้งเนี้ยโยมตั้งสัญจาว่าเดือนหนึ่งอะโยมจะรับยาแก้ปวดไม่เกินสีครั้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น mm hmm. อันนี้ก็เหมือนกับเป็นบททดสอบทางเวทนาของโยมค่ะแล้วก็ในเรื่องของโยมยังทํางานอยู่ถ้าอาจารย์ก็รู้ว่าการเป็นแพทย์ การไปอาจารย์แพทย์อะมัอทียมรู้กับรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันมีเรื่องมาเนะตัวตนเยอะมากปีที่แล้วเวลาเขาประเมินโยมแล้วเขาเรียกยมไปตรงนี้โดยที่ยมไม่ผิดเนี่ยโยมก็จะเหมือนกับโต้ย่างออกไปทั้งที่ใจยมมหาธาตุอนะาจารย์ขะมันเหมือนนิ่งแต่เวลายมโต้ย่างมันเหมือนแค่กิริยาที่จะอธิบายอนะคะ่ะแต่ครั้งเนี้ยมันแปลกมากนะคะ่ะอาจารย์ยมเนี่ยเพราะว่าจู่ๆมันเหมือนเสียงเตือนว่าก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผิดหรือถูกเนี่ยเราอยู่กับ ยังทำงานในโลกมันเป็นโลกกระทำมันมันอยู่กับสันเสริญกันนินทาไม่ได้แล้วยมก็เลยเงียบสนิทแล้วก็ไม่ไม่แก้ตัวไม่ไม่ตตวอยางอะไรอะคะ่ะแล้วก็ออกมาแล้วยมก็ไปเล่าถวายพแม่ชีหนิงว่ามันเหมือนกับจิตกับสังขารมันอยู่คนละก้อนแต่พอวันรุ่งขึ้นคะ่ะถ้าจางขามันเหมือนความลอยมาเป็นฝุ่นนะคะว่าเอ๊ะทำไมแบบเราไม่ผิด ทำไมเราไม่แก้ตัวแต่โยมก็ยังเห็นจิตกับสังขารมันแยกกันนะคะท่านอาจารย์แต่พอมันเกิดขึ้นสักสาครั้งโยมเริ่มลาคานโยมก็เลยโทรไปติดกาวเป็นแม่ชีหนึ่งแม่ชีหนึ่งก็ตําหนิว่าเพราะว่าสติอ่อนจริงๆอ่ะถ้าเกิดมันมันดับได้จริงอ่ะมันต้องจบตั้งแต่วันนั้นแล้วพอคุณแม่ชีหนึู้นี้ปุ๊บมันดับเลยค่ะท่านอาจารย์มันไม่มาอีกเลยโจทย์นี้ก็เลยแก้ตกค่ะท่านอาจารย์คะแล้วก็อย่างจริงๆแล้วอย่างเรื่องลูกกับครอบครัวกับสามีอ่ะโยมคิดว่าโยมตัดได้้เเยยออะะพพสมคววรแลัง ที่โยมกราบเรียนท่าอาจารย์ว่าเป้าหมายของโยมเนี่ยโยมจะทํางานอีกไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวโยมจะไปปลีวิเวกแล้วคะ่ะท่านอาจารย์แต่บางทีมันก็เหมือนมันกระเพิ่มนิดๆค่ะอย่างเรื่องลูกอย่างเมื่อวานกระเพื่อมมันก็จะกระเพิ่มแค่สองนาทีแล้วพอสติมันมันนิ่งก็งคือมันตัดเลยคะ่ะท่านอาจารย์ว่าจริงๆมาก็คือสมมุรณ์เดี๋ยวก็ไปละเพราะฉะนั้นเ อ, อทุกคนเน่ะเด็กทุกคนที่เกิดมาเป็นลูกเราเขาก็มีบุญมีกรรมของเขายาเราไม่ต้องห่วง เราก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ก็ก็รู้สึกว่ามันมันเงียบขึ้นค่ะใจใจมันไม่เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ใจมันไม่เหมือนเดิมแต่มันก็ยังเห็นทุกข์ซึ่งบางทีมันบอกไม่ถูกค่ะว่าทุกข์นั้นคืออะไรค่ะท่านอาจารย์ต่อให้ไม่มีไม่มีเรื่องทุกข์เลยค่ะแต่มันเหมือนมันเห็นทุกข์ทุกขณะท่านอาจารย์ค่ะมันก็เหมือนกับมันแบบมันมันเหมือนมันเราเหยียบเรือสองแคมค่ะท่านอาจารย์แล้วก็คิดว่าทําไมเราไม่ตัดสินใจปิกวิเวกไปบวชเลย มือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วยมคิดว่าการเอาชีวิตเข้าแลกอะค่ะแค่แค่โยมจะยอมหยุดงานทั้งโลกทำไมโยมยังทําไม่ได้ยอมยมคิดว่าโจทย์เนี้ยยมยังยังไม่ผ่านคะ่ะท่นอาจารย์ค่ะแล้วก็เรื่องอย่างการราคาที่ท่านอาจารย์บอกให้ยมไปพิจารณาอสุภะนะคะท่านอาจารย์ค่ะจริงๆอะ่ะโยมแบบไม่ได้เสพสังวาดมาหลายปีมากเตี้ยห้องนอนกับสามี แต่ต่อให้ไม่ได้เห็นรูปไม่ได้เห็นลายอ่ะโยมเห็นเลยค่ะว่าการราคะมันเหมือนกับอนุสัยที่มันลอยขึ้นมาค่ะถ้าอาจารย์แต่โยมอ่ะบางทีโยมไม่ได้พิจารณาสุภาษค่ะพอโยมแค่มองว่าโยมเห็นแล้วมันสามารถดับได้ภายในหนึ่งนาทีอย่างงี้ค่ะถ้าอาจารย์ว่าอย่างนี้โยมทำถูกไหมคะหรือว่าโยมยังต้องคือโยมรู้สึกว่าโยมไม่อยากจะเถียงว่าจริตโยมค่ะท่าอาจารย์โยมอาจจะพิจารณาสุภาษแล้วมันไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าโยมอาจจะชินกับการเห็นสุภาษมาก จนรู้สึกว่าจิตมันมันพิจารณาอสุภะแล้วมันไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่แต่พอยมเจริญสติว่าแค่มองแค่มองแล้วก็มีสติมันดับเองแล้วก็จบถ้าคามมันได้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าวันนั้นยมเข้าไปฟังท่าอาจารย์แทาาจาย์บอกว่าถ้าแค่รู้เฉยๆยังไม่พอต้องรู้แล้วดับให้ได้ ถึงจะเจริญก้าวหน้าค่ะ อ, อันนี้อันนี้ก็คือก็คือการปฏิบัติที่ผ่านมาค่ะถ้าอาจารย์พอดีอมไม่ได้ไปที่ฟังธรรมท่านอาจารย์แต่ว่าฟังจากที่บ้านแล้วก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอไม่เป็นไรค่ะยินดีที่ได้ยินได้ฟังปฏิบัติต่อไปนะมาติดตามนะค่ะแล้วก็ ค, คิดว่าเออยังไงก็คิดว่ายังไงก็คงจะ ผิตวิเวก แ, แน่ๆค่ะท่านอาจารย์ขค่ะในไม่เกินสักห้าหกปีเนี้ยที่จัดการปัญหาทางโลกให้มันจบแล้วก็คิดว่าคงจะไปแน่ค่ะท่านอาจารย์ได้ได้ได้แล้วจะมีข่าวสดมากขึ้นค่ะท่านอาจารย์ขะแล้วก็เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าอยากเข้าถึงมัดเข้าถึงผลแต่พอเดี๋ยวนี้ค่ะท่านอาจารย์ไม่อยากค่ะท่านอาจารย์รู้แค่ว่า สู้แค่ตายค่ะท่านอาจารย์ แ, แล้วก็ว่าสร้างเหตุไว้ต่อให้ชาตินี้ไม่ถึงอ่ะโยมมั่นใจว่าโยมถึงแน่นอนไม่ชาติใดก็ชาตินึ้นค่ะโอเคดีมากสูต่อไปนะ ส, สู้ต่อไปสู้ไม่ถอค่ะค่ะแาถออ่าถาถึงคุณโยมปุ้ยจากักสมเบอร์ักสมเบอักสมเบค่ะกับนมัสการคระอาจารย์อ่าว่ายัางไงมีอะไรไหัหย ไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยโยมก็เข้ามารับฟังทำจากพระอาจารย์มาเติมพลังแล้วก็เออเพียงแค่เออสีหนึ่งที่อยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะคือคนถือสีแปดนี่กินไอติมตอนเย็นได้ไหเอ่อไม่ได้รหรอกไอติมมันละลายกินอะไรไอติมมันละลายนี่ค่ะไอติมมันมีนมใช่ไหมถ้าไอติมแบบไม่มีนมได้เหรอเนี่น ไ, ไอติมไม่มีนมค่ะ เป็นเป็นไม่ติดมันต้องมีนมที่มีอย่างนี้ไม้ไม้อะถ้าเป็นแบบที่ไม่มีนมก็กินได้เขาเรียกพวกครติโกน่ก็กินได้แต่ถ้าเป็นพวกฟูกที่มีนมพวกนี่มันไม่ได้ว่านมถือว่าเป็นอาหารไงโอเคเข้าใจแล้วค่ะกาแฟนี่ก็ใส่นมไม่ได้เป็นเกาแฟเป็นชาเนีใส่ยมยมไม่ใส่นมยมไม่เคยกินใส่ หรือแม่นมเทียมก็ไม่ได้เมืม่มอาะนมเทียมมานถือว่าเป็นนมไม้ไงานได้ค่ะเลยเข้าใจแล้วค่ะโยมก็ถือมาถือสิบแปดมันมเรื่อยๆเลยแล้วก็บางทีอ่ะมีมีอยู่สองวัน <c oughs> ลืม <c oughs> <c oughs> แบบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็เราก็แบบไม่ไม่โกหกไม่อะไรถือสิบห้านี่เราก็ครบก็โอเคแล้วค่ะแต่โยมก็ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันค่นสะสวดมนต์ไหว้พระค่ะ โอเคใช่ทีจ่อนาเวลากายจะหมดเดี๋ยวต้องไปหลายคน้ค่ค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาบร่างกายพักผนแข็งแรงนะคะโอเคคอใสุขใจเจริญให้เราไปเวยสวยในศาลบานอยูรวยนะศาลยุ่งใช่ไหมจะเคไปที่พทลวันพทวันอย่ท่ไหนค่ะบสวัสดีค่ะพระอาจารย์อยู่เสาชิงช้าค่ะ มีอะไรว่ามาเลยนะคือเขาเข า, อเขาชอบหน่อยค่ะก็คือปฏิบัติอที่ที่อาจารย์แนะนํำมาค่ะ ว, ว่าปฏิบัติแต่งเวลานั่งสมาธิอะค่ะก็คื อ, อช่วงเช้าจะนั่งสมาธิส่วนตอนช่วงบ่ายทํางานนะคะคราวนี้ก็คืออา้านั่งสมาธิสองชั่วโมงอะค่ะแต่คราวนี้เจอเหตุการณ์ก็คือก่อนเวลาห้าทีอะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนตกตึกอ่ะค่ะแล้วก็เหมือนปุกให้ตื่นเลยตกใจว่าใครมาทําเสียงอะไรแล้วก็ เหมือนหัวใจกระชากอะค่ะก็คือไม่แน่ใจว่าคือเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ครนี้พอพอทำมารอบที่สองอ่าวันนี้อะหารก็คือเหมือนกับว่าเหมือนผ่านไปด้วยดีคือคือตั้งนาริกาปลูกอะค่ะพอาจารย์แต่ว่าก็คือคือมันจะมีจังหวะคือปวดเมื่อยอะเราก็รู้ว่าปวดแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราคือบอกตัวเองไปพอมันผ่านจุดร่างกายนี้ของเรามันก็คือลืมไปแล้วก็มีความ เบาตรงขนแล้คือเลยไม่เข้าใจว่าตอนนี้คือพัฒนาการไปถึงไหนแล้วค่ะผอาจารย์แล้วก็ถูกทางไหยเราไม่แน่ใจว่าแบบอะไรคือตุสังเกตหรือหรือยังไงอะค่ะผอาจารย์คือเราอย่าไปทุกข์กับร่างกายก็เราวกันถ้าไม่ทุกข์กับร่างกายเราไปถูกทางร่างกายเจ็บไข่ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันมันจะตายก็ไม่ต้องทุกข์กับมันค่ะก็เราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เรา คิดยืนยืดเรื่อยเวลาไปยืนไปติดร่างกายไว้มันไม่ใช่ลเอย่างมันก็ตายนะ้วห้ามมันไม่ได้ค่ะและ<ม>คือขยับไหมคะพระอาจารย์สมมุติว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ขอขยับได้ไหมคะพระอาจารย์บบเราได้จะขยับได้แต่ถ้าเวลาเฝึกขยับไป ข, ขยับต้องการปล่อยมันเต็มที่ตามช่วงที่เฝึกก็ปล่อยมันไม่ต้องไปมันจะเจ็บจะปวดยงไงก็ช่างขหัมัน่อย เพื่อจะได้ชอบอยู่กับความเก็บเหมนต่อไปเวลาร่างกายเก็บเราจะได้ไม่ทุกข์กมาหค่ะพรอาจารย์ก็คือคือคือทําอย่างนี้ไปเรื่อยทุกสองชั่วโมงทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหมพระอาจารย์ทำให้มากขึ้นยิ่งได้มากเท่าไหร่ได้ยิ่ดีก็ขยับเวลาใช่ไหมฮะขยับเวลาไปเรื่อยๆค่ะก็คือมีจังหวะอั น, นึงคือพอหลังจากอนุโมทนาบอกว่าให้ให้ใหอ่า ญาติโย่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาอะไรเงี้ยมาอนุโมทนามันก็จะรู้สึกว่าแบบแบบเย็นๆนะคะอาจารย์การเป็นโมหานยังไม่มีใครเข้ามาอนุโมทนากับเราอะไรนะคะมันเป็นโมหานพูดไปอย่างนั้นเองไม่มีใครเอ่อไม่มีใครเข้ามาสนใจกับเราแบบอ๋อค่ะแต่เราก็มีชีวิตของเขามีชีวิตของเขาที่เขาจะต้องกังวลเงี้ยก็ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าดูเราอนุโมทนากับเรา อ๋อก็คือเราเราแค่รู้สึกเบิกบานด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ว่าความคิดเองดีใจไปกับความคิดนั้นกะ็ก็ไม่ไม่ไม่เสียหายตรงไหนหรอกแม่ดาวค่ะก็คือเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆแ ล, แล้วเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะพัฒนาหรือต้องอยังไงคะพระอาจารย์แบบก็ทําให้มากก็เปนะ็นการพัฒนามันอืมค่ะได้ค่ะให้นานที่สุดโอเคค่ okay นะนานที่สุดให้มากที่สุด เหมือหาเงินนี่ก็อยากจะได้มากที่สุดไม่ใช่อค่ะถ้าเดือนนี้ได้แสนหนึ่งเดือนหน้าให้มันต้องสองแสนนี้ยต้องไปพัฒนาใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิได้สองชั่วโมงต่อไปก็สามชั่วโมงเนี้ยอ๋อได้ค่ะอาจารย์คนะ่ะได้ค่ะได้ค่นนนนะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณแอมมี่ก่บแอมมี่มีอะไรหมคุณพทัทยา พูดได้เลยลูกๆนอนท่าเลยแล้วไปอยู่กับพ่อเข้ามานี่ครัสวัสดีคะ่ะพระอาจารย์ต้องดังหน่อยวันนี้จะมากับขออุบายฝึกสติจากพระอาจารย์หน่ยอยเจ้าค่ะง่ายๆก็ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆทำพุทโธก็หยุดความคิดไม่ให้คิดไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แช่พุโทโธพุทโธไปโน้ตสวนอติปิโไปแทนก็ได้ ด้วยเฝ้าดูร่างกายเราัะทำอะไรอยู่กินใ ห, ให้อยู่กับการกินน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวให้อยู่กับการาน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้ไปคิดเรื่องแล้วไปการฝึกสติไปซึ่งเราเปลี่ยนหน้บางทีเราใช้พุโทโธบ้างกระดาษใช้ดูร่างกายบ้างกราษสลับกันไปกนันมาส่วนอิทธิบิสโรว์บ้างกระดาษกระดาษนะ้นองทําดู แล้วใจเราจะได้นิ่งจะได้ไม่ลอยไปลอยมาตามาพักที่ต่างๆไม่พั ก, กจ้างเหมือนลูกไหมลูกๆตอนนั้นตอนกันหมดแล้วะหรอยังยังค่ะอยังได้ยั ง, อ ย, งยอยู่<ต>ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะไม่อยู่ค่ะจะไปอยู่กพ่อนะโอค่ะได้มีอะไรไหม ก็ยังทำใจไม่ได้เท่าไหร่เป็นวันแม่ปีที่สองนะคะที่ไม่จะไม่ได้อยู่กับ ล, กละะูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็เทศกาลอื่นก็ปีใหม่สงการหรือเทศกาลอื่นก็พอทำใจได้แต่พอเป็นวันแม่แล้วก็แบบมันจุกจนิดหน่อยะคะอ่ะก็ะคิดว่ามันเป็นธรรมดาการท้าทาจากการที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่ก็เลยถือว่าเป็นการซ้อมมา ก, ก็ดีเลยค่ะถือว่าเป็นการฝึกซ้อมไป แค่วันเดียวนั่นึองไม่ตายหรอกสบายเสอีกอยู่คนเดียวจะได้ไม่มีใครมารบกวนเราค่ะจะได้ฝึกสตินั่งสมาธิได้สบายค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณคนระับอาจารย์ในที่คุณโคมก็ทําลองทำสมกานครับอาจารย์ครับมีอะไรไหยครับก็วันนี้จะมาอ่าอ่า เล่เรื่องการเดินจงกรมครับพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาได้ปฏิบัติอยู่ที่คอนโดครับเนื่องจากเสียงดังครับก็เลยหันมาเดินจกงกรมต่อครับล่าสุดที่พระอาจารย์แจ้งผมว่าเวละเดินเนี่ยอย่าไปดูอะไรก็คือสังให้โฟกัสเฉพาะที่การลงเท้าครับทีนี้ผมก็เลยตั้งใจออกเสียงขวาซ้ายซ้ายขวาไปตลอดการเดินนะครับซึ่งก็เดินได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีอาการตัวเบามีความสุขครับพอเดินเดินไปแล้วก็ อ่าการผมจะคิดแค่ต่อเมื่อเวลาผมจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วดูว่าผมต้องเลี้ยวซ้ายเพราะผมต้องก้มหน้าไม่อยากดูคนอื่นเพื่อเพื่อป้องกันการคิดปรุงแต่งนะครับก็พยายามรู้จะรดนเท้าไปครับทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกแบบเชยตลอดเลยรู้สึกว่านิ่งสงบคือแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องนะครับอ า, าจารย์ครับทีนี้มันมีอีกนิดหนึ่งครับผมก็ลองทําในทุกมาทุกวันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันรู้สึกดีกว่าการนั่งสมาธิทั่วไปครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าออดีมากๆเลยทีนี้หมดผมก็เลยเกิดว่าอยู่ดีเวลาผมอ่าสัมผัสถึงซ้ายขวาขวาซ้ายบางทีผมก็มโนภาพขึ้นมาว่ามันเป็นแบบผมเห็นภาพพี่ว่าผมไม่ต้องไปรู้สึกที่เท้าแล้วผมเห็นภาพเท้าของผมเองที่มันกําลังทํางานเป็นประมาณเนี้ครับอย่างนี้ผมควรจะควรจะสนใจมันไหมครับก็ได้คือขอให้เราใช้ใจเรามีอะไรเกาะติดไว้ก็แล้วแต่เพื่อจะได้ไม่ไคิดเรื <ๆ S 2> ร่องราว ครับอาจารย์ครับแล้วช่วงนี้หลังจากที่นั้นผมก็รู้สึกว่าผมปล่อยวางหลายเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องลาบเอยผมเองก็คือเคยบ้าน ง, งานมาก่อนนะครับที่ผมอ้วนก่อนนั้นที่ผมอ้วนเพราะว่าผมก็บ้าหาเงินหาทองมาเยอะจนไม่ค่อยดูแลตัวเองครับเรื่องยศเรื่องสรรเสริญผมก็ไม่ค่อยสนใจนะครับใครจะ้านยังไงก็ไม่เป็นไรเราสนใจเรื่องตัวเองครับแล้ว ครับผมแล้วก็วัตถุอะไรที่ก่อนหน้า น, นี้ยครับที่คือผมเคยไปนสนใจเรื่องปเปลือกเปลือกเช่นพาเครื่องอะไรผมว่าขายหมดเปลี้ยงเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีค่าทางใจสำหรับผมแล้วครับช่วงนี้ก็คือเก็บแต่อ่าหนังสือที่มีความรู้ดีๆแล้วก็ดูคลิปอาจารย์สอนมากกว่าช่วงนี้ก็หันมาสนใจเรื่องอะไรแบบนี้แทนครับอาจารย์โอเคคร้าว okay. ครับ อยากไปคราสชอจากรูปเสียงกริ่นตังน้งแน่ครับครับอาจารย์ครับจนเพื่อนฝูงเขาก็เลยแบบเริ่มเริ่มแซวแซวกับผมนะให้ เ, เ่มเอมึงจะแต่งงานกับแฟนหรือเปล่าวะเนี่ยมึงมาทางนี้มึงจะไปบวชหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงผมว่าผมว่าตั้งใจอยากจะบวชนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยแบบอ่าซ้อมทานอาหารมื้อเดียวไปก่อนนะหลบก็คือลด <c oughs> นับไปด้วยเดินจงกรมไปด้วยครับแล้วก็อาจจะเคลียร์ภาระเรื่องคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่เรื่องอะไรให้เรียบเรียบร้อยก่อ น, นครับผมเค okay. ครับก็มีคำถามไหครับอาจารย์ครับอ่าเรื่องการปิดกาแฟครับพอดีผมเห็นว่าอาจารย์อ่าพูดถึงบ่อยมากผมกลัวว่ามันจะเป็นผิดสินข้อห้าหรือเปล่าครับบางทีเหมือเราต้องกินกาแฟเพื่อให้เราใช้ชีวิตทั้งวันนะครับในในในการทํางานของคกรุงเทพนะครับมันถือว่าเป็นการติดนะครับมันมันติดเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะไม่ติดก็เราหยุดชั่วครั้งเดียวลยแล้หยุดได้ปะ อ่าผมหยุดมาสองสามแล้วผมรู้สึกว่าพระอาจารย์พูดบ่อยอย่างนี้ร่างกายมันก็เสียติดขึ้นมาถึงแม้มจะเป็นกาแฟก็เลยพยายามแบบลดมานิดนึงครับพรอาจารย์ครับเ้อ ง, องยุดเราไ่งไปเลยแล้วไม่ต้องไปเฉกนอหไรครับพรอาจารย์ครับก็วันนี้รบกวนพระาจารเท่ า, านี้ครับพรอาจารย์โอเคนะครับถ้าไม่เสียแล้วมันสบายไม่ยากมากังนกวนคอยหากาแฟมั น, นยู่เรื่อย ครับผมก็เลยเนี่ยถ้ามันจะม่วงก็เดินตรงกรมให้มันหายม่วงสิผมก็เลยเอามาใช้กายแทนครับป้าชานใช่การทำง่วงใช้ช่วง้าหน้าที่เราติดมันพอเราพอเลริกไม่ติดมันแล้วมันก็ไม่ไม่ม่วงแล้วครับป้าชานครับผมากครับป้าชานโอเคแต่คนที่คุณยอห ย, ยิ้มเชนอะ้รอั่นงเงี้ยต้องกระชับแต่เวลาเกิดจะต้องการท่านมีเฉพาะหมาตัวเนี้ยของหญิงมันเพิ่งตายเมื่อ เมื่อวานค่ะเราก็คือมันอยู่กับหญิงมาสิบห้าปีแล้วแล้วหญิงก็แบบว่าเหมือนกับเช็ดดูแลมันอย่างเงี้ยมันมันมันเดินไม่ได้มันคือป่วยไปเรื่อยๆพระอาจารย์ร่างกายมันเสื่อมหญิงดูแลมันจนสุดท้ายอ่ะเมื่อคืนก่อนที่มันจะตายอ่ะหญิงรู้แล้วมันจะตายเพราะเหงืออมันขาวแล้วมันก็หายใจแบบผิดปกติมากๆแล้วก็คือมันเริ่มไม่กินน้ำไม่กินข้าวหญิงก็เออพอทราบอาการแล้วว่ามันจะตายทีเนี้ยเออหญิงก็คุยกับมัน ช่วงหนึ่งแล้วหญิงก็เปิดอัลลีมักไม่งงแปดให้มันฟังอ่ะซ้อมซ้มก่อนมันตายแล้วสองสาวันแล้วก็พวันที่มันจะตายหญิงก็เปิดให้มันฟังชั่วโมงแล้วหญิงก็สวดไปกับมาแล้วบอกมันข้างหูมันอะไรเงี้ยบางทีมันฟังบางทีมันก็ไม่ฟังเราคือหญิงรู้ว่ามันเหมือนมันตามันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะาจารย์แล้วก็สุดท้ายหญิงรู้สึกอุ้ยหญิงรับไม่ได้หญิงรู้แล้วมันจะตายหญิงก็เลยบอกมันว่าโอเคทีทู คืนเนี้ยหนูไปเลยนะไม่ต้องห่วงเจ้เดี๋ยวเจ้ไปนอนก่อนเพราะว่าหนูรู้ว่ะมันจะตายแล้วหนูอ่ะหนูใจไม่ถึงหนูจะมาคุยกับพระจานทร์เรื่องนี้ว่าคือหนูใจไม่ถึงที่จะนั่งดูมันตายเลยเนี้ยหนูแต่หนูรู้แล้วแหละว่ามันจะตายคืนนี้แต่แต่คืออาจจะแบบนานหน่อยอะไรเงี้ยสักสี่ชั่วโมงหนูก็เลยเปิดอายามังมิองแปะของท่านพุทธทาสทิ้งไว้ให้มันอีกสองชั่วโมงครึ่งแล้วหนูก็ไปนอนแล้วเช้ามาแม่หนูก็มาบอกหนูว่าเออมันตายแล้วหนูก็น้องถาวอะค่ะชื่อพีหนู หนูว่าอู้มันตายแล้วโอเคดีหนูก็มาเช็ดล้างทำความสะอาดมันแล้วแม่หนูกับน้องชายก็เตรียมกล่องเตรียมอะไหนูก็อ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยหนูโทรไปที่เอเผาก็เอามันไปเผาเผาเสร็จหนูก็เอามันมาฝังจบแล้วภาจารย์ตรงเนี้แต่ว่าคือหนูรู้สึกว่าหนูใจไม่ถึงหรือเปล่าที่หนูไม่นั่งดูมันหรือว่าหนูคิดถูกแล้วที่หนูแบบอ้าโอเคเดี๋ยวไปคืนนี้ไปเลยนะนั่งหงอยเจ๊นะทุกคนมาบอกลาเรียบร้อยแล้วใจเย็นๆนะลูกนะแล้วหนูไปต่อ แล้วหนูก็ไปนอนอย่างเงี้ยคือหนูหนูมีความแบบเขาเรียกว่าคิดยอนกลับแบบพะอาจารย์ัไม่เป็นไรหรอกท่านใจเราไม่ทุกขกับมันก็ใช้ได้อโอ้ ย, อย<ร>ขอบคุณค่ะคุณห่นหานดีใจแทนหนูนนมันจะเป็นยังต้องไปนา่เฝ้ามันไปนอนไปนอนก็ได้ถ้านอนหลับก็แสดงว่าเราปล่อยวางหลับค่ะแล้วก็ตื่นมาหนูก็กินข้าวได้ค่ะ เออเป็นปกติถ้าเราเป็นปกติก็ใช่ได้แต่ก็คือคิดถึงนะคะอ่าคิดได้ไม่เป็นไรก็ทำบุญอุทิศให้มันได้ดูเหมือนเฮี้ยมโหดไหมคะอาจารย์ไม่หรอกเป็นอูเบกขาใช่ใช่มีเพื่อนําเป็นห่วงตลอดหนูหนูบอกว่าเออก็รู้ว่าจะตายก็ตายก็ต้ตายเป็นดูเบกขาแล้วก็มีปัญญาโอ้ยขอบคุณค่ะอาจารย์อย่าล้าความจริงขอบคุณอาจารย์แล้วก็หนูใจไม่ถึง ไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดนั้นหรอกใจไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันตลอดใช่ไหมพเจ้าเพราะว่าหนูไปดูมันเผามันอ่ะก็เห็นแล้วหน้ามันโผล่มาอย่างนี้ด้วยพเจ้อไม่เจ้าบางทีหน้าเป็นไปก็เหมือนก็เป็นกิเลสไปใช่ไหมค่ะพอพอดีพอดีแล้วหนูก็กลับบ้านมาบอกพี่เพราะว่าพี่เย็นแล้วโทรเรียกให้หนูมาเอาสายการณ์ มขอบคุณค่ะไม่ผิดหวังเลยไม่ดีใจไม่เสียใจมันจะไปก็ไม่ดีใจมันมันจะอยู่ก็ไม่เสียใจขอมันจะไปนะเฉยๆไปนะโอเคนะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคเสร็จมีคนเอคอมเม้นต์จากแจ๊บแจะแพงมันจะจะจะพูดหรือเปล่าอันนี้เขาเขาเนะอ่าปิดอยู่นะเขปิดหน้าอยู่ครับไม่งั้นไปที่คุนรากนะคนอื่นเข้ามาหมุนนะ คุณล้ามีคำถามหรือคำถามมีคําถามจากทางเซสต์ให้คุณเขาได้ขนาดเอาเปิดต้องมากไหมคุณเขาแน่อการร้การพระอาจารย์รอรอรอกราบพระอาจารย์ตอนนี้โยมอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะแล้ก็นั่งฟังอยู่ในรถมาตลอดแล้วก็มันก็แบบสัญญาณก็หลุดอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ารอรอกราบพระอาจารย์แล้วก็รอฟังค่ะ ตอนนี้เดินทางอยู่จะไม่ได้เจอกันที่ไหนใบกะพระอาจารย์ที่ที่ชลบุรีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใบกะพระอาจารย์เราบอกพระอาจารย์ว่าจะมาฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าโยมโยมไม่ได้ไม่เปิดไม่สามารถเปิดกล้องได้ตลอด่ะเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางค่ะที่บอกถ้าอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ แม่สามีค่ะค่ะเพราะว่าโยมคือโยมติดโควิดตอนเดินช่วงเดินทางมาแล้วก็ก็ก็ตอนนี้สามีก็ติดสามีกําลังหายแล้วเพร่อสามีก็ติดแต่ว่าทีนี้เขาเขาไม่ได้เขาก็คือรักษาตามอาการนะคะ่ะโยมติดก่อนโยมติดก่อนเพื่อนโยมติดมาจากเมืองไทยค่ะถ้าจานเดี๋ยว เดี๋ยวดยตอนนี้เพิ่งถึงนะคะจรายังกลับน้ำมศการนะคะคพณเดินทางถึงที่หนึ่งค่ะสาธุค่ะ่ไปกับไปที่บุญร้าต่อพุญร้ค่ะมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบสาคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณพานนกเรียนถามครับทำไมบุญถึงส่งให้กันได้แล้วบาปจะส่งได้หรือเปล่าครับสาธุครับ บุญนี้แบ่งให้ได้แต่เป็นส่วนน้อยแต่บาปไม่แบ่งให้กันไม่ได้เพราะไม่มีการไม่มีใครใครับบุญบาปส่งไปเขาเขาไม่รับไปไะแต่บุญนี่เขารับเพราะว่าเขาบุญนี้เป็นเหมือนอาหารเป็นเหมัอนเหมือนอาหารที่ย์กายทิพย์นี่บางทีเขาไม่มีบุญเขาก็เลยหิวพอได้บุญมาเขาก็ทาให้เขาอิ่มเขาไม่ขาดสุน คำถามต่อไปจากคุณอภินาถากราบในมัสการพระคุณท่านขอกราบเรียนถามเจ้าคะ่ะว่าบุ ก, กาสะแปลว่าอะไรเจ้าคะอันนี้เราขออภันยนะเรื่องภาษาบาลางนี้เราไม่ค่อยถามทาง g l e กิลนึ่งเลคะ่ะคำถามต่อไปจากคุณชัดคาวะสกิเคยเห็นคลิปพระที่อ้างว่าเข้าฌานแล้วสามารถนั่งสมาธิ แล้วตัวโยกไปมาหรือกระโดดตอนนั่งสมาธิได้ไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะถ้าได้ได้ยินมาถ้าเข้าฌานนั่งใจนั่งนิ่งนั่งกายนนิ่งไม่มีการขยับขยี้ยืดคำถามต่อไปจากคุณพงสกรเราจะเริ่มทําสมาธิทําแบบไหนครับต้องพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆกอนที่มานั่งก็ต้องทําทพุโทโธไปก่อน พอถึงเวลานั่งก็เท่าพุโทโธต่อไปคำถามต่อไปจากคุณมินสุดารัตกราบนัมสตาลส่งการบ้านพระอาจารย์ค่ะหนูกำลังจะออกเดินทางไปวัดป่าที่อุดรคืนนี้ค่ ะ, จะเจริญสติเรื่อยๆเดินจงกรมทุกเช้านั่งสมาธิและฟังธรรมทุกวันค่ะพระอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ ทำให้มากๆทำให้บ่อยทำให้ต่อเนื่องอย่าขาดตอนมีสองคำถามจากคุณปุญยญวรรณคำถามแรกพระอาจารย์เจ้าค่ะขอถามเจ้าค่ะได้กำหนดจะไปปฏิบัติธรรม8วัน7คืนในเดือนกันยาแต่พอใกล้วันรู้สึกกังวลว่าจะตัดใจได้หรือไม่แต่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเจ้าค่ะ ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าต้องทําอย่างไรจึงตัดใจไปโดยไม่ห่วงงานได้เจ้าคะกราบพระอาจารย์คะ่ะก็เราต้องชคิดว่าการจะทําอะไรให้สําเร็จได้นี้เราต้อ ง, เ ร, องเราต้องมีความสัจธาเราต้องมีความจรินใจกับความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราต้องไม่เปลี่ยนใจไม่ต้องไปกังวล เดี๋ยวเราตายไปงานเขาก็อยู่ก็ต่อไปได้เรื่องงานไม่ทำไปกวันวล้วมีคนมาทำแทนเราได้เยอะๆใครๆของเราไม่มีใครมาทำให้แทนให้เราได้คิดอย่างนี้คำถามที่สองของคุณกุญยาวันทำอย่างไรถึงจะทำใจได้ไม่ทานเข้าเย็นได้อย่างเด็ดขาดเจ้าคะต้องหัดพิจารณาปฏิคูนอาหารปฏิคูล ให้หนึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องใอเวลาถ่ายออกมาในเวลาถ่ายออกมาอย่าเพิ่งไปชักโครกให้พิจนารณาแล้วนี่แหละคืออาหารที่เรากินเข้าไปก๋วยเตี๋ยวเออข้าวผัดเออขนมเอออันนี้สุดหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้เองให้คิดถึงภาพแบบนี้แล้วเวลาหิ้อยากจะกินข้าวให้นึกถึงภาพเหล่านี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่หิวกังไม่อยากกิน คำถามต่อไปจากคุณเดอะมอร์นิงสตาร์ปกติไม่ได้สวดมนต์ค่ะแต่ฟังที่พระอาจารย์สอนแล้วเข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์ไม่ทราบว่าควรสวดบทไหนคะเช่นสวดหลังกลับถึงบ้านกลางคืนก่อนนอนเป็นประจำหรือควรเอาเวลามานั่งสมาธิเดินจงกรมเลยจะดีกว่าคะขอพระคุณค่ะท่านนั่งจงกรมเดินสมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดก็ได้ อันนี้สำหรับคนที่ยังนั่งไม่ได้เดิไม่นั่งใครก็สวยไปกคนคถามต่อไปจากคุณโชติพิษมีปัญหาในการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ในขณะที่ลมหายใจละเอียดมากๆจนเกือบจะหายหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกมีอาการเหมือนคนจมน้ำค่ะรู้สึกอึดอัดปล่อยให้ลมหายไม่ได้ค่ะต้องทำอย่างไรถึงจะผ่านไปได้เจ้าคะ ให้ดูเฉยๆไปดูลมเฉยๆไปคำถามต่อไปจากคุณอภิชาโตวินกราบถวายความเคารพสักการะพระอาจารย์พระอาจารย์ขอโอกาสสอบถามเรื่องภพชาติโรคระบาดที่มีความเชื่อว่าทำอะไรกับอะไรจะเป็นแบบนั้นเช่นมีคำพูดที่ว่าการที่เราเป็นโรคระบาดเกิดจากการที่เราไปรังเกียจ ไปให้ร้ายใส่ร้ายในอดิตชาติใช่ไหมครับอันนี้แลความี่เราก็ไม่รู้กัน ว, ว่ามันเกิดจากอะไรให้รู้เขาว่าการกระทำบาปมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีให้กับเรากพาแล้ว็นคาถามต่อไปจากคุณพวงพกาอยากถามว่าไปทําบุญที่วัดบุทิศนกุศลให้บิดามันดากับ ไหว้อาหารให้บิดามารดาที่บ้านแบบไหนถูกต้องและบิดามารดาได้รับคะเบุญนี่ต้องการจากการทําต้องเสียสละอาหารทีาไปตั้งไปตั้งไหว้พ่อแม่ตอนหน้าวูบพ่อแม่นีพ่อแม่ไม่ได้รับพ่อแม่กินอาหารไม่ได้แต่ถ้าอาหารที่เราไปใส่บาตรนี่เราก็เรา อ, อุทิศบุญที่ได้จากการใส่บาตรได้ต้องเอาอาหารไปแปลงเป็นบุญ ด้วยการเอาอาหารนี้ไปถวายพระคำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์ประชาชนที่นับถือพระที่มีสมาธิวิปลาดและปฏิบัติไม่ตรงทางนักแต่เป็นเพราะเหตุใดหรือมีเวรกรรมที่ทำร่วมกันมาครับเพราะว่าไม่ฉลาดทองลงไปแล้วไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเชื่อเขาเพราะไม่ศึกษาจาก จาพกพระพุทธเจ้าก่อนควรจะศึกษาจากวัตถาปิฎกก่อนว่าพระพุทธเจ้า ส, สอนอะไรบ้างคำถามต่อไปจากน้องหลินหลินขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะบททดสอบหนูเยอะมากเจ้าค่ะคงจะทํำบาปเยอะค่ะเพิ่งผ่าสมองมาสีรอบและใส่อุปกรณ์ในสมองต่อไปผ่านหนังตาหนูผ่าตั้งแต่เท้าถึงสมองเลยเจ้าค่ะ ส่วนตัวอยากบวชชีแล้วคะ่ะแต่พ่อแม่ให้สู้จนตายในหน้าที่หนูควรปฏิบัติอย่างไรดีคะก็เป็นตัวของหนูเองหนูต้องเลือกเอาเอง่หนูะอะไคำถามสุดท้ายจากคุณอภิษัก ร, ราบเรียนถามพระอาจารย์เมื่อวานในรายการภาษาอังกฤษพระอาจารย์พูดคำยาวๆภาษาอังกฤษ และตามด้วยคำว่าอุเบกขา e ity ิควาเนเป็นขั้นตอนก่อนจะมีอุเบกขาคือคำว่าอะไรครับก่อนจะมีอุเบกขาต้องมีสติต้องมีฌานต้องมีฌานสี่คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะสำหรับคืนนี้จะเป็น<ต>สมชาย<ต>สมชายนะ สนใจมาท่านทายกันหน่อยเนอ่าสวัสดีครับท่านพาาู้อาวุโสผมเข้ามาฟังธรรมะเพื่อทําให้ชีวิตดีขึ้นครับก็ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะครับก็ดีจะทำให้ดีที่สุดก็ได้ร่วมเป็นสุปติปันโนจะทำให้ดีที่สุดก็สุปติปันโนครับ าทำให้ถูกต้องอะเรวะสามีสามิจิตปฏิปันโนอยอะไรวะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะรดีจะทำต่อไปนะคุณสมชายนะใกล้หมดเวลาแล้วอนีอ่ยครับโอเคไม่ไม่มีใครอยากถามอะไรล้นนะเพื่อพอก่อนนะตพรคืนนี้เด็ก น, นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง ไปคิดพิจานณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ